วั น, นี้อาจารย์ภาสนะคุณหมอภาสนาไม่ใช่อาจารย์ภาสนาเชิญสวัสดีคุณบอยคุณหลาคุณชักนะค่ะพลังงานที่ทํานะคะพระอาจารย์คนเรานนี้ไม่ได้อยู่มีคนอื่นมาแทนสองคนอ๋อเหรอคะอ๋องาย์กับคุณจุอของสวัสดีค่ะพอดีไม่เห็นพระอาจารย์เห็นแค่พระอาจารย์ก็เลย ก็จะมารายงานกับพระอาจารย์คือตั้งแต่เขาที่รับที่ถานพระอาจารย์ไปใช่ไหมคะก็จัดตารางก็จะได้ให้เป็นจะได้เป็นร้อเซที่เราตั้งตารางเราทําก็คือว่าตอนนี้ที่เพิ่มนะคะที่เพิ่มก็คือไปนั่งตั้งต้นไม้เพิ่มแล้วก็ทเล่าให้เราฟังก่อนแล้วกันตอนเช้าก็คือตื่นจีสามเหมือนเดิมแล้วก็นั่งสมาธิสองชั่วโมงเสร็จแล้วก็เจริญเจริญปัญญาต่อเพราะว่าจะได้คือตอนนั้นอาจารย์บอกว่าให้นั่งเพื่อจะได้ลองดูว่าเวทนาเนี่ย มันมันไม่มันไม่โกนแแน่ใช่ไหมก็นั่งต่อคือจริงๆแล้วนะพระอาจารย์ก็นั่งได้แล้วก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าตอนนั่งตอนสมาธิสองชั่วโมงแรกเนี่ยถ้าถ้าเกิดว่าวันไหนที่ที่เจริญสติได้ทั้งวันก่อนนั้นนะนะคะมันจะไม่มันจะมันจะมันจะเข้ามันจะเข้าสมาธิแล้วแบบร่างกายเหมือนเหมือนกับมันหายไปแล้วก็มันจะไม่มีอาการเจ็บ ไอ้ซึ่งการตรงนี้มันจะแต่ะก่อนนี้มันจะเป็นสั้นๆแล้วมันก็ต้องเข้าสมาธิใหม่เป็นสั้นๆแล้วก็เข้าในในสองชั่วโมงต้องต่อกันแต่ตอนเนี้มันยังไม่ยาวสองชั่วโมงแต่ว่ามันนานขึ้นผ้าจ่าบางทีมันเป็นมันเค้าวเป็นชั่วโมงได้ในในในสองชั่วโมงแรกนะคะแล้วก็พอเสร็จแล้วก็เดินเดินจงกรมเสองชั่วโมงแล้วนั่งนิพพานาต่อแล้วก็เดินจงกรมเพราะว่าตอนนี้ขาก็เจ็บทั้งสองข้างพร้อมกันเลยเพราะว่าตอนแรกขาซ้ายลงใช่ไหมเพราะนั่งกับพื้นก็จนเดินจงกรมเพราะไม่งั้น น, ng, นั่งนั่ง น, นั่งนางก็โดยจงกรมแล้วก็เจริญเจริญมรณาสติแล้วก็แล้วก็ทำเนี่ยนัสสภเพธรรมานัสตาคือมองธาตุขันอะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์จะพยายามทําให้ตัวเองเข้าไปอยู่ในตัวเองให้มากที่สุดแล้วก็แล้วก็พอตอนระหว่างวันก็พยายามพยายามขยายขตาสติแล้วก็เจริญปัญญาแล้วก็ตอนบ่ายทางพระอาจารย์แล้วก็พยายามหาเวลาถ้าเกิดอยู่บ้านก็จะพยายามไปนั่งใต้ต้นไม้เขาเตรียมตัวไปวัดก็คือจะพยายามนั่งใต้ต้นไมให้ให้ แต่รู้สึกก็ชอบนั่งต้นต้นไม้นะคะอาจารย์พรรู้สึกรลมันพันแล้วก็ค่อนข้างจะดีแล้วก็ตอนกลางคืนก็จะนั่งหกโมงชั่วโมงหนึ่งแล้วก็จะเจริญแล้วก็แล้วก็เดินจงกลมโดยโดยที่ใช้แบบเจริญปัญญาแล้วก็มรณะนุสติครับอาจารย์แล้วตอนกลางคืนสวดมนต์แล้วก็ก็พยายามนั่งแต่แต่ส่วนใหญ่จะเป็นนอนสมาธิมากกว่าก็พยายาม cover ให้ได้ทั้งวันตารางเนี้ยก็จะทําทุกวันพระอาจารย์แล้วก็ยังซือสินแปดสามวันแล้วก็ตอนวันเสาร์เป็นเดิมก็คือว่าทําทุกดวงวัดก็ยังกวน ก็รู้สึกว่าความสงบเนี่ยความสงบของใจเนี่ยความความความโลภที่โลกธรรมแปดเนี่ยก็คือมันเนาะมันขึ้นมันเนาะคือเ อ, อเลิกกาแฟได้ไม่ช้อปปิง้งบริจาคสิ่งของไปบางทีก็ให้คนที่อยู่รอบๆบ้านอะไรย่างเงี้ยก็คือเก็บของใหม่เก็บตู้ใหม่ก็รู้สึกว่าไอ้ไอตรงความโลภนี่ก็ไม่มันอายุเยอะแล้วด้วยพระอาจารย์ก็เลยก็เลยดีขึ้นแล้วก็ความโกโรธก็พอมันตัดที่ความอยากอะ่ะมันก็เลยทําให้ตั้งแต่ที่ มันจะน้อยลงไปเยอะแล้วก็มันก็เรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่าแบบจุดทิ้งเร็ค่ะแล้วก็ความหลงก็พยายามดูเรื่องอัตราจจตัวตนอยู่อาจารย์ก็เนี่ยส่งกันบ้านผ่าอาจารย์ิทนี่คือพยายามทําในแต่ละวันในครอบครัวประมาณ น, นี้ครัอาจารย์ดีดีแล้วอ่านโดยทำนำแล้วก็อ่านจดยทำนำานำนำใจพระอาจารย์นะโอ้ดีมากเพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะพระอาจารย์ยกมาจากกําลังใจใช่ไหมคะแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันมัน มันคือกำลังภาวนาตรงเนี้ยมันคือได้ตรงนี้พอดีเลยของจุลธรรมนำใจเพราะตัวเองจะชอบตนี้มากเพราะมันอยู่ในคอปอยในโทรศัพท์มันอ่านได้แล้วก็ฟังของตาแมหาครัวเตรียมพร้อมเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการละกายพอดีเลยครับอาจารย์ก็เรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่าแบบิเ็ความหลก็พยายามดูอาการตนเอมันเอลยอ่าเสียงมันฟีดกลับไป ก็พยายามพยายามอ๋อแล้วก็อีกอันหนึ่งคือตอนคืนปิดไฟแล้วก็เดินเพราะว่าเตรียมพร้อมที่จะไปอยู่วัดที่ไม่มีไฟก็คือพยายามให้ชินตัวความมืดพระอาจารย์คือแล้วตอนนี้ก็พร้อมคือไม่กลัวนะพระอาจารย์ตอนขามาตอนที่อุบายที่พระอาจารย์ให้บอกให้ไปอยู่วันเนี้ยเราก็พยายามเตรียมตัวเองตอนเนี้ยไม่กลัวแล้วก็รู้สึกว่าอยากไปอยู่เพราะว่าอยากจะได้ทั้งวันน่ะพระอาจารย์ถ้าอยู่บ้านอ่ะพูดจริงๆมันมันไม่สามารถทําได้ทั้งวันเพราะบางทีมันก็จะมีอะไรที่ต้องติดต่ออะไรอย่างเนี้ยพระอาจารย์ก็รู้สึกว่าถ้าไปวัดเนี่ย24 มันน่าจะทำให้เรามีสติได้ได้ต่อเนื่องมากขึ้นเน่เพราะว่าไม่มีอะไรมาขัดจังหวะอาจจะไเตรียมพร้อมกลองไปดูนะการปฏิบัตินี้มีปัจจัยที่ต้องมีก็คือการปิดวิเวกอยู่คนเดียวอยู่ที่สงบสงดไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสผดทพาชนิดต่างๆมารบกวนใจไม่ครุกคีกัน ถึงแม้ว่าจะอยู่ในวัดด้วยกันก็ต่างคนต่างอยู่ <Okay. S 1> นอกจากเวลามาทากิจร่องกันก็ไม่พูดคุยกัน <Okay. S 1> ต่างคนต่างไม่สติทากิจของตนเช่น okay. ทำงานที่รองครัวหรือใส่บาตรหรืออะไรก็ตามพอเสรษษ็จกิจจากรับประทานอาหารอะไรเรียบร้อยแล้วก็แยกกันกลับไปอยู่ที่อยู่ของตนแล้วก็ไปเดินจงกูมนั่งสมาธิเจริญปัญญา ถ้าถ้าสมาธิยังไม่ยังไม่ชํานาญก็จเจริญสติก่อนอย่าเพ่งไปฝ <Okay. S 1> ึกสติให้มันมีกําลังแก่กล้าสามารถบังคับจิตให้เข้าสมาธิได้ทุกครั้งที่ต้องการถ้าเป็นพิจารณาทางปัญญามันจะต้องใช้ความคิดแล้วมันจะหยุดมันยากเะ <Okay. S 1> ถ้ายังไม่จําเป็นที่จะไปยังสมาธิยังไม่ชํานาญก็เน้นสติก่อน พุทโธพุทโธดูการเคลื่อนไหวิระยาบทของร่างกาย ใ, ให้จิตเข้าสู่ความสงบให้ได้บ่อยๆจนมีความมั่นใจว่าต้องการจะเข้ามาอะไรก็ขเข้าได้แ ล, ล้วจากนั้ น, วนเวลาออกจากสมาธิมาก็พิจารณาร่างกายพิจารณาลาบยศสารเสวนสุขก่อนไปได้ของภายนอกโลกประธรรมแปดลาบยศสารเสวนสุขมีเจริญมีเสือ่อม เสอมาบเสื่อมยศเสื่อมสารเสริญ เ, เ, เ, เป็นดินตาเสืมสุขกลายเป็นทุกข์ให้เห็นว่าไม่เทีย่ยงให้เห็นว่าเป็นทุกข์ถ้าเราไปยึดไปติดกับลาบยศสารเสริญเวลามันเสื่อมตัดภายนอกก่อนแล้วก็มาตัดร่างกายจะนะินาล่างกายว่าไม่เทียเเท่ยงกลายแก่เจ็บตายร่างกายไม่ใช่ตัวเรา เปนธาตสี่ดินน้ำลมไฟร่างกายไม่สวยนานไม่ว่าจะเป็นของเราหรือของใครก็เหมือนกันมีอาการสาสิบสองมีหนังรูบหอยอยู่เป็นที่สุดยอดเลมองไม่เห็นส่วนที่อยู่ภายในมืนห่อหมกนะหอข้างนอกสวยแกะห่อหมกมาดูว่หน้าตาดูไม่ได้อาการนี้ถ้าแกะหนังแกะเนอกก็จะเห็น โครงกระดูเห็นตับเห็นตายเห็นหัวใจเห็นปอดเห็นกระกศีรษะเห็นอะไรต่างๆมันต้องพิจารณาเห็นถึงแม้จะไม่ได้เห็นด้วยตาเนี่ยมต้องเห็นด้วยตาใจคือปัญญาพิจารยเรยเพื่อจะได้ไม่หลงเวลาเห็นส่วนน้าที่สวยงามน่หล่อแล้วจะได้เล็งถึงส่วนในมันก็จะทําให้ความยินดี การมาลาคะที่ชอบก็จะสงบตัวลงได้ น, นี่คือเรื่องของร่างกายโอเคอาจา ร, รายร์คมไรมอไม่พดถานนิดนึงตอนนี้ค่อนข้างจะรู้ทางก็พยายามตั้งใจทาความเพียรเรื่องของสมาธิอาจารย์คดคือว่าถ้า คือที่ที่พยายามเจริญปัญญาเพราะว่ากล่าวว่าถ้าเกิดเจริญปัญญาเป็นจิตตามปปัญญาอย death, an ่างเช่นถ้าอจาบอกเนี่ยเรายายามเอาจรักจับทุกอันเลยถ้ามันเป็นจิตตามปัปัญญาแล้วเราถ้าเราทาสมณะภาวนาได้มันจะได้เป็นภาวนาวยะไมครอาจารย์คือไปถึงว่าถ้าเราทำจิตตามปัาบัญด้จมียเบิกาในอัปปนาสมาธิรักเอาไว้ในตทานความยึดิในายึดสรรเสริญศบดได้ อยู่แบบไม่มีราบยุศรส่วนสูงได้ทีนี้นี้ไม่ติดแล้วพ่ออาจารย์ราบยุศรสรินสูงไมติติดร่างกายเลยเดียวร่างกายก็ต้องมายึดไม่ถือเราไม่ยึดตัวเราของเราวันหนึ่งมันก็จะต้องเคลืนสู่สภาพเดิมคือธาสี่นินน้ำลงไปเวลาเป็นโรงานศดเขาเก็บกระดหกเห็นไหมอาการสามสิบสองือแต่คิดเท่าอหนังสือก้มาเปิดแล้วเอาเลิก เดินดูตัวเองนั่นแหละเราพิจรณาร่างกายของเราว่าเป็นอย่างนี้ต่อไปไม่เว้นเปว่าไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามผู้ใดไปยึดติดกับร่างกายก็จะน้องทุกข์กับความเ ป, ปลี่ยนแปลงอันิจจังของร่างกายผู้ที่รู้ทันก็ปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดด้วยปัญญาด้วยสมาธิอ ป, ปนาสมาธิถ้าไม่มีอั ป, ปนาสมาธิจะปล่อยวางไม่ได้ ที่หแหลมมันแลกมีกำลังมันก็จะยืดจะติดอ่า yeah. <ด>ลองไปทำดูเ ด, ดี ว, วันเสาร์ไปนะจัดเวลาจุดนี้เลยคนะ่ะอาจารย์เดี๋ยววันเสาร์ไปหาพระอาจารย์แล้ววันจันทร์ไปพระจนันทร์บ้าวันจันทร์ก็าเปิดบนะ้านเลยเอาวันพรนะเลยเาเปิดเขาเปิดให้แค่คนไปทําบุญ ต, ต้องไปก่อนแปดโมงห้าจานทร์กนะค็คือว่าโนะคะเพราะว่าคือว่าบอกหลวงพ่อบอกว่าให้มาเดือนละครั้งคือ คือตอนนี้ยังไม่เปิดวัดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าหลวงพ่อบอกว่าเดือนลครั้งเราไม่ไปเนี่ยท่านจะไม่ให้อยู่ก็เลยรู้สึกว่าท่านให้อยู่แล้วแต่ว่าท่านมีข้อแม้ก็คือว่าต้องไปท่านคงจะดูว่าตั้งใจจริงหรือเปล่าเนเพราะวัดไกลมากเลยพระ อ, อาจารย์ตอนขาไปออุ้ยหมองลง ม, มองไม่เห็นทางเพราะมันไปแต่ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาคื อ, อยังไงก็ไปเพราะว่าจริงๆตอนนี้ก็อยากอยู่แล้วก็เป็นวันที่พระอาจารย์แนะนาด้วยคือบบอยากอยากใช้เวลามันเต็มๆต็มคะพระอาจารย์เพราะรู้สึกว่ามันมึงพอเข้าใจแต่ว่ามันต้องใช้เวลาแล้วก็จะกี่ล คือ ว, วันวันวันจั น, น, นที่จะไปนี่กาจะไปอยู่เลยเะนี่ก็ไม่ให้อยู่พระอาจารย์เพราะว่าเขายังไม่เปิดคืออาจารย์ให้ให้ไปเหมือนกับว่าคงให้ไปตักบาดแล้วก็คงไ ป, ไปไปไปฟังเทศท่านเกิดไม่แ <ừ> ม่ไม่แนะคะแต่ว่าแต่ว่าท่านบอกว่าแล้วจะไปถามด้วยว่าเปิดตอนบห้อยังเพราะว่าตอนที่แล้วเนี่ยเขายังไม่เปิดให้อยู่เพราะว่าค <ừ> ุมเดี๋ยววันจันนี้ไปก็จะไปถามด้วยถ้าเกิดว่าเปิดแล้วก็จะได้จะได้จออไปไปแล้วแฟนก็เริ่มทําแบบ เริ่มพูดโธได้แล้วค่ะสมัยก่อนไม่ได้พุดโทรพอตอนที่จะไปอยู่วัด น, นี่ก็เลยเริ่มแบบกล่วก็เลยเริ่มพุดโธได้แล้วกันแต่ว่าเขาเขาก็ฟังอยู่นะคะแต่ว่าเขาไม่ยอมเข้าซูมเด็กบ้านเพราะกลัว <c oughs> ก็ลองดูไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวถึงเวลาท่านเห็นว่าสมควรที่จะให้อยู่ท่านก็จะให้อยู่เองได้ค่ะจ๊ะโอเคนะท่านนี้ก่อนนะคุณเอกจากเชียงรายเชิญคุณเอก การวสการพระอาจารย์ครับผมครับมามีอะไรบ้างป่าวันนี้เออวันนี้ไม่มีครับพระอาจารย์ก็ยังอยู่ในการปฏิบัติอยู่ครับพระอาจารย์เป็นคืบหน้าไหมหรืเข้าใจดีขึ้นไหมก็ก็จะว่าคืบหน้าก็ก็คืบนิดนิดไม่ไม่มากหรอครับพระอาจารย์เพราะว่ามันมพบกับความสงบมากขึ้นในช่วงตอนเช้าครับพระอาจารย์อก็คืออยู่อยู่อยู่พออยู่ได้ครับ ก็มีเออบางเช้าก็กิเลสเอาไปรับประทานอยู่บ้างนะครับอาจารย์รตอนตอนคำตอนตอนเวทนามาตอนแรกก็ก็ปล่อยได้แล้วครับอาจารย์<嗯>ปล่อยได้แล้วก็สะ拉ใจเอาสักพักกลับมาโอมาครั้งที่สองนี้โอ้มารู้สึกตัวเอา้าเราโดนละโดนกิเลสหลอกไปล้อย่างเงี้ยครับอาจารย์<อ>ก็<อ>ก็เปลี่ยนท่าไปเดินจงกรมต่อครับเพ<อ>ราะ<อ>ตอนนี้ผม ช่วงเช้าก็ตื่นตีสามครึ่งก็ปฏิบัติจนกว่าหกโมงครึ่งครับอาจารย์แต่ว่าก็ได้พบสงบเย็นอยู่ครับก็พอรู้เพราะว่าของผมมันปกติก็คือถ้าสมาธิในช่งชั่วโมงแรกพระอาจารย์มันก็จะมีแต่ลมนะฮะเหมือนกับว่าร่างกายไม่มีอยู่แล้วมันปกติของผมอย่างเงี้ยครับก็ขอให้ทำอย่างต่อเนื่องกันอยาอย่าหยุดอย่าถดท้อย พยายามนั่งสาระดับการปฏิบัติไว้ไให้ได้แล้วค่อยเพิ่มไปตั้งกาลังต่อไปครับผมเพราะว่าอาจจะมีช่วงช่วงค่ําบางทีเดินมันเดินสองชั่วโมงสองชั่วโมงกว่ามานั่งสมาธิมันมันไม่ค่อยไหวพระอาจารย์มันคงจะเพลหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะว่าเ อ, อมานั่งบางทีได้สามสิบนาทีอย่างเงี้ยมันบางทีตั้งใจจะนั่งสักชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกว่ามันไปไม่ได้พ่ะอาจารย์กำลังคงไม่พอแล้วมัน่าเออเท่าที่ทําได้ไปก็แล้วกัน ถ้าไปไปดันมันมากเดี๋ยวมันจะหลังหักได้มันจะไม่ไหวเหมือนสายพินไปขึงมันตึงไปไปเดี๋ยวมันก็ขาดได้โอ้ข้าผูกข้าผูกเอาพอกําลังมาชิมาข้าผูกสายกลางรับผมไม่ตึงไม่หย่อนนะครับกําลังเยอะตามกําลังของเราบางวันก็จจะมีกําลังมากบางวันก็อาจจะมีกําลังน้อยอืมข้าผมใช่ครับอันนี้จังมันนี้อันนี้จังยังไม่เที่ยมโอ้ครับครับข้าผูก ครับผมโอเคนะโอเคครับต่อไปนะครับขอขอบคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงครับผมสาธุครับคุณเกาหลีจากปรเทอาช่วไหมคุณเกาหียินไมครับได้ยินได้ยินดดังๆหน่อยสวัสดีครับครับอต่ว่ามัมีอะไรอยู่ปัตยาใช่ไหมครับก็เอ่อ อยากทราบทำมาครับเกี่ยวกับว่าอ๋ออยู่ทีาพยาครับพยาใตยครับก็ตอนนี้รถติดมากเลยครับเพราะว่าทําถนนจะงไม่เสร็จครับครับก็อปิดเทอมนี้ผมแทนว่าผมจะกลับไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ที่ลาปางนะครับแล้วก็คือกลับไปแต่ละครั้งกลับมาก็เหมือนเราจะเหมือนจะไปใจแตกอ่ะคือเหมือนต้องมากลับนับหนึ่งใหม่อย่างเงี้ยครับเพอยากทราบทำมะเกี่ยวกับว่าถ้าเราอยู่ห่างครูบาอาจารย์หรือว่าอย่างเงี้ยครับต้อง move f a ไปศึกษาดูงานต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเขามันต้องใช้หลักธรรมอะไรในการที่จะอรักษารักษาธรรมะเอาไว้ครับก็ต้องรักษาความเพียรของเราตามที่เราเคยทําครับเราเคยทำเท่าไหร่เราก็ทําอย่างนั้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนครับแล้วก็พยายามศึกษาธรรมะอยู่เรื่ อ, ๆอยๆจะได้ไม่หลงทางถราไม่ศึกษาธรรมะเดี๋ยวมันลืมแล้วมันหลงทางได้ ครับใช่ครับคือเป็นมาแล้วครับ <c oughs> ก็เลยกลัวก็เนี่ยเข้าเว็บเข้าตามเว็บธร ร, ร ม, <c oughs> มะต่างๆอ่านอ่านธรรมะอะไรอยู่เรื่อยๆครับก็จะได้มีอะไรคอยเดี๋ยวรล่าจิตใจเอาไว้แล้วก็ปฏิบัติตามที่เราเคยปฏิบัติไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนแล้วก็ปฏิบัติตามตามเดิมสถานที่ไม่ไมสําคัญสําคัญ หยุดถ้าเราอยู่ที่นี่ปฏิบัติได้เราไปอยู่ที่อื่นเราก็ต้องปฏิบัติได้รเรากินข้าวได้นอนได้ที่อื่นทำไมเราปฏิบัติที่อื่นไม่ได้ใช่ไหมครับมีอะไรไหมแค่นี้เหรออืมก็วันนี้หัวร้อนครับ <laughs> วันนี้อ่าหัวร้อนคืออาการที่แบบอ่าเห็นเห็นอารมณ์โกรธของตัวเองนครับแล้วก็เป็นจุดอ่อนอผมมากเลยครับพยายามคอนโทรลครับ แต่ก็วันนี้ก็วันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แตกแบบกายวาจาใจนะครับแต่แต่คือดีขึ้นครับดีขึ้นครับใจเย็นขึ้นพยายามจะระเสติหรือไม่ท่อพุโทพโธไปเวลามีอารมณ์ไม่ดีก็ทําพุโทโธพุโทโธพุทโธไปครับเดี๋ยวมันก็จะสงบตัวลงครับก็ต้องเอาธรรมะมาใช้ครับมาเรียนขนาดนี้แล้วก็ต้องใช้เป็ประโยชน์ครับ โอเคนะครับคุณทวิษาจอยากสวิสเซอร์แลนด์เชิญการนมัสการอาจารย์ค่ะวันนี้ก็สีนแปะปฏิบัติธรรมเป็นวันข้าวอารค่ะเหมือนเดิมวันนี้ก็เข้ามารับฟังค่ะอาจารย์ยังไม่ยังไม่มีำคำคาถามด้มวยขอคิดอะไร น, นะ คายังไม่มีคําถามค่ะ<ม>ก็มีอะไรงานไหมไมีอะไรรายงานไหมก็รายงานคืออาจจะเป็นแบบมีความย่อหย่อนลดลงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมาแต่แต่ความอยากรู้สึกว่าเออมันมันมันไม่ค่อยมีไม่ใช่ไหมไม่ค่อยมีคือมันไม่ได้อยากอยากได้ในสิ่งที่เหมือนเมื่อก่อนเคยอยากได้นะคะพระอาจารย์ก็คือรู้สึกว่า เออช่วงนี้มันมันมันมันไม่มันไม่มาหามันมันก็ขังคือบางอย่างคือเห็นเห็นคุณค่าของธรรมมากมากขึ้นแล้วมั้ค่ะหน้าค่ะคิดว่าหน้าแล้วก็คือมีมีมีตัวทดสอบก็คือแบบอย่างพ่อบ้านเขาจะแบบให้สิ่งของอะไรอย่างนี้เราปฏิเสธเราไม่รับนะคะก็เอ๊แต่คือปฏิเสธนี่คือแบบใจเราไม่ได้อยากได้เลยนะคะคือแบบมันขึ้นมาว่ามันไม่ได้อยากได้ก็คือปกติถ้า ถ้าสมัยก่อนก็คงน่าจะรับอะไรอย่างเงี้ยถ้าจิงรับไว้ก็ไม่เป็นไรนะเป็นมารยาทเพื่อไม่ให้เสียน้ำใจแต่ถ้านราไม่ยินดีเรารับ<ม>เก็บไว้เฉยๆโอากาสต่อไปเราก็าไปทำบุญ<ม>ทำทานที่ไหนก็ได้เร<ม>จะได้รักษาน้าใจที่เขามีเมตตาใหกับเราค่ะและค่ะอย่างนั้นขอถามต่อพอาจารย์ค่ะถ้าเกิดสมมุติว่า อ่าเราขอรับสมมุติว่าเราไม่ขอรับเป็นของแต่เราขอรับเป็นปัจจัยแล้วเราก็เอาปัจจัยนี้คือไปทําต่อในในทําบุญต่ออย่างเงี้ยมันมันเป็นการที่เราคิดคิดแบบว่ายังโลภอยู่ยังไม่ยินดีตามมีตามเคยถ้าสังเกตก็ได้อะไรมาก็รับไว้ไม่ไปชู้จี้จุกจิ้กับผู้ให้ ผู้รับต้องไม่ช่วจี่จุกจิกผู้รับต้องยินดีตามมีตามเกิดนอกจากก็ถามมาต้องการเป็นอย่างอื่นหรือไม่อะไรหรือลอาถามมาดูก็ได้ว่าถ้าจะเปลี่ยนไปอย่างนั้นอย่างนี้จะได้ไหมอะไรอย่างนี้ก็คือเหมือนกับถ้าเกิดว่าเขาจะให้อะไรมาก็รับแต่ถ้าเขาถามเรา ถ้าเกิดว่าหรือว่าเราจะให้เอออยากได้ถ้าเกิดเขาถามแบบเอออยากได้อะไรเนี่เราก็เปลี่ยนแบบนี้ก็ได้คือเราไม่ได้แบบว่าเอยากเอาเงินไปทําบุญก็ได้โอ้ยเอาเงินไปทําบุญทําทานช่วยเหลือคนทุกข์ยากเหนื่อย้าค่ะค่ะแล้วเราก็เลยคิดว่ามันเป็นแบบว่าความคิดแบบเหมือนเราแบบเหมือนอยากไหมอะนะคะคือลักษณะไหนนะคะอ๋อคือเราไม่อยากอยู่แล้วแต่เมื่อเขาจะให้เราก็ ฉลองศรัทธาอถ้าเราไปปฏิเสธเขามันก็ทําให้เขาเสียเสียเสียกำลังใจเสียน้ําใจเราอยากจะให้ของเราเราก็รับไว้ก็รับกันถ้าถ้าเราไม่อยากจะไปสร้างปัญหาก็เขาให้เลยมาก็รับไปแล้วเราจะไปให้ใครต่ออันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเราแล้วไม่ควรจะไปให้ต่อหน้าของ รับจากเขาพบแล้วก็ไปให้คนนั้นต่อเลยอย่างนี้มันจะเสียน้ําเสียน้ําใจทํา <S <S ไปแล้วมาเก็บไว้หรือเอาไปให้ที่ที่เขาไม่รู้อย่นี้ดีกว่าอืข่าวป้าจันค่ะเราไม่มีค่ะมีแค่แบบว่าเออบางทีเราเราแบบเขาได้ทำบุญไงเขาก็อยากจะทําบุญเขาก็อยากทําทานเขาให้ของเรานี่ก็เป็นการทําทานของเขาถ้าเราไปเสดไม่รับเขาก็เลยไม่มีโอกาสได้ทํา เราอย่าไปขอเขาท่านเลยอย่าไปขออย่าไปเลือกว่าเราไม่เอาอย่างนี้นอ เ, าาเาอาอย่างงั้นถ้าก็ถามก็บอกได้ออยู่อยู่แบบนี้ไหมถ้าอยู่ไม่เอาแบบนี้อยู่อยากเอาอะไรค่ะเข้าใจแล้วค่ะเหมือนโอ้ยอันนี้เก็ตเลยที่พระอาจารย์บอกเปิดโอกาสให้เขา <c oughs> ไมต <c oughs> ตาย <c oughs> เขาได้ทําบุญเข้าใจมากเราไม่ต้องการหรอก อย่างผ้าดนี่ก็ไม่ได้ต้องการของเลยปินา บ, บาลวันหนึ่งคนต้องสองสามร้อยคนกินหมดที่ไหนแล้วถ้าจะกินไปคนรับได้รับคนสองสามคนก็กลับวันแล้วไม่ต้องไปเดินให้มันเหนื่อยจริงหือจริงอยนี่นึงตลอดซ้ายเกือบชั่วโมงคนส่าบาทเกือบสองร้อยวันธรรมดาประสองร้อยขึ้นไปวันพ่าวันเสารที่นี่ขึ้นเกือบห้ารอย ใช่เห็นว่าจย์เดินวินทบากที่เปิดดูเวลาวลถ่ายท่อสดก็อืมเข้า <c oughs> ใจโอ้ยอันนี้เก็บมากเลยคนะ่ะเข้าใจมากเลยคนะ่ะเข้าใจมากคือกา้อไรเรถ้ามันเป็นของที่ไม่เสียหายก็รับได้ถ้าเป็นของเสียหายก็รับไม่ได้แม้แต่พระนี่พระพุทธเจ้าก็ห้ามรับของที่เขาฆ่าเพื่อเพื่อเพื่อพระนี่ตรงเทียนโยมบอกว่าวันนี้ฆ่าไก่มาทําต้มยําไก่ให้หลวงพ่อจอันยังยุตรับไม่ได้ ก็เป็นการไปทำระาชีวิตูพเพื่อมาทำบุญอย่างนี้ปฏิเสธก็ได้ไม่ส่งเสริมคุณยังไงก็ไม่ส่งเสริม <Okay. S 1> หรือถ้าเขาขอให้ของที่เรารับไม่ได้ก็ปฏิเสธได้เช่นสุรายาเมาอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราก็ปฏิเสธได้ <Okay. S 1> แต่นอกจากนั้นก็ควรจะฉลองศรัทธาเขา เข้าใจแล้วค่ะการรัมีไมตรีจิตเรวก็น้อมรับไมติจิตของเขาส่วนรับแล้วก็จะไปใช้ไปทำอะไรนี้มันเป็นสิทธิของเราค่ะเป็นเข้าใจเข้าใจมากขึ้นแล้วค่ะก้อนนี้เราจะได้ทําบุญเพราะอยากจะทําบุญกับเราทําทานกับเราแต่เราปฏิเสธบ้าแล้วก็ไปปิดโอกาสให้เขาได้ทําบุญทำทานอืม ค่ะพระอาจารย์กลับขอบพระคุณค่ะเข้าใจมากขึ้นเลยค่ะเนื <Okay. S 2> ่แต่ว่าเราอยากไปบอกเอาอย่างงูน้นเอาอย่างนี้ก็แ <c oughs> ล้วรับเป็นพาะพระเป็นสบายก็ญาติโยมใจอะไรมาก็รับรับเลยม่ได้บอกว่าไม่เอานะอย่างนี้ไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้มีอยู่วัดหนึ่งท่านทําแปกท่านเวลาไปบิณฑบาตท่านจะมีป้ายหรือกระดาษใบเปลี่ยนจากญาติโยมว่าวันนี้ฉันฉันเจนนะ อันนี้ก็ไม่ควรอืพระเจ้าจบอกว่าให้เป็คนความเลี่ยง่ายเป็นผ้านี่ให้เป็นเป็นขอทานเป็นผู้รับนี่ให้เป็คนความเลี่ยงง่ายแล้วแต่เขาให้เขาสะดวกคนคนที่จะใส่บาตรให้เขาสะดวกถ้าเกิดเขาไม่กินเจแล้วก็จะเขาอาจจะใส่บาตรไม่ได้่แล้วก็กินแต่มีเนื้อสรรัตว์อยู่ด้วยเห็นแต่ว่าข้อสําคัญเนื้อสัตว์นี่ที่เขาจะถวายบ้านี้อย่าให้มัน เจอดจองให้กับพระโดยตรงนั้นก้าจะทําเพื่อกินของเขาเองข้อแบ่งส่วนหนึ่งมาให้อย่างนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าบอกว่าตั้งใจจะฆ่าไก่วันนี้เพื่อเอามาถวายพระเขาบอกนี้เขาบอกรับไม่ได้ถ้าเจอดจองโดยตรงแต่ถ้าเขาทาเป็นปกติของเขาอยู่แล้วเขาเขาก็ฆ่าเป็นฆ่าไก่อะไรของเขาทำสกหรับเขากินประจำเขาก็แบ่งส่วนหนึ่งมาใส่บาทอย่างนี้เกาไม่เป็นปัญหาค่ะ เข้าใจค่ะโอเคนะค่ะขอบพระคุณค่ะบ้านใจกลับขอบพระคุณค่ะอคุณปรางเมื่อไรอยากซื้อชาแต่ทํางานที่โรงแรมที่บ้านอำเภอก็อยากจะบอกพักที่บ้านอำเภอก็ติดต่อได้ทำงานนั้นชื่อมีชื่อไปแล้วชื่อเลยในซองพัทยาในซองอยู่ตรงข้ามเทคนิควิทยาเทคนิคสถาบันอยู่ไม่ไกลจากที่มินดบาร์ได้ S <S ช่วงช่วงนี้ที่เส้นที่ยมมาจากอศรีราชาค่ะเขาก็ทําทางเมื <S <S ่อเช้ายโยมก็เลยเลยมีเวลายเยอะค่ะเลยเลยไปตักบาตแล้วก็เรีย ก, กเข้ามาทํางานช่วงนี้กขาจะขยายถนนนะช่วงสุโขมบริจากวัดยาไปสัตหีงขออนุญาตอัปเดตคุณะอาจารย์เส้นที่ทเคยไปคุยกับทางทางที่ว่าการอาเภอค่ะแล้วก็ เดินเรื่องไปที่ไปที่จังหวัดเนี่ยทางกรมทางหลวงเขาจะพิจารณาทำถนนให้ใหม่นะคะอคืไม่ทําสะพานอย่างารไ่ทำก็อาจจะเป็นการขยายถนนหรืออาจจะทําสะพานด้านบนแต่ว่าเล็กหน่อยเพื่อที่จะให้นักเรียนสามารถที่จะขี่มอเตอร์ไซค์เข้าเทคนิคได้นะค่ะพระอาจารย์ก็แจ้งพระอาจารย์ถึงกันบ้านนะคะ หลังจากที่ไม่ได้ไปปฏิบัติธรรมมาประมาณสองสิ์นะคะแล้วก็เมื่อจันทร์อังคารที่ผ่านมาโยมก็มีมีปัญหาที่มันเกิดขึ้นจากจากภายในจิตใจะคะ่ะก็คือมันค่อนข้างรุ่มร้อนแล้วก็ทะเลาะกับที่บ้านทีนี้ไปใช้เวลาที่ทำสมาธิค่ะวันแรกยังก็กลับไปก็ยังไม่ได้ผลก็ยังมีทะเลาะอันหนึ่บ้างพอเมื่อวานนี้กลับไปแล้วก็คิดได้เลยคะ่ะว่าเหมือนเหมือนที่ ที่พระพุทธเจ้าท่านท่านเคยตัดแจ้งว่าเราต้องเดินทางสายกลางบางทีเราปฏิบัติตึงไปะคะ่ะก็ทําให้คนที่บ้านเขาก็เข้าใจเราผิดแล้วก็มีปัญหาตอนนี้ก็ก็เลยปรับวิธีใหม่ะคะ่ะจากที่เราเคยตั้งใจไว้ว่าจะถือสิบแปดก็ก็ย้อนกลับมาเป็นสิบห้าก่อนแล้วกันก็คือให้ทางที่บ้านเขารับรับยอมได้ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นจะค่อยๆค่อยๆทําให้มากขึ้นใช่ถ้า<ต>มีถ้ามีผลกระทบต่อคนอื่นก็ต้องปรับค่ะ นั่งสมาธิก็มั่งได้ยาวค่ะเมื่อเมื่อวันนั้นก็มีทั้งทั้งยืนทั้งเดินแล้วก็ได้ไปที่พิพิธภัณฑ์ของของพระอาจารย์สายหลวงปู่ม่นนะคะก็รู้สึกว่าจิตใจมันก็ดีขึ้นมีความตื่นตันขึ้นแล้วก็มีกำลังใจในการปฏิบตัติอยู่วัดก็มันดีจริงๆเลยค่ะมันทำให้เราคิดอะไรได้หลายๆอย่างสวดีโอเ ค, คม่มีอะไรใช่ไมไม่มีค่ะพระอาจารย์ เดี๋ยวท่านต่อไปอาจารย์พรหมพิรลยสวัสดีจ้าสบายดีนะค่ะอาจารย์ค่ะครับอาจารย์ค่ะสบายดีค่ะอาจารย์สบายดีค่ะคลับมาจากกบีแล้วเหรอยังอยู่กระบี่ค่ะยังอยู่กบี่แล้วอยู่กรบค่ะกําลังสนุกสนานนะวันนี้ไม่ทานอาหารค่ะมาฟังแทนค่ะ เราอยากจะมีอะไรถามนิดนึงอะค่ะ <Okay. S 2> เมื่ากับการที่แล้วเนี่ย <c oughs> ก็ได้ไปเข้าประชุมมานะคะ <c oughs> แล้วก็เรื่องนี้ก็สนใจมานานแล้วก็คือพินัยกรรมชีวิตก็เหมือนกับพินัยกรรมร่างร่างกายนะคะ <c oughs> ที่แบบเออคนอย่างวัยอย่างอยงเราเราเงี้ยทําไว้หรือแม้แต่วัยเ <c oughs> ด็กเพื่อที่ลูกหลานจะได้ไม่ต้องมามามีกรรมหรือเป็นคนตัดสินใจว่า จะใส่ท่อจะเจาะค อ, อจะอะไรไหมยอย่างเงี้ยนะคะก็ตอนนี้ก็มีก็มีเอกสารออกมเยอะนะคะที่จะให้เราเซ็นเอาไว้ว่าไม่ให้ทำอะไรเราบ้างในใกล้ใกลวาสุดท้ายหรือว่าถ้าเราเป็นอะไรที่เราคิดว่าเราเราก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องอยู่แล้วนะคะสลากกายได้อย่างเงี้ยพระจารยเคยได้ได้รับฟังมาไหมคะ อ๋อมันก็อยู่ที่เราพูดกับลูกๆ ก, ก, ก็ได้ไม่เห็นต้องอทำพินีกรรมอะไรก็บอกเขาว่าเวลาแม่เป็นอะไรก็ไม่ต้องเอาเข้าโรงพยาบาลก็ได้หรือเข้าก็ไม่ต้องการที่จะใช้ท่อใช้สายใช้อะไรรักษาไปตามกับตามสภาพตามอาการกินยาฉีดยาไปถ้าอยู่ได้ก็อยู่ยไม่ได้ก็ไปก็สั่งเขาได้ ถ้าต้องทําวินัยกรรมมันไม่ทราบว่ามันจะมีน้ําหนักอะไรตรงไหนหรือเปล่าค่ะมันก็มีตอนนี้ก็มีนักกฎหมายเข้ามาเยอะนะคะก็มีแม้แต่คุณหมอบูรณะก็มีเอกสารออกมาส่งมาให้เหมือนกันว่าเดือนนี้ก็ทํากันค่ะก็แล้วแต่ถ้าคิดว่าทําแล้วทําให้เป็นไ ป, น ป, นปนตามจุดผสมที่เราต้องการก็ทําไปก็แล้วกันค่ะบอกก็เหมือนกับเออหมอมาถามลูกๆ ก, ก, ก็ได้ไม่ต้องตัดสินใจว่า เออจะ ต, ต้องยื้อชีวิตเราไว้ทําไมใช่ไหมคะมเราเป็นคนตัดสินใจชีวิตเราเองอมไม่ต้องยื้อไวอย่างเงี้ยนะเขาก็ไม่ต้องมาตัดสินใจก็ไม่ต้องมาเป็นทุกว่าเขาบาปหรือเปล่าที่ เ, <ร>เป็นคน เ, เราบ อ, บอกเขาก็ได้ไม่ใช่หรอพูดพูดบอกเขาว่าถ้าแม่เป็นอะไรก็ไม่ต้องมาไปทำอะไรต่างๆค่ะพอดีตอนนี้มัน เป็นคือก็พยายามจะให้ความเข้าใจกันใช่ไหมในหมู่ของคนอายุสี่สิบห้าสิบที่มีพ่ อ, อแม่มคือแล้วแต่พ่อแม่แต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะอาจจะอย่างเราก็รับได้ว่าชีวิตเราอย่างนี้นะจิตเราอย่างนี้เราก็รับอะไรได้ง่ายก็ลูกๆ ก, ก็เข้าใจไงใช่ไหมเป็นเรื่องของครอบครัวจริงๆมันไม่ต้องจําเป็นจะต้องมีกระสงองเอกสารอะไร ห, หรือเปล่า ค่ะบางครอบครัวก็ก็มีปัญหาเยอะค่ะเดี๋ยวนี้ทางด้านแพทย์เขาก็พยายามจ ะ, ะจะอดอกระสานนี้แล้วก็คนอย่างเราเราที่ที่พอศึกษามาก็พยายามที่จะทําอะไรให้มันกระจางขึ้นนะคะกฎหมายก็เข้ามาเกี่ยวข้องได้เยอะแล้วค่ะตอนนี้อกนนี้เราก็ไม่รู้แหละแล้วแต่ทําโลกอันนี้เป็นเรื่องของทําโลกค่ะคะทำอะไรไปได้ก็ทําไป เป้าหมายก็คือเราไม่ต้องการรักษาเกินเหตุเกินผลรักษาตามประการรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ปล่อยมันไปก็จริงๆก็ไม่ต้องอยื้อไว้นานเนี่นะคะเออข้อนี้กินยาฉีดยาอะไรไปอันนี้ออมาปว่านั้นก็ไม่ต้องทําไม่ต้องใช้เครื่องหายใจไม่ต้องใช้ เจาะคอเจ<ช><ห>าะ น, น้าเนี่ยอะไรถ้ากินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินเดี๋ยวไม่กินไม่ไม่กินสามวันเดี๋ยวมันก็ตายเองค่ะค่มีเท่านั้นอ่ะก็รักษาตามสภาพตามปกติเหมือนกับเป็นไข้แล้วก็ไปโรงพยาบาลเขาให้ยามากินเลยรไม่ผ่าไม่เจาะไม่อะไรทั้งนั้นไม่มีอะไรก็ไปอเอก็ไปทําหน้าที่แทนร่างกาย เครื่องหายใจเครื่องอะไรต่างๆสายลมสายยางอะไรไม่เราถ้าจะรักษาก็รักษาเป็ียนแต่ฉีดยาอะไรอย่างนี้อย่างขอยงพ<ว>ยงพ่นะอพพเราเวลาเข า, เขาจะเสียก็ก็พาไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอก็บอกว่ารักษากไม่ได้แล้วก็เป็นมะเร็งมันรบรรลามไปหมดนะ เ็บอกว่าก็ดำได้ก็เพียงแต่ให้น้ำเกลือให้ยากแก้ปวดอะไรผ่านสายยางเรากลับไปทนที่บ้านก็ได้ไม่ต้องอยู่ที่โรงพยาบาลก็เรากลับบ้านกลับบ้านในสามวันก็เสียชีวิตไปก็มีเท่านั้นอันนี้ก็แล้วแต่อาจจะได้จะได้ทำไปคุยๆกับเพื่อนๆดูะคะ่ะ ดีก็เราเพรามันใกล้ฝั่งแล้วนะเราพว่งเรื อ, กอใกล้ฝั่งแล้วจะ <c oughs> ทำพิธายกรรม <c oughs> <ะ>ไม่ยิ้ไม่ยิ้วไว้ค่ะจะทํพิธายกรรกับร่างกายนี้บ า, างคนก็บอกมอบให้ใหโรงพยาบาลไปอ <c oughs> สปากาชาติไปนี่อะไรก็ว่าไป <c oughs> <c oughs> มอบมอบให้โรงพยาบาลได้ไหมคะได้เราทำพิธายกรรมได้สปากาชาติหรืที่ไหนศิริราชหรือที่ไหนที่เราตุลาอะไรนี่ก็ เขามีรับบริจาคต่างๆลูกลูกประทาเลยค่ะลูกลูกทําก่อนเราเลยค่ะเพราเขาบอกว่าอวัยวะของเขายังแข็งแรงเขารีบจับเปิดบัญชีใช้ประโยชน์ได้ขอบคุณนะคะแล้วเราจะกลับกรุงเทพฯวะพรุ่งนี้ค่ะอมีค่ะโอเค สนุกนายให้เต็มที่ยังมีเวลาอยู่ตอนนี้โอเค okay. ไปท่านต่อไปคนพัฒนาจากบอวินนะกล่าวพระอาจารย์มีอะไรไหมก็มากราบพระอาจารย์ก็ค่ะเข้ามากล่าบพระอาจารย์ก็ค่ะได้ยินไหมเจ้าคะได้ยินได้ยินเชิญ <c oughs> ก็ตอนตอนนี้ก็เออ่ฝึกสติค่ะพระอาจารย์นั่งนั่งสมาธิได้ยังไม่มากเจ้าค่ะส่วนเอพอนั่งไม่ได้ก็พยายามเดินจงกรมเพิ่มขึ้นเจ้าค่ะอาจารย์อค่ะทําไมนั่งไม่ได้มันเป็นเพราะอะไรนั่งนั่งดูหนังนั่งอะไรนั่งได้นั่งทํางานนั่งได้นั่งสมาธิทำไมยังนั่งไม่ได้ค่ะยังคือพอ พอที่ก่อนหน้านี้เวลานั่งปุ๊บเนี่ยเราจะพยายามเหมือนกับบังคับให้มันเงียบพอเงียบแล้วมันกลายเป็นหลับอย่างที่พระาอาจารย์สอนไว้นะคะพระอาจารย์ก็เลยพยายามทําให้มันมีรมีความรู้ตัวแต่กตายไม่ว่าเราเดี๋ยวคิดเดี๋ยวคิดอย่างนะะี้ค่ะพระอาจารย์ก็เลยเทําให้มันนั่งไม่ทนนะคะอืมก็ยังไงก็ต้องพยายามนั่งท่าที่จะนั่งได้ะค่ะต้องฝึกนั่งต่อไปมันก็จะง่ายขึ้นทําให้นั่งเลยมันก็ยัง มันก็จะไม่ได้นั่งสักทีค่ะเดินยังกรเสร็จก็มานั่งต่อค่ okay. ะพยายามพยายามมีสติอย่างที่พระอาจารย์สอนว่าให้มีสติตอนนี้ก็ทําอะไรก็พยายามให้มีสติมีสติเพื่อที่ว่าจะให้ได้นั่งสมาธิได้นานขึ้นเจ้ะคะพระอาจารย์ <Okay. S 2> แล้วก็หยุดความอยากตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันความอยากมันมันลดลงหรือเปล่าไม่ทราบนะคะเพราะว่าพอเวลามัน ปกติถ้าถ้าเราเห็นว่ามันมีงานอันเนี้ยเราเราอยากไปเราอยากทําแต่พอมาระยะนี้มีความรู้สึกว่าเราไม่ไปก็ได้ะคะ่ะอาจารย์มันมันก็อาจจะเป็นเป็นเพราะว่าเราหยุดได้เองหรือเป็นเพราะอะไรไม่ทราบว่าเจ้าคะก็อาจจะเป็นเป็นพักๆ ก, ก็ได้บางช่วงมันไม่อยากไปก็มีเดี๋ยวบางช่วงมันไม่อยากไปก็ต้องคอยดูไปเรื่อยๆเก็บตางไปเรื่อยๆนะคะ อันนี้อาจจะไม่อยากไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ อ, อจอยากอาจจะอยา ก, ยากไปก<ร>็ได้ค่ะพ อ, อ, อะพอมามองว่าไอ้ข่าวถ้าแต่ก่อนทําไมเราถึงไอ้นั่นก็อยากจะทำไอ้ น, นี่ก็อยากจะทําแต่พอมาเที่ยวนี้ทําไมเรามองเฉยๆว่าอะเขาไปเขาไปทําการเราไม่ไปก็ได้อ่ะอย่างนี้นะคะ่ะพระอาจารย์มันก็เลยทําให้เราไม่ทุกข์ไม่ไม่หงุดหงิดราคาญใจจ้ะค่ะพระอาจารย์ออืพยายามตามยันตามไปเรื่อยๆ เค่ะทําแต่สิ่งที่จาเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นทําเพราะอยากทําก็ตัดมันไปเอาเวลามาเดินจงกรมนั่งสมาธิดีกว่าเจ้ค่ะพยายามพยายามฝึกตรงนี้ให้มากๆอย่างที่พระอาจารย์สอนก็พยายามจะทําน่าจะหยุดความอยากได้มากกว่าที่เคยเป็นเจ้าค่ะพระาอาจารย์ขอบพระคุณพระอาจารย์มากเจ้าค่<ส>านะ<า><ๆ>คุณอ้อมก็จะบอกวินเหมือนกันนะบอกวิน ค่ะน่มาสกการ์ค่ะพรอาจารย์อย่ไงไมีคำถามค่ะเวลาที่เราเจอคนที่เขาน่าสงสารแล้วทีเนี้ยเราไม่ได้ช่วยเขามันทำให้เรารู้สึกหดหูและค้างคาอยู่ในใจเราจะมีวิธีการคิดยังไงให้ตัดความรู้สึกนั้นไปได้คะพรอาจารย์ก็คือพิจารณาว่าเขามีกรรมเป็นของของเขา Mm hmm. เราทำกรรมอะไรไว้เขาก็ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นถ้าเราช่วยเขาไม่ได้ก็แสดงว่าเป็นกรรมของเขาที่ทำให้เขาที่ทาให้เราไปช่วยเขาไม่ได้ mm hmm. เราก็ทำใจวางไป็นุเบไปขาไป mm hmm. เราช่วยคนทั้งโลกไม่ได้ mm hmm. ช่วยได้ตามกำลังของเราตามเหตุตามปัจจัยของเรา mm hmm. ถ้ามันสูญวิสัยก็ต้องทำใจ ขอขาปล่อยวางว่ามันเป็นเรื่องของทุนของกรรมเขาเราจะให้พิจารณาสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจะทํากรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วแต่ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นอันนี้เขาจะต้องรับผลของเขาะถึงแม้เราอยากจะช่วยก็เข้าไปช่วยไม่ได้ค่ะอ่ อีกเรื่องค่ะพระอาารย์อันนี้สงสัยเอ่อถ้าสมมุติว่าเราไปถึงชั้นพรมแล้วคือมันปฏิบัติต่ อ, อยังไงถึงจะไปถึงนิพพานนะคะออแล้วแต่ว่าเราไปชั้นพรมแบบไหน <Okay. S 2> ถ้าเราไปชั้นพรมด้วยสติหรือนั่งสมาธิเข้าฌานเข้าูประชานะรูประชานี้มันก็จะไม่มันไปมันไม่ไปต่อมันก็จะอยู่ในฌาน เหมือนกันอยู่ในสมาธินิ่มๆเฉยๆเสร็จความสุขที่ได้จากความสงบเมื่อกว่าพลังกําลังของฌานมันหมดก็จะเลื่อนลงมาชั้นเทพแล้วก็เลื่อนลงมาสู่ชั้นมนุษย์มาเกิดใหม่จแต่ถ้าถ้าขึ้นไปชั้นฌานไปอยู่ชั้นพรมด้วยกําลังของปัญญาคือได้มนุษย์ขั้นพระอนาคามีขัณฑ์ทีสามนี้ก็จะ ถ้ายัางไม่ยังไม่ถึงพระนิพพานถ้าตายไปก่อนจิตก็จะไปอยู่ชั้นผมอยู่ห้าชั้นด้วยกันมีชื่อต่างๆค<ะ>อัตตาปาวิสอะไรเนี่ยลองไปอ่านอยู่<ะ>่คะและะ้วท่านก็สามารถปฏิบัติในชั้นผมได้เพราะท่านจะไปด้วยปัญญาอ๋อค<ะ>่ะท่านท่านปล่อยวางทา น, นะความโลภความอยากด้วยปัญญาได้อืม อันนี้ถ้ามันจะไม่กลับมาอนาคามีแปลว่าผู้ไม่กลับสู่โลกของกามอีกต่อไป mm hmm. ทา่ทานท่านพิจารณาปล่อยวางเรื่องกางได้หมดเรื่องกางมงคลห้าลูกเสียงกินนัดเรื่องอร่วมหลับนอนเสดกางกับผู้คลองนี้มันต้อ ง, mm hmm. งพิจารณาเห็นอสุภะอะไรต่างๆจนจิตทุกท่า น, นไม่มีการอารมณ์เง้อยู่อีกต่อไป ท่านก็เป็นมี็นการจะเป็นที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์มามีร่างกายเพื่อมาเสดการมท่านก็จะไปอยู่ชั้นพรมแล้วท่านก็สามารถปฏิบัติในชั้นพรมได้เพราะท่านมีมีมากพาไปนั้นท่านท่านรู้ทางของท่านนะท่านก็คอยไปแก้กิเลสที่ยังเหลืออยู่ในใจให้หมดไปคือสังโยชน์เบื้องบนชั้นละสังโยชน์เบื้องต่ํา้าตัวได้ละสักการะทิฏิ ยะ yeah, uh, วิจิตกิจชาละศีลนัตตาปารมาและกามราคะและปฏิฆาได้เพราะเขงางพวกนี้มันมีมีร่างกายเป็นเป็นตัวล่าให้ให้เกิดความอยากท่านพิจารณาเห็นเป็นไตรลเห็นเป็นอสุภะดังก็เลยไม่ติดกับร่างกายของตนแลือของผู้อืไม่สแสวงหาความสุขอยากอารเฉกดูเสียงกลินล่น mm hmm. ท่านไปติดกับ ความสุขจากรูปฌานหรือารูปฌานท่านก็ไม่ต้องไปตัดสัมยนต์ื่งวนที่ไม่อยู่อีกห้าคือรูป ร, ราคะความยินดีในรูปฌานอารูปราคะความยินดีในอรูปฌานแล้วก็อะไรนะตัวตัวหนึ่งก็คือตัวมานะการถือตัวท่ายัางถือว่า ยังมีตัวตนอยู่ยังในจิตยังถือว่าจิตเป็นตัวตนถือว่าเราดีกว่าเขาแย่กว่าเขาเท่าเขาอะไรนีแล้วก็มีอวิชชายังยังไม่ยังไม่เห็นอาาริยสั์สี่ครบถ่วนบริบูรณ์ยังยังมีความอยาก ที่ละเอียดยังยังยังมองไม่เห็นอยู่คือความอยากบรรุนิพพานนี่แหละเป็นตัวตัวที่ไป <c oughs> ก, ก็เป็นกิเลสเหมือนกันพอถึงขั้นนั้นมันก็ต้องไม่ต้องไม่ต้องปะหยากอะไรทั้ง น, นั้นนิพพานนิพพานก็ไม่นพออยากแล้วมันก็ทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมา <c oughs> อันนี้ก็เป็นช้ำยอดเรื้องบน ที่พระหาหนาคามีเป็นผู้ที่จะต้องเป็นผู้ก็ไปละอย่างผู้พระลุนดับอื่นขึ้นไปยังไปไม่ถึงขั้นนั้ น, นถ้าโสดาบัน<ม>อุตุชนที่จะเป็นโสดาบันก็ละสามตัวแรกก่อนสักกายทิฏฐิชีรพตัตตาปรมานมิจิกิชาเนะี่ยพอเป็นโสดาบันแล้วก็ไปได้อีกสองตัวกามราคะกับกับ ปฏิกาความราคะความยินดีในกามในรูปเสียงกลินรสปฏิกะความโกรธเหุมันปามาด้วยกันพาเกิดกามอารมณ์แล้วมันก็เกิดอารมณ์โกรธเหตุคนที่อยากจะเสกกามมันก็มกรธเหิดอารมณ์เสียง่ายอยากจะให้เราเสกกามก็ต้องพิจารณาอสุภะมองอาการชัที่สองมองร่างกายเวลาเป็นซากศพ ก็จะตทำให้ตัดกามอารมณ์นะกามราคะนะก็จะสําเร็จขั้นที่สองและที่สามขั้นที่สองนี่คือระหว่างกลางคือละได้บางส่วนยังละยังไม่ได้หมดบางเวลาก็ละได้บางเวลาก็ยังเกิดกามอยู่กามอารมณ์อยู่เพราะว่าไม่เห็ น, นสุภาพตลอดเวลาพอเวลาไหนเพลอไปเห็นว่ามันสวยงามปับมันก็เกิดกามารมณ์ขึ้นมา ถตาต่อไปถ้าสุภาเร็วขึ้นเร็วขึ้นพอเกิดพอเห็นอะไรสวยงามเป้าสุภาพก็จะเข้ามาทันทีมองทะลุเข้าไปข้างในมองเป็นซากสดไปมาแบบอัตนมัติ <c oughs> ก็ต้องฝึกไปด้วยต้องหมั่นพิจารณาอยู่เรืยมันถึงจะมาเมันท่องสูตรคูนนะ <c oughs> ถ้าไม่ท่อสูตรคูณมันก็จะจําไม่ได้พอเวลาจะใช้สูตรคูณนันงึดไม่ออกอันนี้ก็เหมือนการพิจารณาสุภาพอยู่เรื่อยให้มันขึ้นใจ จำได้ตลอดเวลาเวลาเห็นใครสวยงามปั๊บก็ทะลุเข้าไป ใ, ใต้ผิวหนัง เ, เห็นโครงกระดูกเห็นตัดตายไท้ผมเห็นเป็นซากศพไป อ, อันนี้ก็จะทําให้การอารมณ์ที่เกิดขึ้นดับทันทีก็คือถ้าสมมติว่าฝึกได้จนถึงได้ชานได้รูปประพมแล้วพอเหมือนตายไปแล้วอยู่ในรูปประพมสามารถพัฒนาต่อไปจนถึงนิพานได้ใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ได้แล้ว ถ้าไปเพอถ้าไปด้วยสติมันไม่มีปัญญาถ้าไปด้วยปัญญาคะ่ะพระอาจารย์ถ้ามีปัญญามันยอมทาต่อไม่กลับมาเกิดในพานาธามีแปลว่าผู้ไม่กลับมาเกิดในกามาพบนะท่านท่านก็จะเกิดอยู่ในรูปภพ ก, กับรูปภพแล้วก็สําเร็จนิพพานในภพนั้นไปค่ะนะอันนี้ก็คร่าวๆ เ, เป็นแผนที่รถแมป r o แม m หลังจากนี้เขานิยมใช้รถแมพใช่ไหมจะทำอะไรก็ต้องรู้ขั้นตอนค่ะก็ตอนนี้ก็ปฏิบัติบ่อยๆแล้วมันก็เหมือนเริ่มชินพอเราเริ่มชินแล้วเราก็ทำได้นานขึ้นแล้วก็อยากจะทำมากขึ้นค่ะพยายามทำให้มากๆแล้วมันจะเกิดฉันท่ามากขึ้นไปพอได้ผลนี่มันก็จะมีกำลังใจ ช่วงใหม่ๆจะตะขูตะขาหน่อยใ ห, หม่ต้องเคี้ยวเข็งต้องอย่าปล่อยให้มันทําตา ม, มานะอารมณ์ค่ะใช่ค่ะมันจะเป็นอารมณ์มากกว่าอตอนนี้ก็คืตอคต้องจัดตารางเวลาเลยค่ะแต่พอมันเริ่มได้ผลแล้วนี่มันก็เหมือนรถเริ่มสตาร์ตติดนล้วนี้มันก็วิ่งไปเองไนดะ้ไม่ต้องมาบังคับน ะ, ะที่บางทีต้องคอยเบรคมันบางทีอาจจะทําเลยเถอดค่ะก็ขยันเกิไดไป ไม่ยอมหลับไ ม, ไม่ยอมนอนเลยเํีร่างกายมันก็รับไม่ไหวก็ต้องให้ร่างกายได้รับผ่อนหลับนอนก็ก็อยากจะได้อัปปนาค่ะพระอาจารย์แต่มันก็เหมือนเป็นกิเลสก็เลยไม่ไม่อยากอยาก่าไปอยากได้อัปปนาให้มันอยากได้สติสติเถ้าได้สติแล้วได้อัปปนามันตามไม่ อขค่ะอ้อยากให้เจริญสติทั้งวันแล้วแต่ลืมตาขึ้นมาก็พูดโธเลยค่ะพูดโทแล้วน็วคอยดูว่าตอนนี้ร่างกายอยู่ในท่าไหนท่านอนลูกเคยมานั่งอยู่ลูกก็มายืนคอยจับตาอยู่กับร่างกายค่ะเดินเข้า้องน้ําบน้ําน้าหน้าเป็นวันก็อยู่ประมันไปอันนี้เป็นการเจริญสติแล้วเวลามีอะไรเข้ามาแล้วเราก็รู้ทัน ถ้ามีสติมันก็จะรู้ตันเีค่ะแล้วเราก็จะหยุดมันได้เลยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะถ้าไม่มีสติมันก็คล้อยตามไปกับมันเลยค่ะอะไรเข้ามาชวนก็ไปเลยวันนี้ไปเที่ยวที่นั่นดีไ้มที่นั่นนี่ทีนั่นนี่วันนี้ลดราคานะที่นั่นที่นี่ ค, ปปค่ะเช็คโปรโมชั่ตามค่ะส่วนใหญ่จะมีถ้ามีสตกิก็หยุดมันได้อืมันจะมีเหมือนอารมณ์มากระทบแล้วเราก็จะไปมีอารมณ์ตามมัน เอ uh, อารมณ์กบโมโหใชไม่รู้เฉยๆแล้วปล่อยวางคได้ยินก็ได้ยินเสียงแล้วก็ผ่านไปเห็นรูปแล้วก็ผ่านไปคไม่ต้องไปมีอารมณ์กับสิ่งที่ได้รับรู้ศักดิ์แต่ว่ารู้ไปด้วยสติพุทํามันไม่ยอมถ้ามันมีอารมณ์ก็ใช้พุโทโธพุโทโธหยุดมันก็ไดค่ะค่ะโอเคนะพอใจยัง เรตอนนี้มาใส่บาตรที่กูมาไปค่ะนวันวันเสาร์พระอาจารย์บอกว่าทำไมโลกจังแล้วไปบอกแฟนแล้วแฟนก็บ่าให้อีกแล้วก็เลยนั่งฟังทแล้วก็เลยรู้สึกว่าฟังมันไม่เข้าหูเลยมันมันเหมือนแบบคือคือคําพูดของแฟนของพระอาจารย์ไม่ไม่เท่าไหร่ค่ะแต่พอของแฟนมาพูดแล้วมันก็เลยเหมือนมันบล็อกเลยมันมันก็ไม่อยากฟังเลยทีเนี้ย โลภอะไรพูดอะไรคือคือเหมือนผ้าอาจารย์พูดบอกว่าเออทําไมโลภจารย์ที่เอาที่เอาแฟดไดอ่ะค่ะผ้าอาจารย์แต่แต่ว่าเหมือนอ้อมก็เข้าใจผ้าอาจารย์อยู่แต่จริงๆไม่ได้อยากไม่ได้โลภแต่คือเหมือนเอาไปเผื่อพ่อแม่อะค่ะแล้วทีเนี้ยแฟนก็เลยมาบอกแล้วแล้วพอดีเดินกลับมาก็เลยบอกแฟนว่าเนี่ยผ้าอาจารย์บอกแบบนี้แต่แต่อ้อมอะไม่ได้คิดอะไรแต่เหมือนแฟนเขาไม่เข้าใจไงคะเขาก็บอกว่าเนี่ย เดี๋ยวเอาไปก๊อปเอาเองก็ได้เนี่ยแฟรไดก็ตั้งเจ็ดสิบาทเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยเหมือนแบบเอ๊ะทาไมเขาพูดแบบเนีน้ทำไมเขาไม่เข้าใจเราก็เลยก็เลยเหมือนแบบก lay, ปกติจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วคเพราะความเห็นไม่ค่อยตรงกั น, น, นแล้วทีนี้ก็เลยท่าอาจารย์ก็ตอบคําถามไปช่วงตอบคําถามก็อืมฟังธรรมะไม่เข้าหูแล้วตอนนี้ก็เลยแบบอืม พยายามตอ<ล>นนี้แฟนได้ของรุ่นใหม่มาแล้วหนึ่งของปี63นะคะใครได้วันเสาร์นี้มาจากวันเสาร์นี้พี่คือเอาเสียงไว้ในรถคือขึ้นรถตอนไหนนี่คือเสียงพระอาจารย์มาก่อนเลย อ, อย่างนี้มันซีดีมันเล่นไม่ได้แล้วเครื่องเครื่องรถใหม่นี้ไม่มีที่เล่นซีดีแลยใช่ไหมเราใช้แัตรแทนซีดีก็มีค่ะพระอาจารย์บางบางคันก็มีบางคันก็บอกไม่มีค่ะแล้วก็ นะก็ถ้าอยากได้ตรีมของมุ่นใหม่หกสามนี่ก็ามาส่งวันนี้ละมีชายมาส่งเดี๋ยวจะแจกวันเสาร์อาทิตย์ที่ที่จะมาถึงนี่โอเคน ะ, คะท่านนี้ก่อนนะอะไรค่ ะ, ะ, คะขอบพระคุณค่ะคุณยินดีจาก USA south carolina วันนี้น้องชายก็มาใสา่บาทนะ มาใส่บอยนะที่ละสองสามครั้งยังไม่ได้เปิดไม้เลยยินดีกดกดอันนี้ก่อนฮะมี่ท่านอาจารย์เพราะว่าให้เขาอยู่ใกล้วัดอะค่ะแม่ต้องการอยู่ประสงค์แม่เขาอยู่แล้วอะค่ะอย่าไปบังคับเขามากจนเขาจะอึดอัดนะอาจารย์กันน้องอะจริงๆแล้วน้องอะค่ะคือเขาโตแต่ตัวแต่เขาความคิดเขา เหมือนเดแม่ก็ห่วงแต่ทําไงได้คะก็หนูก็ได้แต่เตือนแต่ถ้าเกิดก็อื่นแล้วหนูก็มากลางต้องทํานสายกลางมากเกินไปเดี๋ยวก็หักน้อยกินไปก็เนี่ยคือเวลาเตือนเวลาเขาจะทําอะไรที่มันมันมันไปในทางที่ว่าหนูว่ามันไม่สมควรแต่ก็เตือนไปแต่เขาจะฟังไม่ฟังก็เลยของเขาแล้วเนี่ยค่ะก็หนูก็เลย หนูก็เลยวางตามที่อาจารย์ท่านตามที่ท่านพระอาจารย์บอกอคะ่ะว่าเราเราเองอะ่ะเราต้องเราต้องปองตัวเราเองว่าอย่าไปก็คือทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับความอยากของเราเราต้องการให้เขาเป็นเหมือนตามที่เราต้องการแต่ ใ, <ช>ในเมืม่อเขาไม่ทำไมได้เขจะทําไม่ได้อ ะ, อะก็เหมือนกับแก้วน้ําที่กวมถ้าเกิดเราเตือนเขาไม่ฟังหนูก็ต้องปล่อยเพราะว่าหนูก็ไม่ หนูก็ไม่ทราบว่าหนูจะต้องทํำยังไงเหมือนกันนะคะท่านอาจารย์ทำให้ดีที่สุดทำเท่าที่ค่ะหนูก็ทําได้แค่นี้ค่ะถ้าอาจารย์ก็ต้องปล่อยนะคะถ้าเกิดถึงเวลาหนูว่ากล่าวว่าเดี๋ยวกลับไปได้แต่หวังว่ากลับไปคงมีอะไรที่มันดีขึ้นแต่หนูก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าถ้าดีขึ้นก็ดีขึ้นแต่ถ้าเกิดไม่ดีขึ้นก็คือหนูก็ต้องทําใจสายกลางก็คือทําให้ดีที่สุดก็ตามที่แม่สอนไว้สั่งไว้ที่แม่ก็ฝากเอาไว้ ก็ทําได้แค่นี้ค่ะใช่ถูกต้องนะอย่าไปทุกข์กับเขาทุกข์ก็ไม่เกิดประโยชน์อะค่ะก็ตามนี้ที่ท่านท่านอาจารย์เคยสอนถ้าอาจารย์คะอยากคำถามกับถามหนึ่งที่น้องอ้อมเขาเขาถามอะ่ะถ้าอาจารย์หนูคงต้องลาค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวช่างเข้ามาช่างเข้ามาเข้ามาเปลียนไปให้อะค่ะงั้นถัดเลยค่ะแล้วถ้อาจารย์หขอบคุณแม่ค่ะ โอเควันดีคุณกาลยาแอร้วยเนี่ยคุณกาลยาเชิญสวัสดีค่ะพระอาจารย์ยก็วันนี้อยู่ฝรั่งเศสค่ะที่ที่แล้วเ้เามาเป็นครั้งแรกแล้ว <Yeah. S 2> วันนี้ก็มาอีกเพราะว่าวันนี้ทำงานตอนเช้าถ้าวันไหนทำงานเช้าก็ได้มาฟังพระอาจารย์สดอย่างนี้ค่ะก็เลย มาฟังพระอาจารย์วันนี้กี่โมงทำไมบ่ายสองอ่เออบ่ายสองค่ะอะบ่ายสามค่ะบ่ายสามแล้วเนะเ อ, อ่บ่ายสามนี่นก็หนูก็ปฏิบัติปฏิบัติว่าที่ที่แล้วได้ฟังพระอาจารย์และถามพระอาจารย์เรื่องคุณแม่ไปก็ยังไลน์ไปเล่าให้คุณแม่ฟังหนูว่าวันนี้ได้คุยกับพระอาจารย์แล้วพระอาจารย์ก็ให้แสงสว่างมะ ก, ก็ไม่ทุกข์มากและเรื่องแม่แม่ก็หัวเราะชอบใจ ค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็วันนี้หนูก็มาตามฟังวันนี้ไม่มีไม่มีคำถามค่ะหนูก็จะพยายาม <c oughs> ปฏิบัติาตามที่ป้าจาย์สอบไปเรื่อยๆค่ะคือถ้าอยากยา่านหนังสือของเราเป็นที่ที่เป็น ท, ที่อยู่ในเว็บไซต์ที่สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่คำมาธฐาน .com ลองเข้าไปดูมีหนังสือต่างๆที่เป็นภาษาไทยอ๋อค <c oughs> ่ะค่ะ <c oughs> ค่ะแล้เราผ้าจย์มีเป็นภาษาอังกฤษไหะคะคือแฟนภาษาอังกฤษเรื่องเข้าไปพาสูชาต .com ภาสูชาต์ .com เป็นเป็นเขียนเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมคะพาสูชาตมีมีทั้งภาษาอังกฤษมีทั้งภาษาไทยเข้าไปพาสูชาต์ .com นี้มีทั้งสองภาษาทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษก็มีค่ะนี่หนูแพนเอาไว้ หนูกะว่าปีนี้ถ้าไม่ติดอะไรจะพยายามกลับเมืองไทยเดินกันยาถ้ามีโอกาสได้กลับหนูก็จะไปกราบพระอาจารย์พิวัตรค่ะได้เชิญเชิญค่ะขอบคุณค่ะพระจังหวัด น, นี้ค่ะไปที่ท่านต่อไปคุณหมอสอ า, าจารย์สายทิพย์จากมาสารคามเชิญตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่สารคามไม่อยู่ขอนแก่นตอนนี้อยู่สารคามค่ะกลับนมัสการพระอาจารย์ค่ะ อาจารยไ์ได้ยินชัดดยูยใช่ไหมคะชัดเจนชัดเจนอืมค่ะช่วงนี้อยู่ที่เอ่อมามา ม, ามาสอค่ะสารครามเพราะว่ามีมีสอนค่ะใกล้ก้สอบไฟนอลค่ะช่วงนี้ทำงานค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็เอ่อพองานเยอะค่ะก็อาจจะได้นั่งสมาธิไม่ไหวค่ะเช่นบางวันนอนห้าทุ่มทำงานค่ะอาจารย์ก็เลยใช้วิธี ทบทวนไม่ให้มีเหมือนไม่ให้มีกรรมทางกายวาจาใจค่ะไม่ให้ทำชั่วทางด้านสามสามด้านนี้ค่ะแต่ว่านั่งสมาธิแบบต่อเนื่องทุกคืนเนี่ยมีบางวันต่ไม่ได้นั่งค่ะเพราะว่าเหมือนทำงานดึกใช่ชีวิตการทำงานนี้มันก็ค่อนข้างนะเอาใช้เวลามากเวลาที่จะมานั่งสมาธินี่หาหายาก ค่ะก็รอวันหยุดก็แล้วก uh ันช่วงไหนวันหยุดก็ทำค่ะอย่างวันนี้วันนี้จริงๆก็ก็ต้องทําแต่ว่าขอเข้ามฟังทําพระอาจารย์ก่อนเดี๋ยวค่อยไปไปทําต่อค่ะขอขอพักอ่กเตรียมสอนเตรียมข้อสอบก่อนขอมาฟังก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยไปลุยต่อค่ะมีมีคําถามคําถามหนึ่งค่ะมีวันนึงฟังนิสิตเขารายงานทางออนไลน์ค่ะพระอาจารย์แล้วเราก็อ่า เหมือนดูธรรมะในส่วนนึงไปทางทางไอของเฟซด้วยค่ะแล้วหูมันก็เสียงของเด็กหายไปเลยค่ะเหมือนเรามาจดจออยู่อีกที่นึงเหมือนเขาเล่าอะไรให้เราฟังแล้วก็บบเอ่อเราก็ไม่ได้ยินไปเร็กค่ะแล้วก็พอเราหายสนใจเรื่องที่ เ, เป็นธรรมะในไอเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราค่อยกลับมาเราค่อยได้ยินเสียงเขาพูดต่อค่ะอ่าก็จิตเราเข้าข้างในกังไงไม่ได้ยินเสียง ค่ะอันนี้ก็คืออาจจะเป็นผลตักสมาธิด้วยใช่ไหมคะอ่าใช่มันอาจจะเข้าไปหลบตัวอยู่ในสมาธิอึงไม่ได้ยินเสียงค่ะไม่ได้ไปคิดเรื่องอื่นเนาะเวลาที่ไม่ได้ยินเสียงไม่ค่ะเหมือนเหมือนเราตดต่ออยู่กับเรื่องที่เราอ่านแต่เป็นเป็นธรรมมาค่ะแล้วก็เหมือนที่เด็กเขากําลังคุยให้เราฟังแต่ว่ามันเป็นแบบอ่า มันเหมือนเป็นเขาพูดไปเรื่อยๆค่ะไม่น่าฟังแล้วก็หายไปเลยแล้วเราก็ถึงมาได้ยินว่าเขาก็เหมือนแบบเป็นเสียงเขาต่อมาทีหลังก็คืออ๋อเสียงเขาหายไปเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็ค่อยมาฟังเขาต่อค่ะก็ไม่มีอะไรเสดงว่จิตกําลังจดจ่ออยู่กับเรื่องที่เรากําลังคิดอยู่ใช่ไหมค่ะหรือว่าหรือมันเฉยๆไม่ได้ยินไม่ได้รับหรืออะไรค่ะ เสียงเขาหายไปเลยค่ะแล้วอีกอันนึ่อถ้าผลทางด้านปฏิบัติค่ะอาจารย์ก็คื อ, อเราเวลาที่คุยกับเพื่อนถ้าเราเพื่อนเขาพูดเหมือนพูดเล่นแต่ว่าเป็นพูดเล่นที่แรงๆถ้าเป็นคําพูดเนี้ยปกติสมัยก่อนเราจะเสียใจค่ะแต่คราวนี้เราเห็นแล้วก็อ๋ อ, อก็คงพูดเล่นเนาะแต่ว่าก็ไม่เอามาเป็นอารมณ์เหมือนแบบนี้ก็คือสิ่งที่คนอื่นแสดงหรือว่าพูดอะไรกับเราเราก็วางเฉยได้มากขึ้นค่ะ ทำให้ใจเราสงบมากขึ้นไม่ค่อยเอามาคิดมากค่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ที่ดีขึ้นสําหรับตัวเองค่ะจากแต่ว่าได้ยินไม่ต้องไปมีอารมณสิ่งที่เราได้ยินค่ะปล่อยได้มากขึ้นค่ะที่เหลือคงเป็นเรื่องของนั่งสมาธิค่อยค่อยจะพยายามพยายามต่อไปค่ะแต่ว่าคงผ่านช่วงนี้ที่ร่างกายเหมือนไม่ไม่ค่อยเหนื่อยแล้วก็น่าจะนั่งได้ดีขึ้นค่ะอื อยายังทำไปเรื่อยๆนะค่ะรายงานพระอาจารย์เท่านี้ค่ะสาธุสาธุค่ะพรรดาจากสัตยิปเทวุลัยเชิญกันมาสักครังค่ะอ๋อตอนนี้ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์ยังยังอดอาหารในวันพระอยู่รอเปล่าวันพระเนี่ยบางครั้งก็หนึ่งมื้อบางครั้งก็อดเดี๋ยวแต่ว่าอาทิตย์นี้น่าจะเป็นพรุ่งนี้แทนอื จดเฉแทนเพราะว่าเดี๋ยววันพระต้องไปแต่งจังหวัดก็เลยอได้เราเราเราตั้งตำหนดวันพระของเราได้ไม่จําเป็นจะต้องทําการตลาดเสมอไปค่ะแตกได้สัปดาห์ละครั้งได้วันไันที่เราสะดวกแล้วก็เอาวนั้นเป็นวันพระไปรักษาความพอดีอะค่ะอาจารย์บอกเพราะเรายังเกี่ยวข้องกับคนอื่นอยู่ถ้าเรามีคนเดียวไม่ยุ่งกับใครก็เราก็สามารถทำอะไรตามใจเราได้เต็มที่ ค่ะอ๋ <laughs> อแล้วเมื่อตอนตอนบ่ายสองหนูได้ยินเอ่อเทศพราะจานทร์นะคะ่ะแล้วมีเขาถามว่าห้ามไม่ไม่ควรใส่ผลไม้ ท, ที่ที่มีเม็ดใส่บาละคะ่ะอ๋อไม่คืออย่างนี้ผลไม้ที่มีเมล็ดเนี่ยมันเป็นผลไม้ที่เถทว่ายังไม่ตายค่ะเน้เวลาใส่บาได้อยู่แต่เวลา ถวายให้กับพระเช่นถวายที่ศาลาอะไเงี้ย oh. ท่านจะถามท่านจะให้ทํากับเปียนกคารุพีคาว่ากับปียนกคารุพก็คือว่าทําทให้พระบริโภคได้หรือยังไม่ได้ oh. จะทำให้พระบริโภคก็ถ้าเป็น <c oughs> เป็นผลไม้เช่นเงาะอย่างนี้กั บ, บเปลือกเปลือกมันสักลูกอย่างก็บ่กเมื่อนกัฆ่าฆ่าผลไม้ให้มันตายอ๋อได้แล้ <c oughs> จะได้กินได้หนูเคยใส่ส้มไงหนูคย ถ้าเป็นส้มก็ฉีด <c oughs> เปลือกมันออกสน่อยนิดหนึ่งท<อ>ําเป็นวิธีได้้ค่ะทําให้มันตายก็ยังถือว่าเป็นของมีชีวิตอยู่สมัยโบราณก็ถือว่าของพวกนี้มันยังขึ้นได้เพราะนั้นมันพอไปปลูกลงดินมันก็ยังขึ้นได้ยังถือว่าเป็นของมีชีวิตถ้าพาไปไปกินส้มก็ถือว่ากําลังกินของมีชีวิตค่าเป็นเป็นปาณอธิบาตไป ก็พยายามทําค่ายมันตายก่อนด้วยการฉีกเปิดกมันออกแคหน่อยเป็นพิธีอ๋อจ้ะค่ะแต่ทางภาคการนี้เราจะไม่ค่อยได้ทํากันทางภาคอีสานนี่ก็จะทํำกันทางภาคกลางนี่เขาเขามักจะปอกเปลือกผลไม้แล้วแกะเมล็ดออกแล้วถายแบบแบบไม่มีเมล็ดเลยอย่างนี้ก็ได้อ๋อค่ะจะได้สับไปแถ้าใส่บาตนี้ก็ใส่ไปได้ไม่เป็นไรหรอกสมนักลูก นนูเคยใส่หนูเลยคิดอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพระเขาเวลาจะฉันก็จะให้ลูกศิษย์นี้ทําทํากัปปิยะให้เ้าเลยว่าอ๋อคีดเปลือกให้หน่อยขีดเปลือกให้หน่อยค่ะมีท่านนี้ค่ะพระอาจไม่ต้องกังวลนะคือขอเนี่มันยังไม่ตายคือเช่นผักชีเนี่ยท่ายังมีเล่าอยู่เนี้ยจะาไปจะเอาไปหลวงดุมมันก็ยังขึ้นได้เก็เลยต้องให้มัน ตายด้วยการหักมันหน่อยหักกันมันขาดหรือพวกคลิกเนี่ยพลิกที่มันมีะมะเมล็ดนี้ก็ต้องต้องดัดต้องหักมันหน่อยก็คือฆ่ามันฆ่ามันโดยเป็นพิธีฆ่าโดยพิธีทำให้มันตายเท่านั้นเองเพราะว่าสมัยก่อนเขาเชื่อว่าเป็นของมีชีวิตแล้วถ้าผ้าไปกินของที่มีชีวิตก็ถ้าเอาไปฆ่าของที่มีชีวิตอืะไร พาะเจ้าก็เลยบอกว่าให้ญาติโยมฆ่าให้ก่อนเหมือนกับเหมือนกับเวลาที่ไปซื้อของตายมาทำกับข้าวนี้เขต้องค่าก่าอนเนะี่ย <c oughs> เขาเรียกกับปิยะเนี่ยทำบิทากัปปิยะเวลาญาติโยมถ้าแถวภระกิสานี่เวลญาติโยมเาของที่เป็นผลไม้อะไรนี้มาเวลาจะถวายพระจะถามวากัปปิยะกัโรหิ ทำให้ทำให้ฉันได้นิยมยานโยมก็ถ้าเป็นส้มก็อปอกเปิกสักลูกหนึ่งเป็นตัวอย่างแล้วก็กลับไปย่าันเตทําให้สันได้แล้วค่ะครับอ๋อค่ะอาจารย์แต่ทาง้า <c oughs> กลางนี่ก็จะนิยมบอกเปลือกแกะอะไรเม็ดออกให้เลยถ้าเป็นผลไม้ต่างๆจะมีแต่เนื้ออย่างเดียวค่ะปอกปอกเรียบร้อยเลยเลยค่ะ ทางภาคกลางเลยลเมันก็ไม่ไม่มีธรรมเนียมกัปริยะกันในทางภาคอีสานทำสายปฏิบัตินี้เขายังมีธรรมเนียมนี้อยู่ต่ค่ะโอเคนะค่ะ ข, ขอบพระคุณจ้าค่ะคนจากซอยดาวเลยชื่อจําไม่ได้แล้วคราวที่แล้วบอกสวัสดีค่ะชื่อ<า>ะ อ, อ, อะไรอนดวงพันเดชค่ะซื่อตาสันดวงค่ะสันดวงพันเดช สอนดวงอ่า เ, เป็นยังไงอยู่สวรรค์เขใช่ไหมใช่แล้วค่ะก็ยังก็ยังไม่พัฒนาก็ยังเหมือนเดิมะนะคะอาารก็ไม่เจริญสติให้บ่อยขึ้นไป่อยังเจริสติจะมีความความความเศร้าหรือว่าความทุกข์นะคะอาสารเกิดขึ้นต้องพุทธโธไปเลยเวลาเศร้าเวลาเวลาฟุ้เนี่ยพุทธโธพุทธโธพุทธโธเดี๋ยวเดียวห้านาทีมันก็หายเศร้า หัดท่องพุทโธพุทโธไว้ไปในใจยอยู่เรื่อยๆพอเกิดอารมณ์ขึ้นมาก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวเดียวอารมณ์ก็จา่ายและมีความกลัวแบบว่ากลัวแบบเหมือนกกลัวก็พุทโธพุทโธกันอือันนี้ขั้นสติถ้าจะใช้ปัญญาก็ต้องพิจารณาว่าทุกอย่างไม่เที่ยงไม่กลัวอะไรร่างกายมันเดี๋ยวก็แก่เจ็บตายไป กลัวไม่กลวมันก็แก่เจ็บตายเท่ากันกลัวให้ขาดทุนบอบบางกลัวให้ทุกขไปบอบบา<ฆ>อันนี้ใช้ปัญญาคือยอมรับกับสภาพเหตุการณ์ที่จะต้องเกิดขึ้นกับร่างกายของเราร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นอของใครถึงเวลามันก็ต้องตายเ้วยกันนะอยาจะหายตลัว<ฆ> ก็ไม่มีอะไรครับอาจารย์ก็รับฟังเดี๋ยวอ่านชื่อกสอยดาวนะสอนดวงพรเดชสอนสอ น, สอนดวงอสอนดวงจำได้ก็ได้ถ้าจำไม่ได้ก็ขอไปนะฮะ่านหน้าไม่เป็นไรครับอาจารย์คุณนกจะถามอะไรหรือเปล่าเราจะฟังยืดเฉืคุณนกณนกปิยะดา ไม่ถามนะอ่าอไม่ได้ยินเสียงนะอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้บอกคอมพิวเตอร์ using computer เวลาเข้ามามันก็เลยไม่มันจะไม่เปิเปดได้มีคำท้ามว่าถ้าไม่มีกระบบมือให้รู้ว่าไม่มีถ้ามีก็ต้องกลับเข้ามาใหม่ไม่ได้ยินเสียงนะเสียงไม่เข้ามา ถ้าอยากจะถามก็ต้องเข้ามาใหม่ออกไปแล้วเข้ามาใหม่แล้วเราเข้ามามันจะให้ used computer audio กดเข้ามานะเดี๋ยวไปที่ท่านต่อไปคุณจอยจากพทัทยาเชิญอ่อาว่ายังไงครับผมชื่ออะไรลูกชายผ้าอาจารย์เรียกเขาหรือยังชื่ออะไรชื่ออะไรครับบอกผ้าอาจารย์น่ะชื่ออะไร เอชื่อสุขสรรครับสุขสรรอ่<ะ>สุขสรรอาทิตย์นี้จะไปสายวันหรือเปล่าไปค่ะไปวันอาทิตย์เหรอวันาอาทิตย์นะวันที่วันพระพอดีก็เลยไปวันอาทิตย์อ่าพาลูกสาวไปด้วยสองคนง ไ, ได้ไหมเนี่ยก็อาทิตย์ที่แล้วเขามานอนเขาเรียนหนักแล้วคนนี้เขาก็ง่วงอ่าไม่เปน็นไรไปได้ก็ไปไปไม่ได้ก็ไันเป็นไรอ่อาค่ะวันนี้ ข้ามอฟังเฉยๆค่ะปฏิบัติปฏิบัติตลอดค่ะพยายามแบบมีสติให้ได้ตลอดเวลามีสติคอยควบคุมอารมณ์แต่ว่าชอบหลุดตอนเลี้ยงลูกค่ะพระอาจารย์ก็ไปยากมากเลยดปยาก็ปยากเพราะว่าลูกไม่ได้แต่งใจต้องมีอารมณ์นะคะเอากาวพระอาจารย์ก่อนเดี๋ยววาที่ไปใส่บาตร่ะาจ้าทุจ้คุณจะได้คุยได้คยจัพระอาจารย์นี่ คุณสทัานสนกับลูกสาวชื่ออะไรลูกสาว้องฟ้าค่ะลูกฟ้าเลอท้องฟ้าค่ะมีอะไรไ้ยวันนี้วันนี้ไม่มีเจ้าค่ะอยู่ที่ไหนอยู่ที่นนบุรีไหมอยู่ที่ปทุมธานีค่ะปทุมธานีโอเคเั้นกวไปที่ท่านต่อไปนะคุณมาลีเชิญ เ<ข>สียงไม่ค่อยได ย, ยินเลยเสียงเบาไปหน่อยได้ยินไหมคะหลวงพ่อได้ยินนะค่ะวันนี้หนูเพิ่งกลับมาสักพักหนึ่งเนี่ยวันี้รีบวันนี้หนูขอรายงานการปฏิบัติอาทิตย์ที่ผ่านมาหนู เ, <อ>เหมือนใกล้ไปหน่อยได้ไหมคะค่ ะ, ะได้ยินไหมคะได้ยินดีแล้วค่ะคือปฏิบัติแล้วเนี่ยเหมือนเหมือน มันยังไม่ได้ในเวลาที่แบบที่หลวงพ่อเคยเทศสอนว่ามันต้องได้ตามที่เราต้องการอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่ได้ขนาดมันนะคะหลวงพ่อแล้วทีเนี้ยพอดีอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยหนูก็มีเรื่องวุ่นวายคือเรื่องงานหนูไม่มีความสุขกับสิ่งที่ไอ้ตำแหน่งไอ้ลาไปยศอะไรที่เขาให้หนูมาเนี่ยหนูรู้สึกเป็นทุกข์มากเลยค่ะแล้วก็ต้องโดนโมูฟงานไปอยู่ใน ในกลุ่มที่ที่เราไม่เคยไปอยู่เนี้ยคะ่ะหลวงพ่อมันก็เหมือนมีเรื่องมาบรบกวนใจเราแต่หนูก็อาศัยว่าไม่ทิ้งปฏิบัติหนูก็ยังขึ้นไปปฏิบัติทุกวันคือยิ่งทุกหนูก็ยิ่งเข้าไปทางเนี้ยอย่างเดียวอะคะ่ะหลวงพ่อต้องต้องต้องแก้ความทุกข์ด้วยแล้วความอยากคือเราอยากจะอยู่กับกลุ่มที่เราชอบกลุ่มที่เราไม่ชอบเราไม่อยากอยู่เราต้องแก้ตัวนี้ เหมือนหนูต้องไปอยู่ก right yeah, ับกลุ่มคนที่หนูเป็นคนชอบทํางานแต่ว่าต้องไปอยู่กับกลุ่มคนที่มันเหมือนแบบมันไม่ค่อยจะใส่ใจอะไรเงี้ยเท่าไหร่นะคะเราก็ต้องทําใจทําใจเพี้ยไม่ต้องอยู่กับอะไรก็ต้องทําใจอย่าไปอยากอยากไม่อยู่อยากไม่อยู่กับเขามันก็เลยทุกข์คือเจ้านายเขาก็ให้ไปเหมือนไปให้จับไปอยู่ตรงนั้นเพื่อให้ไปดูงานตรงนั้นอะไรเงี้ยแล้ว แล้วมันก็เหมือนมันก็จะได้เป็นการทดสอบเป็นข้อสอบของเราไปมันก็กลายเป็นมันนกลายเป็ความกดดันค่ะหลวงพ่ อ, อแล้วทีเนี้ยหนูก็เลยมันไม่มีความสุขกในสิ่งที่เราได้รับมาทีเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันมาลบกวนสมาธิหนูะค่ะหลวงพ่อแล้วแต่อย่างวันเนี้ยมันมีมีมีเรื่องมีราวเนี้ยหนูก็ คือถ้าเป็นเมื่อก่อนนะหนูก็อาจจะร ะ, ระเบิด ล, ลงไปแล้วอะไรเงี้ยแต่หนูก็นึกในใจถึงสิ่งที่ว่าเออเราไม่สามารถจะไปควบคุมกับคนบางคนที่เวลาเราพูดอะไรไปแล้วเวลาเขาตอบโต้เรากลับมาเราก็ไปคุมเขาไม่ได้ว่าเฮ้ยเราอยากจะให้เขาพูดดีกับเราให้ทำอะไรเงี้ยหนูก็สงบใจลงก็ก็ก็ฟังรับฟังเขาอะไรประมาณเนี้ยค่ะหลวงพอ่อแล้วพอถึงเวลาหนูก็ คือกลับไปนั่งทําใจตัวเองเพราะว่าเราไปบังคับคนอื่นไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อออันนั้นแล้วต้องมาเปลี่ยนใจเราอย่าไปสังเกตยจงางานที่เราต้องทําชำ เ, เขามอไว่เราทํางานแล้วเราก็ต้องรับไปอย่าไปทา อ, อ, อย่าไปเรื่องที่รักมากที่ชังคือเราเคยอยู่ตรงนี้มาเกือบยี่สิบปีเราก็ทําตรงนี้มาเขาก็มองว่า น่าจะไปจัดการตรงเนื้นตรงนี้ได้อะไรเงี้ยคือหลวงพ่อบางอย่างาคนเรามันไม่ได้มันไม่ได้ทุกเรื่องอะไรเงี้ยพระหลวงพ่อหนูก็รู้สึกขัดใจรู้สึกมันกระทบกับเรื่องการปฏิบัติของหนูว่ะค่ะหลวงพ่อมันลบกนใจ<ข> อ, นอ่ะเราไม่รู้ว่าเรากําลังทําข้อสอบอยู่เนี่ยข้อสอบของเราก็คืออันนี้จำไม่มีอะไรทิ้งแท้แ น, น่นอนค่ะหลวงพ่อมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆนี้เรา<อ>ไม่ยามรับการเปลี่ยนแปลงมันก็เลยทุกข์ ค่ะหลวงพ่อเราต้องรับการเปลี่ยนแปลงมาเป็นเรื่องธรรมดาค่ะไม่มีอะไรที่ท่งแท้แน่นอนอางานที่เราเคยทานี่ถือว่าเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปเป็นอีกอีกอย่างแล้วใช่ค่ะเ ร, เราก็ต้องปรับใจให้เข้ารับกับงานใหม่ค่ะหลวงพ่อถ้าเอยากจะให้มันเหมือนเดิมเราก็จะทุกข์อมไม่เหมือนเดิมแล้วคือมันต้องไปเหมือนไปเริ่มงานใหม่แล้วก็ต้องต้องไปต่อสู้กับคน ค น, นมันก็เลยรู้สึกว่าคือสู้สู้สกับหมายความว่าทำใจเรายัางไงให้ยอมรับสภาพแล้วให้ปรับที่ที่ตัวเราให้มันมีแบบมีสติว่าเราจะสามารถทำด ำ, ำเนินต่อไปได้ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะหลวงพ่อพรเจ้าบอกให้ทำตัวเหมือนแผ่นดีนทำตัวเป็นเหมือนกับเป็นเป็นลูกลกน้องเป็นลูก เรไป <S <S อะ ไ, ไ, ไรก็ยังไงก็โอเคจะเดินจะเหยียบจะย่ำจะอะไรก็ก็แล้วประมาณ<ล>นั้นใช่ไหมคะหลวงพ่อใช่อย่าไปถือตัวว่าเราจะต้องไม่ได้เลยค่ะหลวงพ่อแต่เรื่องการปฏิบัติของหนูว่ามันคือพอพอเราตัดใจได้เนี้ยหลวงพ่อมันก็แบบมันก็นิ่งอยู่คื อ, ค, อคือรู้เลยว่าไอ้ร่างกายของเราเนี่ยมันมันแข็งเหมือนเหมือนท่อนไม้เหมือนอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมัน ไม่ถึงจะสงบแบบจิตรวมดิ่งไปอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อมันยังมันยากจะรูมนี่มันต้องไปอยู่คนเดียว่มันมีสติอย่างต่อเนื่องถ้าชีวิตทํางานนี้โอกาสจะดิ่งนี่คงยากมันเป็นยากค่ะแต่หนูไม่ได้ทิ้งนะคะหลวงพ่อหนูก็ยังลุกขึ้นมาตีสี่ปฏิบัติก่อนนอนปฏิบัติไปถึงออฟฟิศพอมีเวลาหนูก็ยังยังทําอยู่ค่ะหลวงพ่อกปฏิบัติอยู่ก่อนใช่ค่ะ ปฏิบัติเวลาปฏิบัติจะได้เวลาไปอยู่คนเดียวจะได้ปฏิบัติได้เต็มที่ไม่ต้องมาเริ่มต้นค่ะปฏิบัติทุกวันไม่ได้ทิ้งเลยสักวันนค่ะหลวงพ่อออปฏิบัติ <ทำ S 2> ตลอดอ ย, อย่าไปหวังผลเกินเหตุนะเข้าใจไหมข่าหลวงพ่อยินดีตามตามตามตามีตามเกิดผลได้เท่าไหร่ก็ถือว่านี่ยแหละมันเป็นเพราะว่าเหตุแล้วมีเท่านี้มันก็ได้เท่านี้แหละข้าหลวงพ่ออืม ก็คือสิ่งแวดล้อมอย่างแล้วก็สติของเราอย่างหนึ่งถ้าสิ่งแวดล้อมมันวุ่นวายสติของเราก็จะรักษาได้ได้ยากค่ะถ้าไม่วุ่นวายที่มันเงียบนี่การรักษาสติมันก็จะง่ายครับผลมันก็จะดีคตอนนี้ก็เหมือนเธอว่าเหมือนกับขับรถอยู่ใต้ทางด่วนจะให้มันรีบไปไหนไปเมืนน่อใดเดี๋ยวก็ติดสีแยกไฟแดงเดี๋ยก็นวดกับรถอะไร มันก็มันเหมือนต้องไปรอหยุดร อ, อขยับไปรออย่างเงี้ยค่ะพอจะพอจะไปได้หน่อยอ่ะเมติดต อ, อ, อีกใชต่ต้องขึ้นทางโดดนนะมันถึงขยัยไปได้อย่างรวดเร็วเราเดิก็คือไปอยู่คนเดียว <c oughs> ห, น ห, นหนูก็หนูหนูยังคิดคิดอยู่ว่าถ้าสมมุติว่าไม่ไหวหนูก็จะกะว่าจะทิ้งไปเลยอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นว่าหนูไม่สู้ มันไม่ไม่จริงหรอกไม่จริงหรอกแสดงว่าเรามีปัญญาแล้วมาสู้ทําไมสู้แล้วสู้มันได้เลยสู้มันสู้จริงๆต้องไปไปไปปีกเววิงที่เราไม่ไปนี่แสดงว่าเราไม่สู้เรายังกลัว อ, อยู่ <c oughs> ยังไม่กล้าไป <c oughs> ใช่ที่หนูเคยอทยิตเที่้วหนูเคยถามหลวงพ่อว่าที่เราเรา <c oughs> ให้เราคิดกลับใจเราไปใอ้คิดว่าถ้าเราไปแล้วแสดงว่าเราไม่สู้น <c oughs> ั่นพระพุทธเจ้าก็ต้องอยู่ในวงังดอกไปสิ ถาสู้อ่ะไม่สูหว่าถ้าไปแล้วถ้ามันไม่มันไม่ได้มันไม่สำเร็จแล้วจะทำยังไงอะไรเนี้ยพ่ออ๋ออย่าไปกังันอดไปแล้วก็ไปแบบทุ่หมกอข้าวเลยไม่ต้องไม่สำเร็จก็ไม่กลับมามันไม่ไม่ไปทางกลับมาแล้วไปมีแต่ลุยไปข้างหน้าทางเดียวมันงองจะสำเร็จคือถ้าตั้งใจแล้ว ต้องต้องมุ่งไปอย่างเดียวถึงจะสําเร็จใช่ไหมครับหลวงพ่อสู้ไม่ถอยหนูตาหมาบวนสู้ไม่ถอยจะจะอยู่สู้ก็แต่เมื่อหมดลมหายใจนะถ้าอย่างนี้ถ้ามันไปเดี๋ยวมันก็ไปถึงเองแต่ถ้าอยู่แบบนี้มันก็คือแค่นี้ใช่ไหมครหลวงพ่อมันก็เหมือนขับรถใต้ทั้งด่วนอย่างนี้เสียไฟแดงติดรถนู่นติดรถนี่ ก็ดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพุทธธรรมสันนัตฉามิใช่ไหยค่ะพ ร, ร, ระพุทธเจ้าเป็นแบบฉบับของเราสังฆธสรมังนัตฉามิท่านเป็นยังท่านก็ออกบวชกันเมื่อไหรค่ะท่านก็ทิ้งทุกอย่างพระหมดทุกอย่างคน้อย<ต>คนที่เป็นกาลว่าแล้ว เ, เป็นเป็นบรรลุธรรมได้มีบ้างแต่ด้านพวกเป็นพวกพิเศษพวกมีบุญเก่าเยอะพวกนี้พอได้ยินธรรมจากพุทธเจ้าป่ะบรบรลุได้เลยบวชได้เลยออื โอกาสของคนทั่วไปอย่างเงี้ยมันยากยากแบบแทบมองไม่เห็นเลยใช่ไหมคะหลวงพ่อก็ได้ตั้งที่ทำได้อย่างที่เป็นอยู่อย่างนี้มันก็ไม่มันมันจะไปมากกว่านี้ไม่ได้เพราะเหตุมันไม่มีเวลาที่เาปฏิบัติมันไม่มีมันมีเท่านี้มันก็ผลก็ได้ท่างนี้เหมือนปลูกปลูกต้นน้อยสิบต้นมันก็ได้ผลแค่สิบต้นใช่ไหมใช่แล้าปลูกยี่สิบต้นมันก็ต้องได้ผลยี่สิบต้น อ, อันนี้เราปฏิบัติแค่นี้กี่ชัว่วโมงสองสามชั่วโมงมันก็ได้แค่นี้แหละถ้าอยากได้มากกว่านี้ก็ต้องเพิ่มการปฏิบัติให้มากขึ้นแล้วการปฏิบัติก็ต้องมีคุณภาพด้วยการปฏิบัติที่อยู่ในที่วุ่นวายนี่กับการปฏิบัติที่อยู่ที่สงบมันต่างกันคุณภาพต่างกันใช่<า>ใช่ค่ะหลวงพ่อคือปฏิบัติทุกวันแต่ว่าแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีคุณภาพทุกวันหลวงพอ่อมันแล้วเพราะว่ามันมัน หลบไปได้แป๊บเดียวปั๊บแล้วเดี๋ยวกลับมาวุ่นวายต่อแล้วใช่ใช่ค่ะแต่ถ้ามันไปอยู่คนเดียวนี่ทั้งวันมันมันไม่มีเรื่องวุ่นวายที่จะมาทําลายก็คือต้องต้องตัดทิ้งไปเลยเออต้องไปเปีกวิเวกอยู่คนเดียวกายวิเวกแล้วจิตจะจะวิเวกโอ้ขาหลวงพ่อแต่ถ้ายังไปไม่ได้ก็ก็ก็ต้องถือว่าชดใช้กรรมเก่าไปก็แล้วกันโหหนักหนักเลยข้าหลวงพ่อ ยังต้องใช้กรรมอยู่นี่ยังไปไม่ได้ค่ะอย่ากไ ป, ไปทุกอยาไปทุกแต่มันถ้าไปไม่ได้แล้วอยากไปเดีย๋ยวมันจะทุกข์ไปเปล่าๆถ้ายัางไปไม่ได้ก็ยอมรับว่าไปไม่ได้อยากไปทุกหนูห้องครับแล้วตอนเนี้ยพอไปทําปฏิบัติทุกวันที่ออฟฟิศอะไรเงี้ยคนเขาก็เริ่มเริ่มมาเห็นเพราะ <c oughs> เขาก็เห็นว่าขึ้นไปที่ห้องพักของบริษัทเขาก็มาถามว่าทําไมถึงมาปฏิบัติทําไมโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ย เหมือนคนมองว่ามันมีเรื่องทุกข์มากเลยใช่ไหมคนก็จะคิดไปแบบนี้อะไรเงี้ยหลวงพ่อก็มองว่าเหมือนกับไปฟังเพลงนะคุณชอบฟังเพลงคุณก็ฟังไปแล้วชอบนั่งสมาธิเราก็นั่งไปเราต้องการความสุขคัณเวลาฟังเพลงคุณทําอะไรคุณก็มีความสุขเราไปนั่งสมาธิก็เหมือนไปฟังเพลงนั่นเองไม่มีไม่มีทุกข์ไม่มีอะไร เองแต่ว่าเราอยากจะมีความสุขแบบนี้ความสุขจากการนั่งสมาธิไปแล้วมั น, น ส, สบายบใจอ่าคุณมีความสุขกับกินขน ม, นมนก็กินไปเลยคือมีความสุขกับพูดคยุยคุยกันก็คุยไปความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันก็บอกเข้าไปห น, หนูหนุมพ่อคะมันเหมือนเตรียมตัวไหมคะคือหนูทุกวันนี้ก็คือค่าปลาอาหารก็บางทีก็เหลือวันลาครั้งหรือไม่ก็เต็มที่ไม่เกินสองครั้ง เที่ยวดูหนังฟังเพลงละครอะไนุนูไม่ไม่เลยทุกอย่างมกำลังเตรียมตัวอยู่<า>เราจังหวะเราโอกาสที่จะปล่อยได้ก็ถึงจะไปได้คทุกทุกอย่างตามที่สินแปอะไรงี้นหนูก็ทําหมด <c oughs> ยกเว้นคืออย่างตอนเช้ามันไปทํางา น, นก็อาจจะมีมัดผมนั่นโ น, น่นนี่นั่นนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็คือปล่อยเลยทั้งวันไม่ได้ไม่ได้ไไดคือ คือปฏิบัติแบบเนี้ยค่ะหลวงพ่อคือเหมือนเตรียมตัวใช่ไหมคะหลวงพ่อเตรียมตัวทำทำเทำ่าที่เราทําได้ก่อนค่ะอ พ, อพอถึงเวลามีเวลาเพิ่มมากขึ้นเราก็จะทาได้ต่อได้ uh huh. พออย่างอยู่ออฟฟิศ huh. เนี่ยคนเขาก็พอ uh huh. ทํางานเย็นพวกบัญชีเนี้ยค่ะหลวงพ่อเขาก็จะบอกอา้ากินอะไรเพราะว่าต้องอยู่ปิดบัญชีทํางานโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ย uh huh. เราก็จะบอกเพราะว่าเราไม่กินเราไม่นอนไม่นี่คือไม่เลยไม่แต่เลยสักนิดเดียวเงี้ยค่ะ uh huh. หลวงพ่อมันก็กลายเป็นแบบว่า เออทำไมถึงคนก็มองว่าเออทําไมเคร่งทําไมโน่นนี่อะไรเนี้ยคือด้วยเราอยู่ในสภาพที่คนเขาปกติเขาก็กินกันเฮกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ <c oughs> อบอกเข้วาเป็นวิธีหาความสุขอกรูปแบบอย่างไม่มาลองทําั้งชวนก็ดูก็ได้โอ้เข้าไม่ได้กันนะคะแล้วก็ <c oughs> พยายามจะมาชวนเราให้ <c oughs> ให้หลุดอะไรเงี้ยค่ะหรือไม่เพราะทางใครทางมันก็เลยคุณชอบกินขนมอย่างนี้ เราชอบกินขนมอย่างนี้ก็ต่างว้ก็ตัดกินของของตนไปกันแล้วกันก็คือที่หนูจะบอกหลวงพ่อก็คือว่าก็คือเตรียมตัวทุกอย่างแล้วเพียงแต่ว่าเวลาหนูยังไม่ได้ค่ะเวลาน้อยก็นอทํำค่ะหลวงพ่อโอเคค่ะขอบพระคุณอันนี้ก่อนนะแล้วกลับไปที่ข้างบนก่อนคุณธนพลเนี่ยเห็นรออยู่นานอนยกมือเชิญชื่ออะไร หนูชื่อปลาเจ้าค่ะแต่ว่าชื่อปลาค่ะปาอยู่ที่ไหนจ๊ะอยู่นนบุรีค่ะอยู่บางพทองค่ะค่ะแต่ว่าใช้ซูมของของของแฟนนะค่ะค่ะค่ะก็ทุกวันนี้ก็ปฏิบัติอยู่ตลอดอ่าอ่าการนั่งสมาธิเป็นเรื่องเรื่องปกติที่ทำค่ะแต่ว่าสิ่งที่ฝึกมากขึ้นเนี่ยคือการเจริญสติในระหว่างวันนะคะค่ะแล้วก็ค่ะเอ่ออ่ จะพูดจะคิดเนี่ยค่ะพยายามที่จะเอาสติมาคุมมะค่ ะ, ะเพราะเมื่อก่อนสมัยก่อนจะถึงแม้จะนั่งสมาธิแต่ก็ยังเออารมณ์พุ่งพ่านตามกิเลสอะค่ะแต่ตอนนี้ก็พยายามที่จะจ ะ, <ช>จะคุมได้อ่ะค่ะเวล า, าไม่ได้นั่งสมาธิก็ต้องมีสติคอยคุมใจอยู่เรื่อยๆค่ ะ, ะคิดว่าอันนี้ยากแล้วก็ที่ยากอันหนึ่งคือทุกวันนี้ยัต้องต้องอยู่กับทางโลกอะค่ ะ, ะแต่ว่าเราจะ จะต้องไม่เอาธรรมะไปตัดสินคนอื่นนะคะธรรมะที่ตัดสินตัวเราเองใช่เจ้าค่ะค่ะธรรมะไม่ค่ากิเลสของเราไม่ใช่เป็นค่ากิเลสของคนอื่นใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะเจ้าค่ะที่พยายามบอกตัวเองอย่างนั้นเจ้าค่ะอืคนหนึ่งก็จะเป็นดีช่วในเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราค่ะก็ยากอยู่เหมือนกันนะคะเพราะมันดีใจก็คิด บางทีก็คิดเต็วิจารณ์คนอื่นอย่างเงี้ยค่ะแต่พอตั้งสติได้แล้วก็ไม่ต้องต้องหยุดนะค่ะเราต้องถามตัวเองแล้วมึงเป็นยังไงเวลาไปว่าคนอื่นนั่นต้อมึงใช่ใช่จ้ะใช่ใช่เลยค่ะคมันจะได้มันจะได้หยุดได้ไม่มันจะเผยชอบไปว่าคนอื่นเลยลืมาตัวเองเด้อค่ะก็้งอนดีกว่าตั้งใจตอนนั้นได้ประโยชน์ตั้นใจคนอื่นไม่ได้ประโยชน์อะไร่ะแต่ว่าค่ะอนูแต่ว่าเออ่ หนูยังอินทรียอ่อนนะคะถ้าอยู่กับตัวเองก็จะหลงไปกับความหลงอะไรต่างๆค่ะต้องพยายามอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์นะคะแล้วก็จิตก็จะเป็นกุศลมากขึ้นนะคะแต่เมื่อไหร่ครับพอห่างปุ๊บเราก็จะความหลงอะไรก็จะเข้ามาความโลภก็มาทจะผ่ะานพยายามฝึกไว้เลยสติสําคัญที่สุดนะไม่ทำไม่พูดเธอคอยเฝ้ดูว่าเรากำลังทําอะไรอยู่ กำลังเดินกำลันงนังนางกำลังนอนกำลังนนกินเนี่ยมันอยู่กับงานที่เราทําำดังนั้นก็ให้ทําพุทโธพุทโธไปคอยควบคุมความคิดอย่าให้มันไปนคิดเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องคิดโอเคไม่มีคําถามใช่ไหมไม่มีคําถามเจ้าค่ะโอเคกอบคุณค่ะดิด น, นะเจ้าค่ะคุณนงอยากจะพูดหรือเปล่าถ้าพูดก็เราเราเปิดใหม่ใหม่ มันจะได้ยินเสียงว่าบางพูดเนี่ยไม่เสียงไม่มาถ้าอยากจะพูดต้องออกไปก่อ น, นแล้วกลับเข้า ม, มาใหม่นะนกนกนกเขาเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาไม่มีอะไรจะพูดเห็นไ <Okay. S 2> ลน์ๆลเข้ามานะฮะง่ายไปเลไลน์งานั่งฟังไปเดี๋ยวกัวคิดว่าอยากจะพูดแล้วแล้วข้ามคิวไปนี่ก็ไปท่านต่อไปคุณจี๊คุณจีจากแมริแลน เมืองอะไระเมืองเมืองที่ที่อยู่ในชื่อเรียกว่า อ, อะไรนะเบกรอควิวก็ได้ค่ะรอกวิ่ะอคจะได้จำ ง, งนะ่ายง่อกวินี่อยู่ใกล้เมืองใหญ่อะไรที่สุดรอควิอยู่ใกล้เอ่อเมืองใหญ่อยู่ติดกับวอชิงตัน่างวอชิงตันดีซีมาประมาณยี่ยี่สิบนาทีอะค่ะยี่สิบสมใกล้ดีซีนะ้ค่ะแล้วเป็นชานมืดีซีได้ใช่ไหม ใช่ค่ะก็เหมือนเราอยู่นนทบุปปรีปากเกร็ดอย่างเงี้ยค่ะ okay, <the> ไกัค่ ะ, คะอาจารย์สบายดีนะเจ้าค่ะ yeah, สบายดีจ้ ะ, ะยมช่วงนี้ยมรู้สึกแบบว่าพอดีพระอาจารย์อีกรูปหนึ่งที่ยมเคารพนับถืออะค่ะเพิ่งมรณภาพาไปเมื่อสามวันก่อนอืม mm hmm. ที่ <พอ S 1> วันดิ ท, ที่อเมริกาหรือว่าที่เมืองไทยอ่าเมืองไทยค่ ะ, ะไม่ไม่แน่ใจาอาจารย์สุชาติเคร์นชื่อท่านหรือเปล่าท่าน ช, ชื่อ ค่ะชื่ออะไรนะบวยเสียงหายไปพระอาจารย์ภระสกรค่ะทูรอิอยู่ที่ไหนอยู่วัไหนท่านประจำอยู่ที่วัดฝายหินแต่ว่าท่านเสียที่กรุงเทพอะค่ะฝายหิอนอยู่ที่ไหนเชียงใหม่นะใหม่ค่ะเ ช, ชียงใหม่ค่ะแล้วไม่ได้ไปาพระรื่นเท่าไหร่ ค่ะค่ะคือโยมก็ก็ฟังท่านฟังหลายพระอาจารย์ก็ท่านหนึ่งพระอาจารย์พระสะกรก็เป็นท่านหนึ่งที่โยมเคารพนับถือมากๆเหมือนกันค่ะ mm. ก็คือวันที่ท่านมรณาภาพก็คือในเฟซก็วันที่เราตื่นมา mm. เพื่อนก็โทรมาบอกว่าท่านมรณาภาพแล้วนะ mm. เป็นวันเดียวกันกับที่เราเข้าไปในเฟซบุ๊กก็เจอเพื่อนอีกคนที่อยู่ออสเตรเลียเพื่อนเขาก็เพิ่งคลอดลูกคือมันเห็นความ คนนึ่งไปใช่คะ่ะในวันเดียวกันในโมเมนต์ hmm. ในเวลาไล่เรีย ก, กันเลยคนหนึ่งไปแล้ว mm hmm. คนหนึ่งก็ะออกแบบเกิดมาคือมันแบบมันไม่มีอะไรแน่นอนเลยจริงๆค่ะแบบรู้สึกว่าแบบจิตเราจะไปวุ่นวายกับยิ่งคุยกับคนเยอะยิ่งแบบอยากนู่นนี่นั่นมันก็จะยิ่งวุ่นวายพอมาเจอเรื่องนี้ทั้งทั้งเกิดและตายพร้อมกันก็เลยทำให้มองว่าแบบ เออแล้วเราจะประมาทในการใช้ชีวิตไปทําไมนี่นี่ไปตัดตัวทำมาดีกว่าจงใช้ประโยชน์ของตนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทใช่ค่ะก็เลยตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่ามีสติมากขึ้นว่าเออเราต้องเร่งปฏิบัติให้มากขึ้นแล้วนะเพราะว่าอย่างท้าท่านมรณาภาพไปท่านก็ไม่มีใครคิดเลยว่าท่านจะท่านจะไปอ่ะค่ะทุกอย่างมันเร็วมากใช่ไม่มีอะไรใครกําหนดได้ว่าจะตายเมื่อไหร่ ใช่เจ้าค่ะก็เลยแบบเห็นเห็นเห็นตัวเองเลยว่าพอเราห่างห่างธรรมะห่างการปฏิบัติมาสักพักแล้วเราไปมัวแต่วุ่นวายกับสิ่งนอบข้างการทำมาหากินอยากได้นู้นอยากได้นี่อยากให้เป็นอยากให้มีมาเลยรู้สึกว่าเราประมาทไปจริงๆแล้วะค่ะก็เลยก็เลยก็เลยเอามาเป็นสิ่งที่สติหอดใจอะค่ะว่าแบบพยายามเจริญนักให้มากๆทานสีปาวนาเนี่ย ค่ะเจ้าค่ะยงก็เลยตอนนี้ก็เลยมานั่งสมาธิทุกวันเหมือนเดิมค่ะพอดีช่วงนั้นนั่งไปแล้วแล้วก็พอดีมาวุ่นวายกับเรื่องส่วนตัวเรื่องงานอะไรอย่างนี้ก็เลยห่างมานั่งวันเว้นวันนั่งปะสองวันครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยค่ะพยายามทำบรรยาที่ความเปลี่ยนยี่ที่ไหนความสําเร็จยี่ที่ไหนคิดอย่างนี้เจ้าค่ะพระาจะรักษาสุขภาพนะคะรักษาดูเ่ะ ตอนนี้ก่อนนะอ่าสุภาจราจากด a l l a s t ท x a s เป็นไงตอนนี้ไฟฟ้ากลับมาแล้วทุกอย่างกลับเป็นปกติแล้วใช่ไหมกลับนมาสักการพระอาจารย์เจ้าค่ะค่ะเจ้าค่ะเป็นปกติเจ้าค่ะบินข้าวไฟไม่ไม่ต่างมากเจ้าค่ะก็สี่สิบรู้สึกแค่สี่สิบเหรียญจากเดิมเจ้าค่ะแค่นั้นเององคเนเสียเปหมื่นเลยไม่ทราบเป็นเพาอะไรน้ค่ะ เห็นสามีบอกอะเจ้าค่ะก็อาทิตย์ที่แล้วที่ลูกถามเรื่องโรงเรียนนะเจ้าค่ะคือคุณหลาส่งลายมาให้แต่ว่าจดไม่ทันลูกก็เลยติดต่อไปทางโรงเรียนเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะอืดีจ้ะขอบคุณท่ทนานนะอากาสาธุเจ้าค่ะก็ลูกขอรายงานอ่าที่ผ่านมา เ, เจ้าค่ะก็เห็นว่าการรักษาธรรมนี่ต้องมีความหนักหนักแน่นมากๆเลยเจ้าค่ะคือ คือที่บ้านเนี่ยก็พอดีมีปัญหากันนะคะระหว่างาคนในครอบครัวลูกก็พยายาม เ, าเป็นตัวกลางที่จะประสานสัมพันธ์ให้เจ้าค่ะ mm hmm. ก็ก็คือเขาก็อยากให้ลูกพูดเพื่อเพื่อให้เขาสบายใจแต่ลูกก็บอกว่าลูกพูดแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าไม่อยากให้เกิดความเล้าฉาหรือแตกแยกการลูกก็พูดตาม ตามในมุมมองที่ที่อีกฝ่ายหนึ่งเขาพูดมาเขาคิดแบบนั้นก็พูดตามเขาอะเจ้าค่ะก็ก็ไม่ได้ไปปรุงแต่งไม่ได้อะไรอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเขาก็เลยบอกว่าปฏิบัติไปเพื่อมองโลกสวยลูกก็เลยบอกลูกไม่ได้มองโลกสวยแต่ลูกมองเพื่อความเป็นจริงแล้วก็รู้ว่าเสี่ยงเหมือนกันที่จะพูดเพื่อให้เพื่อให้เข้าใจกันเพื่อให้รักกันแต่ก็ รู้บอกให้ลูกพูดให้ให้ให้ใหแตกแยกลูกพูดไม่ได้อ่ะเจ้าค่ะลูกก็เลยบอกเขาแบบนี้เจ้าค่ะอ่าดีถ้าพูดแล้วแตกแยกก็อย่าพูดดีกว่าเจ้าค่ะก็เลยรู้สึกว่าเ อ, อการรักษาธรรมนี่ก็ต้องมีความหนักแน่นก็รู้ว่าห <laughs> รือว่าเขาไม่พอใจแล้วก็เขาก็บอกเขาก็ไม่อยากจะพูดด้วยเขาพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวเขาจะมาพูดด้วยเองอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ <Okay. S 2> ก็เลยก็ต้องปล่อยเขาไปเจ้าคะ การรักษาธรรมยิกว่าชีวิตเนี่ยเ้ค่ะถ้าถ้าพูดแล้วไม่ดีดแล้วพูดอะไคนอื่นทะเลาะ ก, กันมากขึ้นลูกคิดว่ามันไม่ควรที่จะทำะ่าเจ้าค่ะไม่เกิดประโยชน์อะไรพูดก็ได้เกิดความสมัครสมานสามเครรักไข่กันแล้วค่ะแล้วค่ะก็เพิ่งเห็นว่าการรักษาธรรมนี่ต้องมีความหนักแน่นแล้วก็พร้อมที่จะตอบ พรเอีจต้องแบบทำอะไรไม่ถูกใจใครแต่ก็แต่จะต้องยึดหลักของความถูกต้อง<ต>จะไม่ยอมผิดศีลเจ้าค่ะแต่ถ้ามันจำเป็นจริงๆก็อย่าพูดก็ได้ถ้าพูดแล้วมันมันทำให้เกิดความไม่สบายใจกับผู้อื่นก็ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็อาจจะอย่าไปพูดก็ได้เจ้าค่ะ ลูกก็เงียบมาตลอดเพราะว่าถ้าเขาไม่ถามความคิดเห็นลูกก็ไม่พูดนะเจ้าค่ะ<ม>เพราะว่าพระอาจารย์สอนเสมอว่า<ม>ถ้าเขาไม่ถามก็ให้เงียบให้รับฟังเฉยเฉยจนเขาถามแล้วลูกก็พูดตา ม, มที่เขาก็ตามจริงไงเจ้าค่ะ<ม>เขาก็เลยรู้สึกว่าเขาไม่ได้กำลังใจที่<ม><ม>อยู่ฝ่ายเข า, าเจ้าค่ะก็<ม> แลูกก็ไม่เป็นไรแล้วก็บอกเดี๋ยวอีกหน่อยก็ก็เข้าใจแล้วก็มองว่าอารมณ์เดี๋ยวอารมณ์ผ่านมาอารมณ์ก็ผ่านไปเดี๋ยวเขาก็กลับปกติอเจ้าคะ่ะก็คงเวลาก็คงจะช่วยแล้วคะ่ะก็มะ ไ, ไ ม, ม, ไม่ไม่มีเจ้าค่ะลูกก็ฝึกเหมือนเดิมฝึกปกติเจ้าคะ่ะโอเคนะคะสาธุเจ้าค่ะกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะคุณที่ว่าที่ว่าเชิญมีอะไรไหมคุณที่ว่า ถามนัิการจ้กขาคระอาจารย์วันนี้ไม่มีอะไรเหมือนเดิมจักอ่อยู่ที่ไหนเนะที่กรุงเทพจักขาพระอาจารย์เห็นไปที่กรุงประเวสต้าครุงพระเวสต้าจากเดลัเกอาจารย์ได้ยินไงได้ยินินตอนนี้นั่งอยู่ข้างนอกเหรครับอยู่หน้าบ้านครับเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักลูกเห็บตกลมแรงต้นไม้หักวันนี้เดินมาดูว่าธรรมะของพระพุทธเจ้า ไม่มีอะไรทุกได้นานก็หายไปครับไม่มีอะไรแน่นอนตัวอย่างมีเกิดมีดั บ, บมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆครับผมนี่ธรรมะที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าจริงๆครับแบบมีคำมีคาถามอันหนึ่งหลวงพ่อที่หลวงพ่อลงในเพศบุ๊กวันหนึ่งว่าการที่ออกวินศบาทนะ่ะที่วัดธรรมธรรมนะั่นนะที่วัดญาณธรรมนะครับที่ว่ามีะอาจา์หวัน พระจันหวันยังมีชีวิตอยู่ป่าครับพอท่านเสียไปหลายปีแล้วท่านท่านเป็นลูกศิษย์ของผู่ขาว้นะอยู่วัดทำกองเพลนที่อุดรแล้วท่านก็นมาทุดดองแถวแถวเนี่ยแถวแถวแถวบ้านอำเภอแถวพัทยาแล้วพอดีสมเด็จสังราชมาสร้างวัดยานอยากจะให้มีภาพปฏิบัติมาช่วยนำปฏิบัติท่านก็เลยมาอยู่สองสามพรรษา้ว้กัน หลังจากนั้นที่เข้าไปท่านชอบท่านชอ บ, ชอ บ, ชอบไปเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆแล้วตอนหลังวันนี้ท่านเป็นอาลภฤท่านอาลฆาตเราอยู่ได้ประมาณสักสิบกว่าปีบ้าท่านก็นเสียชีวิตเสียมาได้ประมาณสิ บ, สบปีแล้วมมีอะไรไหมไม่ไม่มีครับเพราะว่าไม่ไม่เคยได้ยินชื่อท่านครับเราเลยเปิดดู<ม>หาไม่เจอครับผม มีข้อหนึ่งที่ว่าจะถามท่านที่ทหลวงพ่อพูดว่าปฏิบัติอาการ32ให้เราดูพ ว, วกกระดูพวกอะไรพวกนี้ครับแล้วเวลาเราเจอข้อปัญหาต่างๆที่เข้ามาในในจิต ใ, ใ, ใจเราบางครั้งนี่มันต่างกันตลอดเวลาเราจะเอาพวกหั ว, วกระโหลกมาดูว่าเป็นอสุพตเนี่ยเราจะใช้กึดไหมเริ่มต้นครับ อ๋อคืออสุนี่คือเรามากักจะถูกความหลงของเราหลอกให้เห็นร่างกายของคนอื่นว่าสวยงามน่ารักน่าใคร่เราก็ต้องการแก้ตัวนี้เพราะเราเห็นส่วนที่เขาทำให้ดูสวยงามคือส่วนภายนอกใหมขวีเข้าวีผมก็แต่งหน้าทาปากอะไรเสริมอกเสริมอะไรต่างๆนีเราก็ต้องมองเข้าไปทะลุเข้าไปภายใตย้ผิวนัน ดุอาณาตอมีของร่างกายพอเห็นว่าดุอาณาตอมมี่นี่มันไม่สวยงามเลยจะได้คลายความหลงรักข้างใครกับร่างกายของคนอื่นได้หรือของเราก็ได้วันที่เราจะหลงรักข้างใครกับร่างกายของเราอยากให้มันสวยอยากให้มันดูดีมันก็เป็นเพียงแต่เหมือนกับอกระเป๋าห่อขอี้ดีๆห น, นึ่งนอง หลัเราหุ่มผ่อสวนที่ไม่สวยไม่งามที่น่าเกลียดอยู่ในร่างกายนี้ทั้งหมดมีทั้งปัสสาวะมีทั้งอุจจาระมีทั้งน้าเหงื่อน้ําอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดอันนี้เพื่อคลายความหลงจากนั้นเองเที่พิจารณาร่างกายอาการสาริสสองอันนี้ก็เป็นของชั่วคราวใช่ไหมครับตอนคือร่างกายมันเป็นของชั่วคราวอยู่แล้วเกิดละเดี๋ยวมันก็ต้องต้องแก่เจ็บตายเปนธรรมดาอันนี้ก็เป็นอ น, นิจจัง คือการพิจารณาร่างกายที่ให้พิจารณาอยู่สามสามลักษณะด้วยกันอนิจจังไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายอนัตตาไม่มีตัวตนอยู่ในร่างกายนี้มีแค่อาการสาสิบสองไม่สวยงามต่อไปก็กลายมันซากศพหรือถ้ายังไม่เป็นซากศพก็ดูตามที่เติงขึ้นมาก็ได้เต่งขึ้นมานที่ตาแฉะผมเภาไม่ได้หวีไม่ได้อาบน้องอาบน้ํากินสาบอะไรต่างๆเนี่ย ก็ดูแบบนี้เพื่อให้คลายความหลงรักใคร่การอารมณ์นี่คือการพิจารณาร่างกายด้วยวิธีการบบตา่างๆเราเราจะได้ชินกับว่าสิ่งต่างๆที่เข้ามาเราทําให้จิตใจเราสบายขึ้นใช่เมือเราเป็นหลงรักใคร่ล้วทําให้ตินไม่ได้นอนไม่หลับเวลาไปหลงรักใคร่นี่เลม่มีครับเลย ม, มีครับ แตาพอไม่เ น, เน้นว่ากำลังรักกับโครงกระดูกมันก็เลยหายหลงเลยกูไปลั ก, กับโครงกระดูกนี่เองหนังหุ้มกระดูกดีๆนี่อหนังห่อที่อย่างนี้ออปุจจาระปัสสาวะนี่การหายดีสองแล้วแล้วก็ทําไปอย่างนี้เรื่อยๆใช่ไหมครับก็สนใจเรื่อยๆอย่าให้ลืมอย่าให้หลงอย่าให้ลืมแล้วมักจะลืมเดี๋ยวพอเห็นอะไรสวยๆงามๆขึ้นม า, ก, นมา ก, ก็ลืมไปเลย เราไปดูเข้าประกวดงามๆนี่โอ้ลืมพ่ากาลังประกวดคอกระดูกกาลังประกวดอาการสาหัสอ่สองนี่เองันี้พยายามพยายามทำพยายามศึกษาทําอันนี้ข้อนี้อยู่ทีฟังจากพ่อจางแล้วยังบอกเอ๊เราก็พยายามดูแต่มันก็ยังแก้ไขไม่ค่อยได้ทักงทีเพราะมันไม่ได้ดูจนจดจําได้มันเหมือนทําสูตรคูณอ่ะต้องทําสูตรคูณยังท้านจาได้พอจะใช้มันปุ๊บมันก็มาเลย มันช้ากว่านิดหน่อยอ่ะมันช้าไ ป, ไปลืมไปเลยบางทีลืมไปเห็นอะไรสวยๆของเงาลืมไปเลยเชิญ ไ, ไปกับภาพนั้นองเงี่ลืมบอกให้ข้างในมันมีอะไรบ้างข้างในมันมีกระดูกมีปอดมีตับมีไตมีลำไส้นะอนี้ถ้าฝึกบ่อยๆมันจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นํานาญขึ้นต้องต้องต้องสวดคุณบ่อยๆอยออต้องต้องสวดคุณบ่อยๆต้องการจาที่สองยู่เรื่อย ผมขนเล็บฟันหนังเมื่อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้เล็ก อ, อาหารใหม่อาหารเก่านี่างนี้ท่องไปเรื่อยๆต่อไปก็นึกภาพพอเห็นใครปับ๊บเห็นทะลุเข้าไปเลยเหมือนกับภาพที่เราเห็นอะนาตามี่หนังสืออะนาตอมี่ไปเปิดดูก็ได้ครับอันนี้อันนี้ก็พยายามศึกษาอยู่ครับเพราะว่าฟังจากธรรมที่ว่าสมัยก่อนหลวงปูงงง่มัน่นท่านคอยตรวจ ลูกศิษย์ท่านตลออเวลาแม้พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังเข้าร่วมท่านยังสามารถตรวจจับได้แล้วก็บอกว่าท่านทําผิดนะอะไรเงี้ยแต่ว่ามาอยู่ที่เมืองนอกเนี่ยเราไม่ค่อยมีใครมาตรวจจับเราว่าเราผิดอะไรข้อไหนข้อนึงอะไรเงี้ยครับมันแก้ไขลําบากมากเรวต้องเรวต้องตรวจตัวเราเองต้องคอยดูว่าเราออกนอกลู่นอกธรรมหรือเปล่ า, าไปทันกิเลสหรือเปล่า อันนั้นอันนั้นรักษาแลตรวจได้ครับแต่ว่าตรวจว่าเราทำผิดหรือทำถูกนี่แหละครับมไม่ไม่มีไรครับมากอย่างนี้ครับ อ, อันนี้สบายใจแนละ้วต้องได้ฉีดสองเข็มได้ใช่ไหมครับผมก็ตอนนี้ก็เริ่มอีกต่อเพื่อนๆฝูงที่ยังไม่เคยฉีดก็รีบเร่งให้เขาฉีดครับช่วยๆกัน อันนี้คนก็มีภูมิคุ้มกันแล้วจะใส่หน้ากากก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ไปไหนก็ได้ถ้าตอนนี้ออกมาในส่วนตัวของผมผมก็ยังใส่หน้ากา ก, ากอยู่ครับเวลาไปซื้อของหรือไปร้านอาหารที่มีคนเกินสามสิบคนหรือว่าคนที่เราไม่รู้จักเนี่ยอืจริงแม้เราจะมีภูมิแต่ว่าเราไม่รู้คนอื่นเขามีภูมิหรือเปล่าครับอแต่แตเราก็ยังเราจะมีเชื้อเลยอาจจะไปแพร่คนอื่นได้ใช่ไหม ก็ยังมีสิทธิ์ครับเพราะว่ามันแค่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเรายังมีห้าเเซนที่จะไปจ่ายให้คนอื่อนได้ครับอืม okay. เด็กีก็อย่าประมาทแม่นีที่สุดเนี่ยครั บ, รบรก็ต้องบังคับกันไว้ดีกว่าแกครับผม ค, ครับผม <Okay. S 2> อันนั้นอันนั้นถูกต้องครับไม่ไม่ควรเอาไปให้เขาแล้วก็ไม่ควรรักของเขาอ่าเด็กนี่ก็ใส่หน้ากากไว้เรื่อยๆเวลาไปเจอครับผมคิดว่าคงจะใส่หน้ากากไปถึงสิ้นปีแล้วครับอ่าดีดีดดดดดด ตอนนี้สบายใจแล้วนะไม่ต้องวิตกกังวลแลนะมันจะติดชื่อหรือไม่ติดอ๋อตอนนี้ไม่ห่วงแล้วครับเพราะว่าคนที่ผมไปหาก็ส่วนใหญ่แล้วเขาฉีดยากันหมดแล้วแต่ว่ากาลังแนะนําคนที่ยังไม่ฉีดครับอืมโอเคดีขอให้ขอให้ก้าวกล้าปลอดภัยนะฮัโหลยาปามาลาบลาแล้วกลับลุไทยได้บรรกาศท่านนักทีงเออได้จระเมืะอเช้านี้ก็เจอพระราวชวนก็บอกว่าคืนนี้คุณประวศจะเข้ามานะ สวัสดีสาธุสาธุครับครับยังไม่ยังไม่ยังไม่เจอนาน้ะครับเพราะว่าคุยกับพี่สาวเขาตั้งเยยวอ่โอเคตอนนี้ก่อนนะพาธิ ก, การครับพระอาจารย์คุณบุญสเก้าได้ยินไหมาจากนอร์เวย์เชิญเป็นยังไงบ้างสบายดีนะับมสาธิตการพระพอาจารย์ค่ะ อืสบายดีค่ะพระอาจารย์มีอะไรไห ม, มได้มไม่ไม่มีอ่ะค่ะพระอาจารย์หรือว่ามีได้เข้าไปอ่านฟังพระอาจารย์ในธรรมะในภาษาอังกฤษเมื่อวานนะคะแล้วก็ทีนี้ได้เข้าไป ไปอ่านาร์วิมหนึ่งนะคะที่เขียนเกี่ยวกับเป็นรีเสิร์ชเกี่ยวกับไมฟูลเน็นะคะอาจาร์ที่ทำโดยมหาลัยทางสแกนดิเนเวียแล้วก็แถวยุโรปอะคะ่ะแล้วก็เขียนบอกว่าเพราะว่าไมฟูลเน็เนี่ยมันเป็นสาขาหนึ่งของวิชาจิตวิทยาใช่ไหมคะมที่ที่นีนะคะ่ค่ะแล้วก็แล้วก็เขาได้เขียนได้ทำรีเสิร์ชแล้วบอกว่า อ, อ, อาจจะไม่ได้ส่งผลดีอะค่ะเอ่อสดงาก็ทำวิจัผิดอย่างดีอันนี้รับประกาน<ช>มาตั้งสอง0ารอยกว่าปีแล้วตั้งแต่พระพุทธเจ้าม า, ห, าหนู<ๆ><า>หนูก็มีควา ม, มหนูก็รู้สึกอย่างนี้พออ่านพาไปหนูก็แล้วคุมเพชรชัยเข า, าเขาบอกวาอ่าสรุปเขาบอกว่าเพราะว่าที่สำคัญก็ต้องต้องมีคนที่แนแนว การจะให้ไมโครเน็ตมีมีประสิทธิภาพก็ต้องให้มีคนที่แนะนำแนวที่ดีค่ะซึ่งหมูคิดว่าก็ต้องมีคนสอนใช่แล้วก็เพราะว่าส่วนมากแปลว่าเขาไม่ได้เขาเขาเขียนแค่ว่าเหมือนกับไมโครเน็ตเนี่ยเป็นแค่การหลีกเลี่ยงความทุกข์แต่เขาไม่ได้ไปถึงแบบเหมือนกับอะไร่ะคะ แก่นไขของผู้พูดศาสนาเราค่ะาาว่าเราต้องใช้ทั้งสติออืเราต้องใช้ทั้งสติและปัญญาค่ะอืมนั่นแหละให้ไปอ่านสติปฐานสี่ foundation of mindfulness แนภาษาอังกฤษอันนี้<ช> ค, ครบทวนทั้งสติทั้งสมาธิทั้งปัญญาใช่เพราะว่าหนูก็ได้เข้าไปอ่านเนี่ยของพระอาจารย์ที่มันเป็นภาษาอาาังกฤษด้วยในในพระอาจารย์สุชาตินะคะอืเพราะว่า เพราะว่าเหมือนเหมือนว่ามีความอยากรู้หนูได้เรียนมาเป็นภาษาไทยแล้วเราไม่ได้เรียนมาเป็นศัพ์ภาษาอังกฤษบางศัพท์บางทีเราก็มีความอยากรู้ว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเพราะด้วยการที่เราเป็นครูค่ะแต่ทีนี้มีเพื่อนก็ถามแต่มันก็อีกแบบหนึง่งเพราะว่าที่นอร์เวย์มันก็จะเป็นศัพ์อีกศัพบหนึ่งใช่ไหมคะมันไม่ได้เอามาทั้งหมดใช่ก็ต้องอธิบายความต้องแปลความหมายก็ฝฟังอาศัยสับอย่างเดียวไม่ได้ ตอนนี้ตอนนี้ทางสมาคมพระพุทธศาสนาร์เวย์เขาก็กำลังทำเทอร์มิน و ل و อ่าเป็นศัพท์ um, เป็นคาศัพท์ของ <this> ค่ะ <this> ใช่ค่ะ mm hmm. ก็เลยแบบเหมือนมีความอยากรู้ว่าค่ะแล้วก็เหมือนแบบก็เลยแปลว่าเขาไม่เอาแปลว่าเขาเราก็มีความรู้สึกว่าแปลว่าเขาอ่า เรียนไม่ถูกเพราะว่าถ้าเขาเรียนถูกเขาจะดูว่ามันมันมีผลนะคะใชเพราะยังเข้าไม่ถึงก็ เ, เ, ล เ, เลยยังไม่เข้าใจก็ เ, เลยยังมีความเห็นที่ไม่ถูกต้องอยู่ค่ะเห<ก>มือ น, นถ้าวานันหนึงก็าพยังามมองตาเห็นธรรมไม่เห็นเขาเขาก็คง เ, เหมือนเมื่อวานก็รู้สึกแบบ ดีมากค่ะอาจารย์ที่ได้เห็นพอาจารย์แบบนแนวเป็นภาษาอังกฤษด้วยซึ่งหนูไม่เคยเข้าไปเลยหนูเคยแต่ฟังธรรมะในกุฏิอะค่ะบางครั้งาาอาจารย์สอดเป็นภาษาพูดภาษารับแขกภาษาอังกฤษด้วยแต่ว่าเหมือนเรารู้สึกแบบอมันเหมือนได้ได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งจริงๆแล้วก็มีคนที่เข้าสนใจมากค่ะแม้ขนาดเพื่อนเพื่อนครูพวกหนูเองก็เขาก็แบบ สนใจทางด้านพระพุทธศาสนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอเราภาษาอังกฤษทุกวันวันอังคารสูมสูมันอังคารเป็นภาษาอังกฤษสูมันสูมันพูดนี่เป็นภาษาไทยค่ะถ้าใครอยากจะลองเข้าไปดูวันวันอังคารนี่ก็เป็นภาษาอังกฤษไม่ต้องเข้าไปในสูมก็ได้ว่ามีถ่ายทอดสดใน facebook อยู่ถ้าไม่ต้องการจะถามคําถามก็ดูถ่ายทอดสดได้ หรือว่าถ้าอยากจะถามว่าเข้ามาได้แต่ต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษอืมค่ะก็ไม่มีอะไรอ่ะครับอาจ า, กการย์ก็เลยแบบเออเหมือนเหมือนกับว่าพระพุทธศาสนาศาสนาเราเนี้ยแบบดีมากแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้แบบคือมันไม่ได้ถ่ายทอดคนที่เขามารับอนะ่ะเขาต้องรู้ถึงแก่นแท้จริงๆอะคะอ่ะใช่ประจักษ์ตังเป็นยุหิกไงธรรมะของพระอาจารย์เนี่ยเหมาะกับ เคนยูชนฉะนั้นคนจระฉะนั้นอืคนโง่เนอี่ยจะไม่เข้าใจานึนนนนกเสียงหนูเป็นธรรมดาค่ ะ, ะมันหนูก็ไม่ได้หนูก็อะเขาอาจจะไม่ได้โง่ค่ะพระอาจารย์เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ไม่ได้ถูกบอกไม่ได้ถูกกล่าวให้มันให้รับรู้โดยแท้จริงอ่ะค่ะเออและก็โง่โง่ <c oughs> ก็าอาจจะฉลาดทางทางโกแต่ทางธรรมมันขาองง้<า><า>่ะครับหนูก็ไม่มีอะไรครับอาจารย์เพื่ออะไแบบเข้ามาฟังอะค่ะก็ลองศึกษาดูไปเรื่อยๆค่ะถ้าอยากจะดูภาษาบาลีภาษาอังกฤษก็เชิดดูบาลีมิสติกชแนลลีก็ได้ภาษาบาลีสามารถเข้าไปเปิดดูได้ แต่ไม่รู้ภ<น>าษาโนเวย์มีหรือเปล่าไม่รู้นะขอไม่รู้ข้อตกลงภาษาโนเวย์กำลังกำลังมีค่ะแต่ว่าไม่ได้มีทุกทุกอย่างกำลังรวบรวมอะค่ะอาจารย์เพราะเห็นว่าทางทางสมาคมเขากำลังรวบรว ม, มเป็นศัพท์เป็น t e r m i โ o l o g y ศัพท์ของดิกชันนรีของาศาสนาพุทธเพื่อให้จะไปลงลึกในนเวลาหนังสือเรียนของเด็กที่เนียค่ะอื ใช่กอก็เลยแบบหนูก็เลยแบบอยากรู้แล้วก็ก็อยากรู้อะค่ะก็เลยก็มันเป็นมันเป็นสิ่งที่ดีด้วยอะค่ะอาจารย์การศึกษาดีทางพุทธศาสนาก็ต้องศึกษาก่อนแล้วถึงจะปฏิบัติได้ถ้ายังไม่ศึกษาก็จะปฏิบัติไม่ถูกผ ล, <ะ>ลก็จะไม่เกิดงั้นก่อนจะปฏิบัติต้องศึกษาวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วก็นําไปปฏิบัติแล้วผลก็จะเกิดตามมา โอเคนะเอาท่านี้ <Okay S 1> ก่อนนะโอเคค่ะพระอาจารย์<า>ครับไปที่คุณ<ฤ>นารีต่อนะคุณนารีอยู่ที่ไหนจำไม่ได้แนะล้วนมอ่าพูดได้เลยการนมัส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะอยู่ใต้หวันเจ้าค่ะต้หวันโอเคเจ้าค่ะอาทิตย์นี้มารายงานสภาวะาาค่ะอ่าว่าไหค่ะก็ วันประมาณวันจันท์หรือวันอังคารเนี้ยค่ะคือตรงกลางหน้าอกนี้เขาจะมหมุนอยู่ประมาณรอบครึ่งหรือถึงถึงสองรอบอะเจ้าค่ะ hmm. แล้วก็เมื่อวานนี้ก็ท่องท่องอ e ิติปิโสทั้งวันนะคะพอความคิดเขาโผล่ขึ้นมานี่ก็ก็จะก็จะท่องกันก็จะท่องคือพยายามเวลาเขาขึ้นมาก็จะใส่ e อิติปิโสไปเลยเจ้าค่ะดีดีแต่แต่วันนี้ตั้งใจว่าจะทําให้ได้เหมือนเมื่อวานนี้แต่วันนี้รู้สึกจะ จะอ่อนกำลังอะเจ้าค่ะเมื่อวานนี้เป็นอดีตไปแล้วเราให้ตั้งอยู่ในปัจจุบันเจ้าค่ะทำเท่าที่เราทําได้ไปเนี่ยไปอยากให้มันเหมือนมือวนยิ่งอยากยิ่งเครียดใหญ่ยิ่งทาไม่ได้เจ้าค่ะพยายามจดจ่ออยู่ในปัจจุบันนะอดีตผ่านไปแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงเจ้าค่ะแล้วพระอาจารย์เจ้าค่ะแล้วเวลาที่เราคุยกับลูกค้าหรือว่าคุยกับพระอาจารย์หรือว่าคุยกับคนอื่นเนี่ย คือสิ่งที่คุยไปเนี่ยเขาจะย้อนกลับมาหาหมายถึงว่าเขาจะกลับมาคิดอีกอีกอีกหลายๆรอบอะเจ้าค่ะแล้วจิตช็อเราจะมาคิดใช่ไหมแสดงว่าในใปัจจุบั น, นมันมันยังไปติดอยู่ในอดีตยอยู่ใช้พุโทโธหนึ่งกลับมาเพรมันไปติดในาอาดีตที่ผ่านมาแล้วก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธรัตติปิโสไปหนึ่งเจ็ดกลับมาในปัจจุบันได้เจ้าค่ะนะเจ้าค่ะเพามัฟัน อดีตมันผ่านไปแล้วเหมือนความฝันเหมือนเมื่อคืนนี้นอนฝันอะไรตื่นขึ้นมามันก็ผ่านไปแล้วคุยกับใครเรื่องอะไรมันก็ผ่านไปแล้วเหมือนความฝันยึงจิตกับม้อยู่ในปัจจุบันปัจจุบันคือความจริงนอกนั้นเป็นความฝันอนาคตก็เหมือนกับความฝันฝันว่าจะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ความจริงอยู่ในปัจจุบันนี้พยายามนึดจิตให้ตั้งอยู่ในปัจจุบัน จิตจะนิ่งจิตจะสงบจิตจะสบายาวสวดไปเรื่อยๆสวดวนไปเร <จน S 1> ื่อยๆทำไม่ยั่งอยู่ในปัจจุบันก็สวดไปเรื่อยๆเจ้าค่ะท่านจะไปวิตัยเกี่ยวกับอนานะคตไปคิดเก่งกาดี น, นี่ก็ดึงมันกลับม า, าไรประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์อะไรแั้วเป็นพีงความคิดความจริ ม, มันมีแค่ปัจจุบันนี้เท่านั้นแหะเจ้าค่ะแต่ช่วงนี้รู้สึกว่าเอ เวลาฟังธรรมะค่ะฟังธรรมรู้สึกตัวเองจะเข้าใจได้ลึกซึ้งมากขึ้นเจ้าค่ะ ถ, ถ้ามีสติไงถ้ามีสติฟังแล้วมันจะเข้าใจถ้าไม่มีสติก็เหมือนเข้าหูซ้ายออกหูขวาใจก็ไปคิดเรื่องนนื่องนี้องไม่มีสติเจ้าค่ะแล้วตอนตื่นนอนตื่นนอนตอนเช้าเจ้าค่ะพระอาจารย์คือความคิดเขาจะจะเห็นความคิดก่อนเลยพุ่ไปเลยพุ่งไปเลยแล้วก็หยุดไปเลยใช้พุโทโธพุโทโธหยุดนั่นเลย ค่ะใช้ที่พิโสสวดไปแต่ตอนเช้านี่จะเห็นเขาเด่นชัดมากเลยเจ้าค่ะหมายว่าเขาจะออกมาแบบออกออกมาอย่างเนี้ยเจ้าค่ะใช่ก็เหมือนมา้าเหมือนม้าออกจากคอกเวลาที่เขาแข็งมาพอเปิดประตูก็พรวดมันพุ่งออกมาเลยพอเงยตาขึ้นมาพวกความคิดมันมาก่อนนะใช่เจ้าค่ะเขาเขามาก่อนเลยเจ้าค่ะถ้าเราเห็ น, หนแสดงว่าเรามีสตินะบางคนไม่เห็นเลยบางคนก็ไหลไปตามความคิดเลยแล้วก็ บอกตัวเองว่าพอพอไปตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาความคิดเขาโผล่ขึ้นมาใช่ไหมคะอย่างแรงเนี่ยแล้วก็ไปแปรงฟันล้างหน้าก็บอกตัวเองว่าให้ท่องให้ท่องเนี่ยคะ่ะตอิติปิโสนะคะถ้านึกได้ก็ท่องท่อ ง, ท, องท่องเพื่อเพื่อที่จะหยุดเขาไว้เจ้าค่ ะ, ะถ้าอิทธิปิสโสมันยากเขาสันส้นๆพุโทโธก็ได้เจ้าค่ะพุโทโธพุทโธทำโมสังโกสามคำก็ได้พุทโธทำโมสัมโกพุทโธทำโมสามโกไปก็ได้เจ้าค่ะแล้ว แล้วแล้ววันนี้เจ้าค่ะพอดีตอนเช้าลูกค้าเข้ามาในร้านนะค่ะรู้สึกจะมีอารมณ์โกรธขึ้นมาเจ้าค่ะโกรธแบบไม่มีเหตุผลนะเจ้าค่ะเขาจะโกรธโมสังโฆไปเจ้าค่ะเจ้าค่ะ ท, ทาํ า, มาทไมอารมณ์เขาเขาแรงมากเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็จิตบางทีมันงดจิตก็ได้มันอยากอะไสักอย่างหนึ่งแล้วมันไม่ได้มันก็เลยงดจิตขึ้นมาเจ้าค่ะก็หยุดมันด้วยพุโทโธพุโทโธไปก่อน พุโธธํรมโมสังโฆก็อะ้เอทปิโสก็ได้เจ้าค่ะืนะอเจ้าค่ะสตินี่ือการเจริญสติสติก็จะหยุดความคิดหยุดอารมณ์หน้าชัว่วคราวถ้าอยากจะหยุดเป็นทาววันก็ต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์ว่าเราวหมดเหตุเพราะเนื่องอะไรเพราะเหตุ อ, อะไรเราอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ใช่ไหมนะอยากให้วันนี้มันสดชื่นแบบวันเพราะมันไม่สดชื่นบุบๆวันมันก็หมดเหตุขึ้นมาได้แล้วเจ้าค่ะส่วนใหญ่จะมีแต่ปัจจัย ภายนอกหมายถึงว่าลูกค้าเนี่ยเจาา้าค่ะเขาคือเหมือนกับเ อ, อจะไปโทษเขาเขาถูค่ะว่าอาจารอยากได้ลูกค้าดีๆไม่อยากจะได้ลูกค้าจุ้จี้จุกจิกนีพอเจอลูกค้าจุ้จี้จุกจิกก็เลยลําคาญขึ้นมาอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่เชยอย่างนั้นนะคะคือเขาเหมือนกับจะมาหาเรื่องเราอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเหมือนกับเอดขาจะมาทํา เขาจะมาทําให้เราแบบมีอารมณ์โกรธไม่พอใจแล้วเขาจะรู้สึกว่าได้ลูกค้าดีๆแต่ไปเจอลูกค้าไม่ดีก็แ ล, แล้วก็เลยหงุดหงิดขึ้นมาอย่าไปอยากถือว่าเปิดร้านแล้วลูกค้ามีทุกชนิดดีก็มีไม่ดีก็มีะพเจ้าค่แล้วแต่แล้ว แ, แต่คิวของมันถ้าคิวไม่ดีมาก็รับรู้ไว้เฉยๆแล้วก็ทําใจเฉยๆไปตอบเท่าที่จาเป็นจะต้องตอบพูดเท่าที่จาเป็นจะต้องพูดอย่ายอย่าไปหวังอย่าไปอยางกก็ดีกันแล้ว บางทีก็อจะหงุดหินมาจากบ้านเขาก็ได้แต่แต่เขาคือบางทีมาตั้งใจแบบตั้งใจพูดเลยล่ะเจ้าค่ะเราก็ต้องใช้เมตตาให้อภัยนะถ้าตั้งใจที่จะมาทำให้เราไม่สบายใจเราก็อย่าไปถือถือโทษกอดเของจับเพจัตาเอาเวลาอของตัวเราไม่มีเวงะ อ็พยายามพูดอะไรเขาปล่อยเขาพูดไปเจ้าค่ะก็บอกตัวเองนะเจ้าคะช่วงนี้นั่งสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาเพื่อที่แบบว่าต้องแผ่ตอนที่เจอเขาเสร็จแผ่ตอนคนเดียวมันไม่ได้ตอนนั้นไม่ได้แผ่อ๋อแต่อ๋อใช่กันผิดใช่ไหมคะพระอาจารย์เพราะว่าอันนั้นเป็นการซ้อมอยู่คนเดียวเป็นการซ้อมว่าวันเราต้องแผ่เมตตาวันเวลาเจอคนคนที่ไม่ดีอย่างนี้เราต้องแผ่เมตตาให้เขาเอาเวลาของตัวอย่าไปโกรธเขา อย่าไปาคาดพยาบาทเขาเจแต่ตอนเพราะว่าเราเราไม่รู้ว่าคนที่มาเนี่ยลักษณะการคุยอเขาคุยกับเราเขาคุยดีมากเจ้าคะแต่เราไม่รู้ว่านายักางในของเขาคือคือจะมามาทําให้เราขุ่นมัวเจ้าค่ะก็เลยบอกตัวเองว่าไไมมุ่ัวด้ใจเราต่หากที่ทําให้เราขุนมัวเองกิเลสของเราอย่าง้อยากเขาพูดดีๆพอเขาไม่พูดเป็นดีแล้วก็ขุนมัวแล้ว แต่ถ้าเราอยากให้เขาพูดไม่ดีเพราะเขาพูดไม่ดีเราก็ดีใจวันนี้สนใจแทงหวย แ, แทงถูกหวยแล้วอย่าไปบอก <ยา S 2> ตัวเองว่ายินดีตามมีตามเกิดมาดีก็ได้มาร้านก็ได้เนี่ของเขาเราห้ามเขาไม่ได้บังคับเขาไม่ได้เจ้าค่ะก็บอกกับตัวเองว่าให้ท่องอิติปิโสตลอดเลยเจ้าค่ะให้ท่องท่องท่องท่องเอาไว้อย่างวันนี้มีอารมณ์โกรธก็ หยุดหายใจบ้างไงเจ้าค่ะเพราะว่านั่งนอาไว้แล้วก็ท่องใช้ปัญญาไม่ได้ก็ใช้สติเหมือนกันต้องสวดไปเจ้าค่ะมีเท่านี้ใช่ไหมวันนี้มีมีเท่านี้เจ้าค่ะโอเคกลับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะคุณวันหรือคุณแหวนไม่ทราบอ่านภาษาอังกฤษมันได้แหวนเะอ่าเชิญอยู่ที่ไหนเปิดไมค์ก่อนได้ไหมคะได้ยินนะพูดดังๆหน่อยค่ะกลับนมัสการนะคะหลวงพ่อ มาาที่ไหนอยู่เชียงใหม่ค่ะหวานค่ะหวานนะาครั้งแรกใช่ไหมเนี่ยครั้งแรกเลยค่ะแต่ว่าดูที่เ c e b o o k บ่อยอยู่ค่ะมีอะไรั้ยค่ะจะกกับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะเวลานั่งสมาธิหนูเออปกติหนูจะนั่งแล้วก็มันก็ไม่นิ่งไงค่ะพระอาจารย์แต่พอพระอาจารย์สอนนะคะให้หายใจ อะไรนะคะให้ดูลมหายใจตรงน้าอกใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าบางทีมันนิ่งแล้วมันมีแสงอยู่ตรงแถวๆนี้ค่ะมันจะเห็นแสงก็ลู้เฉยๆไปไม่ต้องไปยุ่งกับมันก็คือดึงกลับมาที่ที่ลมต่อไปดูลมไปได้เลยๆจกว่จิจะว่งจนกว่าจิตจะว่างจะนิ่งแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องไปเพ่งแสงใช่ไหมคะอู่าไปเพ่งแสงนะคะอะไปตามแสงให้ตามลม ให้ดูลมของเราไปเรื่อยๆได้ค่ะคร <Yeah. S 2> าวนี้ค่ะอาจารย์ okay. ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมาขนาดที่น่าอย่าไปสนใจอาจจะเป็นแสงอาจจะเป็นภาพอาจจะเป็นเสียงอะไรก็อย่าไปสนใจคะค่ดูลมอย่างเดียว uh, ดูลมอย่างเดียวให้ใจสงบนิ่งแล้วว่างแนละ้วทีนี้ก็สบายลมก็หายไปเวลาว่างนี่ทุกอย่างหายไปหมดเลยแต่ความว่างถ้ายังไม่ถึงตรงนั้นก็ดูลมไปเรื่อยๆได้ค่ะอาจารย์โอเค ติดตามมานายังโอ้ฟังทุกกลางวันค่ะไปรับลูกก็เปิดฟังบ่าตอนบ่ายถ่ายทั่วทั้งสองโมงเนี่ยเหระค่ะไปเชียงใหม่นะค่ะคุยกับแฟนว่าถ้ามีโอกาสจะไปกราบพระอาจารย์ดูปะก็กราบที่นี่ก็ได้เนี่ยกราบที่นี่ก็ได้ใช่ไหมคะเหมือนกันแต่วันนี้เรามีของวิสของดีใช้แล้วด้วยเดินทางมันเหนื่อยด้วยงั้นกราบพระอาจารย์เลย แต่ถ้าผ่านมาก็แวะมาได้นะแต่ต้องมาช่วงบ่ายสองจะมาเยี่ยมได้ก็เฉพาะวันวันที่มีแสดงธรรมบ่ายสองโมงเสาร์อาทิตย์วันพระโดอถ้าจะมาทุกวันก็ต้องมาวันวันตอนเช้าที่ศาลาฉันออืกลับทุกวั น, นะคะ่ะบ่ายสองอที่บ่ายสองแล้วกัน <laughs> โอเคเอาทันทะีก่อนนะสวัสดีจาะานางฟ้าจําแนกว่าไงมีอะไรไหมเชิญ นมัส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะอตอนนี้หนูนปิดปิดไมค์ครับปิดไมคใหม่อ่าปิดแล้ ว, มลวนมัส ก, การพระอาจารย์ค่ะได้ยินหนูไหมคะได้ยินได้ยินเชิญตอนนี้หนูใช้เวลาที่เหลือตอนนี้ถึงสิ้นเดือนอยู่คนเดียวในห้องไม่ทําอะไรแล้วค่ะอ่าดีก็จะริ่มสติไป ยังสมาธิไปแล้วก็ดูแล้วค่ะแล้วก็ดูอาการทางใจอย่างเดียวอย่างเดียวเลยค่ะพระอาจารย์อยู่ทั้งวันกินมื้อเดียวอย่างที่พระอาจารย์สอนอย่าดูมันดีกว่าหยุดมันดีกว่าอาการทางใจคนจะหยุดมันด้วยสตินี่กว่าถ้าถ้าดูมันก็ไม่หยุดนะคือมันเกิดมาเองอะค่ะก็ต้องใช้พุทโธพุทโธไปอย่าอย่าปล่อยให้มันเกิดทําใจมันว่างให้มันนิ่ง มันจ ะ, จะสบายถ้าดูมันเดี๋ยวมันก็มันก็หลอกเราได้เดี๋ยวก็หลอกให้เราคิดนู้นคิดดีต่อไปเราจะไม่มีความสุขถ้าคอยดูมันคือหนูเฝ้าสังเกตนะคะใช่แต่มันไม่ถูกวิธีไงตอนนี้เราต้องการที่จะหยุดจิตไม่ใช่ปล่อยให้มันเพินพ่าน หยุดมันด้วยพุโทโธพุทโธทำจิตให้เน่งให้สงบให้ว่างให้เย็นให้สบาย น, นเสียเวลาเปล่าๆนะคอยดูจิตตอนนี้ไม่เกิดปะระโยชน์เลยเพราะเราไม่มีเครื่องมือที่จะไปปราบจิตเราต้องมีสมาธิมีปัญญากว่านเราถึงจะไปดูจิตได้อะไรยังไม่มี ส, สติไม่มีปัญญานี่ไปดูมันไม่ได้ดูก็ทำอะไรมันไม่ได้ การดูจิตนี่เราต้องการที่จะหยุดจิตปราบจิตคำลาบจิตให้มันเป็นจิตที่ที่เชื่อมที่สงบที่ว่านอนสอนง่ายเข้าใจไหมถ้าไปดูแบบที่ไม่มีเครื่องมือก็มือไปควบคุมมันดูไปก็เสียเวลาเปล่าๆเร า, านนไม่ดูจิตเราเบื้องต้นการปฏิบัติการเจริญสตินี้ให้ดูที่ร่างกายดูกายเพื่อให้หยุดชินหยุดคิดหยุดจิ ต, จตก่อน ให้เข้าสมาธิได้ก่อนพอกจากสมาธิมาก็ให้ดูจิตแต่ต้องดูด้วยปัญญาพิจารณาว่าจิตไม่เทีย่ยมอารมณ์ต่างๆไม่เทีย่ยมมีเกิดมีดับเป็นทุกข์ถ้าเราไปถ้าเราไปดงก็มันอย่าไปอยากก็มันต์ตอนนี้อย่าเพิ่งไปดูจิตเลยถ้าดู ก, ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร แล้ดูจิตได้ต้องมีสมาธิเลือกต้องมีอปปนาสมาธิแล้วเอาใจอปปนาสมาธิแล้วก็มีเครื่องมือที่จะดูจิตได้ถ้าจิตคิดในทางที่ไม่ดีก็หยุดมันได้แล้วก็บังคับสอนนั้นมันคิดไปในทางที่ดีนี่คือการดูจิตไม่ใช่ดูเฉยๆมันจะคิดอะไรก็ปล่อยมันคิดไป อ, อยวคิดอะไรมากๆเดี๋ยวทนไม่ไหวว่าไปทําตามที่มันคิดเอง คือบางทีก็ทําตามบางทีก็ให้หาวิธีกดให้มันดับอะค่ะพระอาจารย์นัน่นแหะเรต้องใช้สติไ ง, งมันถึงจะดับได้<ะ>ถ้าไม่มีสติก็กดไม่ได้ดับไม่ได้ค่ะเขียนฝึกสติก่อนค่ะพุโทโธพุโทโธหรือถ้าจะดูก็ดูกายแทนดูกายได้ดูกายเพราะดูว่าร่างกายกำลังทำอะไรอย่าปล่อยให้ใจไปคิดดูกายเพื่อหยุดคิด คุยโทรศัพก็พหยุดคิดเมืเราหยุดคิดได้ที้เราก็ไปดูจิตได้เวลาจิตคิดไม่ดีเราก็จะหยุดมันได้อันนี้เป็นคิดไม่ดีก็หยุดมันไม่ได้พระอาจนะค่ะพระอาจารย์อีกทานี้นะแล้วก็เดี๋ยวชิ้นเดือนนี้ย้ายออกแล้วก็ไปอยู่วัดแล้วค่ะเออดีอานนี้ก่อนนะค่ะโอเค คุณเทรนทอนเชิญจะคุณเทรนทอนอันนี้กลับมาที่แมวิลล์แลนะใช่ไหมกลับมาแล้วคะ่ะนมักการพระอาจารย์คะ่ะยงก็มากราบพระอาจารย์ที่นี่เหมือนกันคะ่ะอยากกลับไปเมืองไทยไปกราบแต่ออกตอนนี้ที่นี่ก่อนนะคะอ ย, อยู่อยู่เมืองเดียวคุณจิ๊บ ป, ปะป๋าเล อ, อยู่กันเราเมืองยม อ, อยู่ซิวสปริงคะ่ะก็ไม่ไกลกันนะคะก็ห่างจากจิ๊บประมาณขับรถก็ไม่เกินครึ่ชงชั่วโมงอะคะ่ะพระอาจารย์เหมือนนนทบุรีกับขอนบุรีอะไรอเงี้ ค่ะพระอาจารย์ค่ะพระอาจ<ม>ารย์ค่ะก็วันนี้ยมก็ไม่มีอะไรอะค่ะพระอาจารย์ยมแค่รู้สึกว่ามันมันนิ่งๆเฉยๆเพราะว่าในแต่ละวันนี่มันก็คือยมคิดว่าโยมโชคดีที่ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับผู้คนมากมายมไม่ต้องไปมีอะไรกระทบกระเทือนใจโดยเฉพาะเรากลับมาอยู่บ้านเราแล้วมันมีความสบายใจในระดับหนึ่งโดยที่ไม่ต้องมีเรื่องมีเรื่องอหรือว่าต้อง มันทําให้เรารู้สึกว่าเราสงบมากอะค่ะพระอาจารย์แต่ว่าค่ะพระอาจารย์แต่โยมกลับปฏิบัติได้น้อยลงมันมันเวลาที่ใช้นั่งสมาธิมันกลับมีน้อยลงเพราะว่าโยมโยมก็ให้เวลากับลูกมากขึ้นอะค่ะพระอาจารย์แต่ว่าเหมือนเวลามันก็มี24ชั่วโมงทุกวันยอยู่ที่เราจะจัดสรรเวลาเองใช่ค่ะพระอาจารย์แต่เหมือนกับว่าในระหว่างวันเนี่ยโยมใช้ การกําหนดสติการกําหนดอิริยาบุตเข้ามาประกอบแทนนะคะ<ต>เพื่อให้ถ้ายัางต้องเคลื่อนไหวอยู่ก็ให้ใช้การเจริญสติไปพอเปเวลาว่างก็นั่งหลับตาเข้าสมาธิไปอย่างสมมติโยมไปนั่งนั่งจอดรถอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์จอดรถรอรอเรียนรอรอลูกเรียนพิเศษอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์โยมก็นั่งสมาธิในรถไปอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่มันก็ก็ได้แต่มันก็แค่ว่าบค่ะ อ่าลูกตอนนี้กลับมาอยู่กลับมาด้วยกัน่ะค่ะพระอาจารย์ยมก็ยมต้องการให้เขากลับมาเนี่แหละค่ะก็เลยก็เลยรอกลับมาพร้อมกันเพราะช่วงนี้ก็เลยต้องให้ความดูแลเขามากหน่อยนึงค่ะพระอาจารย์แต่ก็กลับมาเรียนหนังสือที่นี่ต่อค่ะพอดีว่าโรงเรียนเขามีให้เลือกว่าจะกลับไปโรงเรียนไหมยมก็เลยเขาก็อยากกลับอะค่ะยมก็เลยบอกให้เขากลับแล้วก็จะกลับวันที่ยี่สิบหกเมษา แล้วก็เรียนอาทิตย์เวอนอาทิตย์นะคะก็คือสรุปว่ากลับไปเรียนที่ลไปที่โรงเรียนค่ะก็แต่แต่ว่าอะไรนะคะพระอาจารย์อายุสิบสามกำลังจะสิบสี่ค่ะพระอาจารย์ขึ้นตอนนี้อยู่ปีสุดท้ายอยู่เกรดแปดค่ะพระอาจารย์ค่ะอยู่มสองนะกำลังจะขึ้นไฮสคูลค่ะพระอาจารย์ค่ะก็เลย ใช้วิธีการกำหนดอิเลียบทย่อยเอาแล้วเวลาสมมติในระหว่างวันเนี่ยค่ะพระอาจารย์มันก็จะมีพุโทโธพุธโทโธขึ้นมาอยู่แล้วค่ะยมก็กำหนดตรงนั้นไปเรื่อยๆเพื่อที่จะหยุดความคิดมันก็เลยทำให้โยมรู้สึกว่าช่วงนี้โยมไม่ค่อยคิดไม่ไม่มีเรื่องอะไรที่มากระทบใจแล้วก็ไม่ค่อยคิดแล้วเวลามีอะไรเราก็ทาคือรู้ว่าจะต้องทาอะไรก็จะต้องทาแล้วมันก็จะไม่ไม่ ไม่กังวล น, นะคะพระอาจารย์ได้เพราะความกังวลก็เกิดจากความคิดขอ <c oughs> นนงเรามันหยุดนะคะพระอาจารย์ก็พอหยุดคิดมันความกังวลมันก็หยุดตามแล้วก็ยอมรับสภาพความเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกเราก็ยอมรับสภาพตามความเป็นจริงว่ามันมันก็เป็นเช่นนี้เองเราได้เดี๋ยเราก็เราก็ปล่อยอะค่ะพระอาจารย์ทําให้โยมไม่ไม่ไม่มีความทุกข์ร้อนใช่ ทุก อ, อย่างเป็นอนัตตาพวกคุณมังกรข้าพเจาอย่างมองเห็นต้นไม้ข่าพาจย์เห็นดอกไม้กําลังเริ่มจะผลิล่ะมันสปริงมันจะมาละก็รู้แล้วว่าออนี่มันคือไม่ความไม่มั่นคงไม่แน่นอนเปลี่ยนแเรื่อยๆแม้ว่า<ม>อากาศสปริงมันจะมามันก็ยังหนาวอยู่เราก็ยังมีเห็นมันก็เห็นถึงความคือมันเป็นช่วงจังหวะโอกาสที่อากาศความเปลี่ยนแปลงมันเห็นความ เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนไม่ว่าอากาศจะอุ่นแล้วแต่มันก็เองแอบหนาวอยู่มันมันเห็นความคือโยมคิดว่าโยมมองอะไรเป็นเป็นธรรเนียบ่ยดูร่างกายเราดีกว่าไปดูร่างกายเมื่อสิบปีที่แล้วกับวันนี้ชัดเจนมากถ้าดูทุกวันมันยังไม่เห็นฟันเฟินอย่างเงี้ยค่ะมันใสายตาอย่างเงี้ยมันเห็นชัดเจนมากว่าเออเรานี่มันเปลี่ยนแปลงไปมันจะเส่มเรื่อยมันจะแก่เสื่อมไปเรื่อยๆ เห็นความเป็นอนัตตาเห็นความเปลี่ยนแปลงว่าเอ้าคนเราเนี่ยมันเกิดตายกันภายในเวลาสองสามชั่วโมงอย่างเมื่อวานนิยมก็ไปฉีดวัคซีนมาแล้วค่ะพระอาจารย์อแล้วก็ไปฉีดฆ่าสัตรูยมก็ไม่ทราบว่ายมก็ไม่ทราบว่าต้องไปยืนเข้าแถวเป็นชั่วโมงครึ่งก่อนที่จะเข้าไปที่ฉีดวัคซีนแล้วอากาศก็หนาวมากเราก็คิดว่า เราเนี่ยจะไม่ตายด้วยโควิดแต่เราเนี่ยอาจจะแย่เพราะเราเปนหมอมากกว่าคือความความความไม่แน่นอนเแล้าอุตส่าห์ที่จะเราไม่อยากโดนโควิดเราจะต้องลดอะไรต่อะไให้ได้มันจะต้องไม่ไม่เจ็บปวดไม่ทรมานแต่สุดท้ายเราก็ไปเจออันใหม่เห็นว่าุมันมันไม่แน่นอนจริงๆนะชีวิตนี้ไม่อยากยินดีตามมีตามเกิดจะตายแบบนั้นมาถึงเวลาใกล้มันมันก็ไม่ได้ ใช่ค่ะพระอาจารย์โยมก็ไม่ทราบว่าโยมจะไปโดนวัคซีนตัวไหนเ <Ooh. S 2> พราะ ม, มีการคนพูดกันมากมายว่าตัวนั้นดีกว่าตัวนี้มันมีการเปรียบเทีย บ, บนะคะพระอาจารย์แต่โยมก็เหมือนกับเดินเข้าไปแล้วโยมก็ธรรมะจัดสรนถ้าเราจะได้ตัวไหนเราก็ได้ตัวนั้นเดี๋ยวอันไหนดีไม่ดีก็แล้วก็บอกว่ารวมเซอหรือโมเดอร์นาหรือจอร์นสันได้ไฟเซอร์ค่ะพระอาจารย์ได้ไฟเซอร์ค่ะพระอาจารย์แต่ละตัวนี้ก็ทําหน้าที่ใกล้เคียงกันอยู่นะ ค่ะอาจารย์อย่างน้อยโยมฉีดไปเข็มแรกก็จะไม่ไม่ไปปล่อยเชื้อให้ใครถ้าโยมไปติดมาเนี่ยค่ะเดี๋ยวนก็ถ้าเราฉีดทำให้แพ้ก็ถือว่าโอเคแล้วละโยมรอยดูวันอี้โยมพะอาจารย์วันนี้วันแรกเพิ่งไปฉีดคํา้งที่สี่เมื่อวานไม่นะคะไม่มีอาการก็มีแค่ชั่วโมงแรกที่หลังจากที่ฉีดแล้วคือเขาจะให้มันจะเหมือนกับอะไรมันวิ่งไล่ลงมาเหมือนเป็น แต่มันก็เป็นอาการปกติของเหมือนกับเวลาเราฉีดยาแล้วเหมือนกับมีอะไรเข้ามาในร่างกายอะค่ะพรอาจารย์แต่เขาก็จะให้เรานั่งหลังจากที่ฉีดเสร็จเขาก็จะให้เรานั่งอยู่ในในห้องห้องหนึ่งสิบห้านาทีก่อนเพื่อที่จะดูว่าเรามีอาการอะไรไหมค่ะพรอาจารแต่คนอื่นที่เขาฉีดโมเดอร์นาเขาก็บอกว่าเขามีอาการปวดแขนบ้างแล้วก็เหมือนกับจับลงไปแล้วก็เหมือนกับเป็นก้อนๆตรงที่ฉีดอะค่ะแต่ก็ไม่มีอะไรทุกคนก็ ปลอดภัยดี<ร>ค่ะพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์คนตัวเวก็ฉีดซ้ําเข็มแล้วเนี่ยก็<笑><笑>เดี๋ยวอีกสามวอาทิตย์ก็ไปฉีดอีกรอบนึงค่ะพระอาจารย์ เ, เพราะว่าโยมอยากกลับเมืองไทยไปกราบพระอาจารย์เหมือนกันก็ยังไม่ทราบว่าเมืองไทยจะมีนโยบายกานป <ขา S 1> ิดใครนายกนา ย, นายกเพิ่งฉีดเมื่วานนี้ค่ะโยมก็รอเปิดประเทศอยู่นี่แล้วก็กําลังเริ่มมีการฉีดแล้วตอนนี้เราก็เอาฉีดคนสําคัญสําคัญก่อนค่ะค่ะพระอาจารย์ก็ ขอให้พระอาจารย์สุขภาพแข็งแรงนะคะสาธุนะคะข้าข้ากับนมัสการพระอาจารย์สวัสดีค่ะประยกน์ผู้ามุกหมาพร้อมหรอยังเด็กๆเข้ามาเลยผู้พระมุใหม่ผู้พรมุกใหม่หลับไปแล้วค่ะนสการสวัสดีชุด MM หลัแล้วก็แชยงงานค้างนะคะเขาก็เลยแล้วก็กลับมาออกกำลังกายแล้วก็หนึ่งชั่วโมงเต็มกับพ่อก็ไปนั่มาทเลยะกันหนอไม่หลับกบว่าเป็นอนอนเขาปับคำถามอ่าลงตาว่าทำไมช่วงนี้ขเขาเลยเหมือนกับว่าก็าชอบกปิดไปกับเกมกับของเล่นการ มีสติได้เขาบอกโยมอย่างนี้ค่ะให้ถามใหม่ที่สียงผู้ผูผาผู้ผาเขาฝากโยมถามหลวงตาว่าทำยังไงเขาถึงจะมีสติเพราะว่าเขาชอบคิดชอ บ, ชอบติดเกมติดเกมอย่างี้ค่ะเวลาเวลาคือโยมตอนนี้โยมเก็บคอออุปกรณ์แทบเต็มไอแพดอัไังเขาหมดเรียบร้อยแล้วค่ะและทีนี้คือมันติดมาจากช่วงโควิดเขาเรียนออนไลน์ไหมคะเขาก็เลยติดพวกเกมพวกอย่างเงี้ย ตอนนี้เขาก็เครียรงานค้างแล้วทีนี้เขาก็แบบเหมือนเขาก็พยายามต่อสู้กับตัวเขาเองแล้วเพราะว่าเขาอยากถามว่าไกดี้เขาถึงจะมีสติเวลาเขาเห็นโทรศัพท์อเนี้ยคนหางานในคอมเขาจะได้ไม่ต้องหลุดไปกับการแบบไปเปิดเกมอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องคอยควบคุมใจห้ามใจเอานว่าเรามีหน้าที่เรางทำอะไรก็ทํำอย่าไปเล่นเกม อันนี้ก็มันก็ต้องอยู่ที่ตัวเองอะตัวเองที่จะต้องอห้ามตัวเองก็ไม่รู้จะห้ามไงจะใช้พุโทโธทำพุโทโธไปก็ได้ทำพุโทโธใช่ไหมคะเทำพุโทโธไปสวดมนต์ไปก็ได้ไวลาอยากจะไปเล่นเกมให้ท่องสวดมนต์ไปพุโทโธพุโทโธอัลังกสมาไปค่ะนใน <ไป S 2> ยม<อ>จะบอกเ ข, ขาค่ะ หนูก็มีคำถามเจ้าค่ะคำถามอะลูกคือว่าตอนที่ไปฟังเทศเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วแล้วหนูแล้วพัดหนต า, น ก, าก็บอกว่าถ้าแบบว่าอยากจะแบบว่าไม่ให้มีความคิดอะไรให้พุทธโทสู้กับมันแล้วทีนี้หนูก็เลยไปพุทธโทตอนออกกําลังกายแล้วมันก็ติดพุทธโทรจริงๆแต่ว่าพอพุทธโทไปพุทธโทมารู้สึก มันเบื่อค่ะเบื่อก็เอาธรรมโมธรรมโมสังโคเปลี่ยนเป็นธรรมโมธรรมโมไปน่าสังโคสังโคไปก็ได้สลับกันเปลี่ยนกันนะรอยงทั้งสามอย่างก็ได้พุทโธธรรมโมสังโคพุทโธธรรมโมสังโคไปถ้าเบื่อก็พุทธังสรนังกชามิทำมังสระนังกชามิสังขังสระนังกชามิไปเปลี่ยนได้โอ้ยแยยยยยยยยยได้ให้เบื่อยยยย ค่ะสาธุค่ะถ้าสวดสั้นๆมันเบื่อก็สวดยาวๆพุทธังสานังกชามิธัมมังสานังกชามิสังฆังสานังกชามิถ้ายังเบื่ออยู่ก็สวดอรหังสัมมาสัมพุทโธปะปวะคุถังปะปวันตังอะพิวาเทมิตสวดยาวมันยาวขึ้นก็อะไรจะได้ไม่เบื่อันได้รูกดีไ่มสวดได้ไหมอรหังสัมมาสวดได้ไหมสวัสดิโต อ แ, แต่ว่ามันอยากฝึกได้ค่ะฝึกท <c oughs> ่ามาไวอันนี้ก็เป็นการจะฝึกสติได้เหมือนกันน ะ, ะคนโตคนโตไม่ค่อยคนนี้ไม่ค่อยมีอะไรน่าห่วงค่ะหลวงตา เ, เ, เขาเป็นคนเขาเป็นเด็กมีความพยายามมีความรับผิดชอบอค่ะห่วงแต่เจ้าชายคนนี้บกหมายด้วยใบหยกคนนี้คนนี้ใครคะใบหยกคนนี้คนโตใช่ไหมใบหยกค่ะใบหยกมากจะเส้นหลอด หวงเรื่องผู้ชายเลยไปชอบผู้ชายนะยเขาไม่มห่วงคนกลางลูกชายค่ะช่วงนี้ห่วงภูผาค่ะพรว่าวภูผากล้าหลุดค่ ะ, คะชอบหลุดเล่นเหมือนกับว่าถ้าคู่เดี๋ยวเนี้ยคู่ชอบสั่งงานครู่ที่เมื่อชอบสั่งกันบ้างเป็นอะไรที่ต้องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ค้นงานคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอมันเหมือนกับโยมต้องนั่งฟอคาตลอดบางทีโยมไปออกกำลังกายอย่างเงี้ย ห่างเขาตั้งใจน่าู้เดี๋ยวมากขึ้นมาพอขึ้นมาก็จะเห็นเขาแวบไปที่คอมที่ดูเขารีวิวเกมอะไรอย่างนั้นนะคะเขาชอบอ่อนใจเขาอ่อนสู้ความอยากไม่ไหวทํายังไงดีเจคะก็ต้องเฝ้าดูไปเลยเฝ้าไว้ก่อนนะคะเฝ้าไว้ก่อนแวลาเขาทําอะไรก็ต้องทำควบคู่ไปกับเข้าก่อนส่วนส่วนยมก็ ยมยังเหมือนเดิมพ่ะยมก็สวดอิติปิโสไปนะับประคำไปเรื่อยทุกๆวันวันละให้มันได้วันละกูดเลี้ยงลูกด้วยอค่ะก็เลยทําได้ไม่ค่อยเยอะแต่ก็พยายามสวดอิติปิโสให้ได้วันละร้อยแปดจบอย่างเงี้ยค่ะก็พุแล้วก็ระหว่างวันก็พุโทโธพุโทโธแล้วก็ดูรูปพระพุทธเจ้าเหมือนแบบว่าได้เหมือนกับได้เป็น ก, การฝึกกล้า เปล่าพุทธเจะายมคิดของโยงคืออย่างนั้ค่ะดีให้อยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปนะจดบุญไปนะพระธรรมที่เราทำได้ก็แล้วกันตอนนี้มีงานอย่างอางื่นต้องทำก็ต้องแบ่งแบ่งรับแบ่งสู้ไป <Okay. S 2> แต่ว่าแต่ว่ายมย ม, มีอย่างหนึ่งที่ยมรู้สึกค่ะเออหลวงตารู้เป็นไรค่ะยมชอบทุกๆวัน คือยมยมฟังคิดหลวงตาทุกวันใช่ไหมคะพอฟังคือยมตั้งให้แบบว่าได้เด้งอัตโนมัติเวลามีเวลามีโพสมีอะไรเงี้ยค่ะแค่ค่ะยมไม่รู้เป็นไรยมรู้สึกคิดถึงหลวงตาตลอดเลยค่ะช่วงนี้นะคะ อ, อ่ก็ไม่เป็นไรคิดคิดถึงอย่าไปคิดถึงตัวคิดถึงคําสอนดีกว่านะคำสอนมีประโยชน์กว่าคิดถึงตัวตัวเดียวมันก็แก่เจ็บตายไปแล้วทุกคนต้องตดตั ว, วต้องสอนใจกัน ค่ะคิดถึงในที่นี้คือเหมือนกับภาพหลงตาจะลอยมาที่หน้าโยมอย่างนี้นค่ะเขาไม่เป็นไรก็ให้รู้เฉยๆก็ได้ค่ะคิดถึงได้ไ<ม> ค, คิดถึงคิดถึงภาพถึงอะไรนี้ไม่ไม่เสียหายอย่าคิดถึงสุราอย่าไปคิดถึ ง, อ, ถงอ๋อไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ไม่โยมยมโยมอลัทน า, ราปรัชนารักษาให้ได้อย่างน้อยก็คือศีลห้าตลอดชีวิตค่ะแล้วก็ พยายามอาทิตย์ละหนึ่งวันถ้าวันพัสถ้าเด็กๆ ไ, ไม่ตรงกับเสาอาทิตย์ก็คือ ร, รักษาสินแปดด้วยกันกับเด็กๆแต่ถ้าไม่ตรงก็เลือกเป็นวันอาทิตย์ที่เด็กไม่ได้เรียนพิเศษอาหารยังว่าจะพยายามทําอะค่ะใช่ทํ<อ>าไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะค่ะค่ะค<า>ุณค่ะท่านี้ก่อนนะของการรักษาสุขภาพนะคะขอให้แข็งแรงมากๆขอบคุณค่ะ<า> คุณยอดี้แบบบกรักการค่ะสวัสดียร์ดี้เชการนวักการค่ะพระอาจารย์จากพัทยานาเกลือจากนาเกลือค่ะไม่มีอะไรค่ะเข้ามาฟังค่ะเข้ามาเติมกําลังใจค่ะโอเคน่าได้ไหได้เติมไมหมเติมค่ะเข้ามาฟังป<อ>ูสนทนาธรรมฟังเสียงพระอาจารย์หนูก็มีกําลังใจแล้วโอเคเดี๋ยังตามต่อไปนะ ค่ะสาธุค่ะพระอาจารย์นามสการค่ะคุณมาลิดจากกรุงเทพก็ทํา ม, มาใช่ป่ะนี่การละมาธยการหลวงพ่อลครับอืตอนแรกผมเออโอเปนวันที่คุณหลาเห็นคุณหลาไม่ตอบขอหายไปไหนเลยครับอคุณหลาเขาไปไปแต่ช่วนี้เข้าไปปฏิบัติธรรมที่ปัญญาหรือเปล่าครับที่เนี้ยที่เขาที่ออนเนี่ยอยู่ที่ที่ปัญญาเนี้ยอพูดถึงเรื่องธํามานเม็นหนงสสัครับ การคำทานด้วยความอนุเคราะห์กับด้วยความศรัทธานี่มันแตกต่างกันยังไงไหมครับาต่างคือศรัทธาก็คือเราศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็ทําบุญใส่บาทอะไรไปนี่นะทำด้วยศรัทธาทําด้วยอนุเคราะห์ก็คือเห็นมาตอนจัดมาไม่มีข้าวกินเราก็ให้ข้าวของขิดไปนี่ก็ทําด้วยอนุเคราะห์สงเคราะห์เข้าไปแล้ว อ, อันนี้ส่งที่มันเกิดขึ้นกับใจเรามันปาดเป็นยังไงครับ คือมันมันคล้ายๆกันคือใจมั น, ม, นมีอันที่สงหลักก็คือทาบุญทาทานไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดมันก็ทำให้เราอิ่มใจสุขใจนะเราก็มีทรัพย์ติดตัวไปทรัพย์ไายในแต่ผลอย่างอื่นก็คือถ้าทำทาด้วยการอนุเคราะห์เราก็จะได้รับการอนุเคราะห์จากผู้อื่นต่อไปในภายภาคหน้าทำด้วยศรัทธามันก็จะทำให้เราเ มนความเชื่อมั่นในพระพุพะทธธรรมผสงมีผลต่างกันตรงนั้นมีเรื่องหนึ่งครับผมไปทําบุญกับเ อ, อกับวัดหนึ่งที่หนึ่งมาแล้วพอเพื่อนผมเห็นว่าผมไปทําบุญเพื่อนก็เลยโอนเงินให้ผมแต่ผมทําเงินทําบุญไปแล้วเพื่อนบอกว่าเออมาโอนให้ผมถือว่าทําบุญร่วมกันแบบนี้มันได้ไหมครับอาจารย์ก็แบ่งของเราไปทั้งสิ่งถ้าเร า, ากจะได้ของเราก็ก็เอาเงินที่เขาโอนมาไปทําต่ออีกทีอทีหนึง่ง ถ้ากเก็บเอาไว้ถ้าเก็บไว้ก็แสดงว่าเราเอาเงินเขามาหรือว่าเอาเงินเอาเงินของเขาไปทำบุญล่างหของเราเคยกลับมาเขาบอกร่วมด้วยผมก็เลยงงเอ๊ะมันไดเปล่าว่าคือะไรแบบนี้ผมก็เลยไม่มั่นใจผมก็เลยแบบคือเขาได้เพราะเขาให้เรามาแล้วที่อยู่ที่เราเราจะได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่ว่าเราเก็บไว้หรือเราไปทําให้เขา สมมติว่าถ้าเราทําอยู่ร้อยหนึ่งก็ เ, เข้ามาร่วมห้าสิบาทก็เขาขอแบ่งไปครึ่งหนึ่ง้าเราอยากจะได้ร้อยบาทแล้วก็รัห้าสิบบาทที่เขาโอนมาไปทําไปไปทําเพิ่มหนึ oh, <okay. S 1> ่งแล้วเรเกิดไว้ก็แสดงว่าเราก็ได้ทําแค่ห้าสิบเพราะเราได้ทอนเราได้กลับมาห้าสิบเราทําไปร้อยแเราได้คืนมาห้าสิบนี่ก็แสดงว่าเราทําจริงๆแค่ห้าสิบนั่นเองเพื่อนเขขอแบ่งไปห้าสิบ แล้วก็มีส่ว น, นันนึงคือที่อาจารย์นันบอกว่าพอทํางานก็เครียดกับงานเออมันก็เครียดกับงานจริงไปพอเวลาทํางานมันก็มันพยายามจะจับว่างานมันสิ้นสุดตรงไหนมันไม่มีจุดสิ้นสุดแต่พอพูดถึงำทำทําเออมันที่สุดคือความสงบแต่พอพูดถึงงานความสงบความที่สุดมันมันไม่มีมันเหมือนตั้งเป้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆรือรอรอ่อย่างนี้เลยใช่พอเสร็จงานนี่มันก็หางานใหม่ทําต่อเพราะความอยากอยากได้ผลงาน ว่าผลงานคือรายได้ใช่ไหมเรไม่มีความพอเรอยากจะได้มีเงินเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอย่างอันหนึ่งที่ทำให้มีปัญหากันทมสมาธิคือไมเกรนครับเมื่อจับลมหายใจมันมันยิ่งมันยิ่งเกรงหัวเลยต้องแบบเน้นการแบบไปจับตรงท้องแทนมันจะไม่หัวเท่าเวลาเป็นเวลาเป็นไมเกรนอไย่าง้ก็แล้วแต่ถ้ามีปัญหาตรงนั้นก็เปลี่ยนเปลี่ยนที่ได้้าดูลมก็ดูที่ท้องแทนก็ได้ ถ้ามันดูมีปัญหาก็ใช้พุโทโธพุโทโธประทนก็ได้แล้วี้คําว่าใช้ทำนําหน้านี่ในทางโลกคื อ, อยังไงก็ทำนก็คือความถูกต้องนะเช่นใช้ศีลธรรมนําหน้าทําอะไรก็ต้องไม่ไม่ผิดศีลธรรมนี่ก็ใช้ทานําหน้าหรือใช้ทานนําหน้าการทําทานนี่จะนำหน้าก็ได้ไปไหนก็จะมีแต่ทำบุญทาทานะ แล้วต่เราจะใช้ทําระดับไหนแล้ทางนําหน้าใช้ศีลนําหน้าใช้ภาวนานําหน้าภาวนาก็ไปบวชอยู่คนเดียวไปภาวนานําหน้าเอแล้วคําว่าที่บอกว่ารักทุกชีวิตเสมือนเหมือนรักมันเองทำนั้นทุกชีวิตรักชีวิตของเราก็คือชีวิตเขาชีวิตเราเหมือนกันเขารักชีวิตของเขาเราก็รักชีวิตของเราใช่ไหมแสดงว่าชีวิตของเราชีวิตเราก็มีคุณค่าเท่ากัน เราต้องรักเขาเหมือนรักเราใช่ใช่เราต้องรักเขามันเอาลักเราเราจะได้ไม่ไปทําร้ายเขามแล้วไม่ทาร้ายตัวเราใช่ไหมใช่ครับเราก็ไ ม, <c oughs> ไม่ถ้าเรารักคนอื่นเราก็จะไม่ไปทำร้ายเขาเหมือนกันแต่เราบอกให้ใครรักตัวเรารักคนอื่นแล้วรักตัวเราเราจะได้ไม่ไปทําร้ายผู้อื่นเราจะได้รักผู้อื่นแล้วถ้าคนคนนั้นเขาแบบเบียดเบียนเราอย่างนั้นนะครับแล้วรัน ก็ยังร่ำได้อยู่แล้วก็ให้อภัยเข้าไปแต่ถ้าอะไรที่ตามกฎหมายแล้วก็ปล่อยตามกฎหมายไปก็ได้แตาเรื่องของกฎหมายถ้าเราห้ามไม่ได้ครับเรื่องผองกฎหมายแล้วองงกดแห่งกรรมก็มีตามมาเหมือนกันแต่อย่างน้อยเราไม่ไปมีทุกไม่ไปมีเรื่องเวลากับเขาไแล้วคําว่าประชานิปไตยนี่มันเป็นหรือว่าเป็นธรรมไหมครับห<อ>รือว่าไม่ใชก่การเมืองละการเมืองละ ไม่รู้วัน<ๆ> น, นี้ไม่ต้องมาเกี่ยวเข้ามาผิดท่อมนะถ้าประชาธนปตไตยต้องไปอีก้างนึงนะนี่ากจะชัดเจนชัดไปให้เหลือเสียเลยพอแล้วพอแล้วออกก็ออกจากห้องนี้ไปได้แนละ้ววันดีดูทันนะเดี๋ยวห น, านา้าพ่อไปผ่านการเมืองใยุ่งนะคนอาทีตทอนไม่ทราบว่าเปิดกล้องอยู่หรืป่า ผมไม่ได้เปิดอามาเปิดแล้วเชิญมาสม ก, การครับพระอาจารย์มาจากที่ไหนกรุงเทพครับพระอาจารย์มีอะไรไหมไม่มีครับผมก็เคยนึกถึงพระอาจารย์ครับก็เข้ามาดูพระอาจารย์ผ่านซูมครับปกติก็อยู่ในกรุ๊ปของไลน์ของพระอาจารย์อยู่แล้วครับผมอยู่ในกรุป๊ปไลน์เรือ่อยๆครับผมแล้วก็ เมื่อกี้ลองเปิดที่ขับเฮาส์ดูเสียงก็ชัดปกติครับอาจารย์ครับที่เท่านี้เป็นเป็นอะไรเป็นช่างก่อสร้างใช่อยู่ในกรุ๊ปไลน์มีมีพรอไลน์นึงว่าไไลน์แอดใช่ครับไลน์แอดครับไลน์อันแรกก็อยู่ครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่เห็นมันแอคทีฟตแล้วก็ก็ก็เห็นไลน์แอดครับเพราะเนี่ยมันยังได้ต้ราเสียตังค์มันเลยไม่แอคทีฟพอพอยิงบางทีต้องจ่ายสตังค์ก็เลยครับ เป็นนานๆถจะยิงสักั้งหนึงครับผมอันนั้นลายแอ s เรามีสองอันจะเป็นลายใช่ครับอมีลายอันแรกที่ตอนนี้มันไม่ไม่ค่อยมีอะไรบอกนะครับอาจารย์แล้วก็มีอันที่อันที่สองเป็นลายแอดครับผมที่ที่มีมีพระอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าห้ามไม่ให้พิมพ์อะไรเข้าไปอะครับอันนั้นนะครับลายนั้นครับครับแล้วก็ตอนนี้ก็ฟังผ่านขับเช้าที่มีเสียงตอน มีเสียงอย่างเดียวะครับครับตอนไหนตอนตอนที่ถ่ายเท่าสดนี่เหรอใช่ครับวราะมันผมไม่กดกระดิ่งไว้ครับพอมีกระดิ่งปุ๊บมันก็จะดีดเตือนในไอโฟนเลยครับพระจักรตอนนี้ก็ขับเฮ้าสก็มีอยู่ใช่ครับตอนนี้มันแต่พอพอเข้าที่ซูมปุ๊บรับเฮามันจะตัดเสียงไปเองครับเหมือนมันเปิดสองแอปพร้อมกันไม่ได้ไม่ได้แต่ถ้าเราปิดซูมแล้วก็เข้าไปในครับเฮ้าได้ ใช่ครับใช่ครับแต่พอดีผมอยากเห็นหน้าพระจางของเมฆเข้ามาดูในซูมครับครับครับผมในซูมก็ได้ไปดูในเฟซบุ๊กันนด้ในเฟซบุ๊กก็มีถ่ายทอดสดอยู่อ๋อครับครับครับผมพูดไม่ได้ในในเฟซบุ๊กดูได้แต่ถามไม่ได้ครับผมครับผมโอเคไม่มีอะไรใช่ไหมจะได้ไปที่ต่อไปครับไม่มีอะไรครับครับนามสกาธครับสาธุครับอ อันต่อไปเมื่อกี้เห็นใครนะคุณไอโฟนไอโฟนโผล่เหรอครับไอโฟนโผล่เชิญคุณไอโฟนโผล่ได้ยินไหมกดกดอันมิวได้เลยฮะกดอันมิวอ๋อใช่ไหมวะโอเคครับอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ไหนเออค่ะอยู่กรุงเทพค่ะอืมค่ะเป็นยังไงมีอะไรไหมเออจะ ไม่เป็นไรค่ะยังยังไม่ถามดวกว่าถามได้ไม่เป็นไรเคยเคยเข้ามาหรือเปล่าครั้งแรกครเคยค่ะเคยมามาบ่อยค่ะมาจัสาครังเสียงเสียงจำได้แต่หน้าตาจำไม่ได้ชื่อสุภาพรณ์ค่ะเด็กันมาปฏิบัติอยู่วนเขาใช่ไหมใช่ค่ะที่มีลูกสองคนสอคนค่ะเอ่อคือช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เจริญภาวนานะคะแต่ว่าครั้งที่ไปทำ บนขาวอะค่ะเดือนธันวาคมรู้สึกว่าอาทําให้สติเนี่ยาสามารถทําทํามันเปนเ็นเซ็นเซอร์ได้เร็วขึ้นนะรู้ไวขึ้นรู้ไวขึ้นรู้ไวขึ้นแล้วก็จับได้เร็วขึ้นแล้วก็พอเวลาจิตมันมันอ่ากระทบกับอารมณ์ต่างๆเนี่ย อ, ม, อมันจะไม่มันไม่ได้จับทันทีก็จริงบางครั้งก็ใช้เวลาแต่ว่ามันไม่ได้ปล่อยให้มันนานเหมือนมะ่อกอะไรอย่างเงี้ย <ส>ก็รู้สึกใช่ค่ะคือถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เจริญสมถาถะแต่รู้สึกว่าเออเราเราเราจะทุกน้อยลงอ่ะเหมือนตัวเราจะมีอ่าเหมือนกับตัวเราใจเรามีเกาะเออเหมันกับมันมีเกาะแบบมีออล่าคุมเราอยู่ทำให้เรารู้สึกว่า <im bra k> เออเราเราสังเกตได้ว่าคือทุกน้อยลงะะ <im bra k> ่ะคะอืมแล้วก็เอ่อก่อนหน้านี้ที่ว่าเราจะมีความเป็นห่วงเป็นใยแบบพ่อแม่พี่น้องโน่นนี่นั่น ก็ก็ก็ตัดได้อ่ะ <Gin> ค <sw at> ือเริ่มตัดได้คือคิดใช่แล้วคือคิดไปคิดมามันสาวได้ว่าเอ้ยจุดเริ่มต้นของแต่ละคนเนี่ยมันเป็นที่ความคิดเลยแล้วเราก็เปลี่ยนความคิดไทยไม่ได้เออมันมันจะเห็นเลยว่ามันอ๋อมันมันเริ่มมาจากไอสัมมาทิฏฐิตัวแรกค่ะคือจับได้ว่าเอ้ยมันแก้ยากนะเราพูดไปอะไรไปก็สู้ว่าเออคือทุกคนก็จะมีวงของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ เราก็เราสงสารมากก็ไม่ได้เราไปเปรียบเทียบมากก็ไม่ได้ก็ก็คืออยู่แบบเข้าใจเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ช>แล้วก็<ม>ให้ความช่วยเหลือเท่าที่ทําได้ใช่ถูกต้องบอกเขาเท่าที่จะจะบอกได้เขาจะรับหรไม่ร<ด>ับก็เรื่องของเขาเองทีใช่ครับพอตัดได้เขาจรู้สึกว่าโอ้โล่งไปเยอะเลยคือก่อนหน้านี้ห่วง<อ>พี่คนนี้อ่ะห่วงพี่คนนี้ห่วงน้องคนนี้ห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงไปหมดจนเราวันวันเราแบกแบกไว้อย่างเงี้ยค่ะเออ ว่าไม่มีสติไงเผลอปล่อยให้มันคิดใช่ไม่มีสติมันก็เลยว่ากาลังใบแบกมั้งนะใช่มันกลายเป็นว่าเราเราเหมือนกับเรากลายเป็นกรลูนาแบบเป็นเป็นภัยกับตัวเองเรากรุณาเพื่ออื่นนะท้าที่สุดแล้วมันเป็นภัยกับเราแล้วมันเบียดเบียนตัวเราใช่ต้องต้องให้ต้องให้ความสุขกับตัวเราก่อนนะครคือตัวโฮมี่ค่ะอ่า แล้วก็อันนี้มันไม่ค่อยได้เกี่ยวกับปฏิการปฏิบัตินะคะคําถามนี้แต่แค่สงสัยเฉยๆค่ะคือตอนเรามาอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยเรามาคนเดียวแล้วก็มันก็มีการแบบใช้สุดแล้วก็ต้องอยู่กันเป็นหมู่คณะโยงใยไปทั่วอะไรเนี้ยสมมุติว่าเวลาเราตายไปเนี่ยเราไม่มีร่างกายแล้วเราเราไปอยู่คนเดียวใช่ไหมคะค่าประมาณคนเดียวไปคนเดียว แล้วทำไมเราเวลาเรามาเกิดเป็นโลกใบนต้เราต้องโยงใหญ่ไปทั่วอะไรยังไม่เข้าใจเร า, เราชอบไงความเราชอบคุกคือกับคนแล้วชอบ <m> หาความสุขจากผู้อื่นอยเงี่ยแต่ถ้า <m> เราปฏิบัติทําไปเรื่อยๆต่อไปเราจะไม่อยากจะอยู่ไม่อยากจะหา <m> หาความสุขจากคนอื่นหาความสุขอยู่คนเดียวดีกว่าก็ไปอยู่ในในิพพานแทนต่อไปพอเวลาที่เราละกายนี้แล้วไปอยู่โลกลิปนี้ก็คือเราก็คืออยู่ เป็นหนึ่งใช่ไหมคะอยู่อยู่คนเดีวยวก <ๆ S 1> <ๆ S 2> แต่มัเหมือนนอนหลับนอนหลับแล้วก็ฝันไปฝันดีก็ถ้าทําบุญเยอะก็ฝันดีทําทําบุญน้อยทํำบามากก็ฝันลายไปจนกว่าจะเกิดได้น่างกายใหม่ก็ามาหาความสุขจากคนอื่นใหม่จนกว่าเราจะปฏิบัติธรรมตัดการหาความสุขจากคนอื่นได้หมดแล้วก็ไปอยู่คนเดียวอืม นี่พระพุทเจ้าตอนนี้ก็ยังอยู่แต่ท่านอยู่ของน่านคนเดียวถ้าไม่หาความสุขจากใครแล้วหาความสุขจากใจของท่านหาจากความสุขจากใจที่สงบของท่านซึ่งเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงลดแห่งธรรมชนะรดทั้งปวงเพราะไม่มีความทุกข์ไม่มีอ น, นิจจังไม่มีทุกขงังไม่มีอนัตตาในความสุขอันนั้นอไม่สนใจ พอใจไหมที่ปฏิสัมพันก็เพื่อให้ไปถึงจุดนั้นกันจุดที่ว่าเราจะได้หาความสุขในตัวเราเองไม่ต้องไปหาความสุขจากคนอื่นจากเซงอ่เงยเราก็ไม่มีใครมาแบบรังแกหรือว่าแกล้งเราได้อะไรสิ้นยใช่ไหมคะใช่เพราะเราไม่เกี่ยวข้องกับใครคือโดยธรรมชาติเราจะไม่เกี่ยวข้องกับใครอยู่แล้วไม่มีใครมารบกวนเราใช่ไหมคะมีแต่เราจะออกไปเองก็เราไม่ไปเกิดตั้งแต่ถ้าเป็น้เราไม่ไดมีร่างกายแล้วก็ยี อยู่เป็นแบบดวงดวงวิญญาณไปค่ะ ไ, ไม่มีคำถามค่ะแล้วก็เดี๋ยว<ต><น>เดือนหน้าก็จะไปปฏิบัติที่เขาอีกค่ะตอนนี้ก็เปิดให้ไปอยู่ได้้ไปจองที่พากได้แล้วจองแล้วค่ะไปเดือนหน้าประมาณเจ็ดวันค่ะโอเคดีอ่าดนนะมาสุสดบทแล้วใช่ไหมคนที่โอเลโออ่เลโอคุณเลโอ คุณพัทลาพรดัวแก้วใช่ไหมดัวสุกดัวสุกัวสุกตอนนั้นก็อยู่อยู่ประเทศสเปนอบิซาเกาอบิซ่าอบิซานี่ก็เป็นหมือพัทยาใช่ไหเป็นเป็นหลักท่องเที่ยวใ้่ไ้มมาภูเก็ตมากกว่ามาภูเก็ตนะมาภูเก็ตนะมันเป็นเกาะมเป็นเกาะนพัทยาเป็นออกจะเป็นโคส แล้วใหญ่เท่าภูเก็ตไหมไม่รู้ได้กับภูเก็ตไม่เท่ากับภูเก็ตไม่รู้เท่าเท <What happened? S 1> ่ากันเท่าเท่ากัน560 square meters <c uk le> square meters square m e s meter square meters square kilometers <c uk le> square kilometers ไ <c uk le> okay. ม่อะไรไหมวันนี um. ค้คุณแม่คุณแม่บอกใหรบอกว่า ไปคุยเล่าให้แดนฟังครับเรื่องแมวว่าเราไมเราไม่ควร take t h a advice from จากจากเวทจากเดอะเวทนะครับว่าโอเคเราไม่ควรฟูดเขาดาวนะครับอแล้วเขาว่าไงเขาว่าโอเคเขาเข้าใจครับโอเคอเ ค, ครับเพราะว่ า, าอยา่าไปฆ่าเขาครับเพาะ<ต>เราไม่รู้ว่าเขาเราไม่รู้ว่าเขาอยากจะตายหรืเรอเปล่าถึงแม้เขาอยากจะตายก็ไม่ควรจะไปช่วยเขาเพราะเป็นความคิดที่ผิด ฆ่าตัวเองก็เหมือนกับฆ่าคนอื่นบาปเท่ากันครับถ้าถูกฆ่าครับหลวงพ่อเจ้าข า, า, าลูกลูกมีเจ้าขามื่าเช้านี้ก็คือลูกปฏิบัติแล้วมันก็คือมันอยู่ข้างในใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วสามีเขาก็ตื่นขึ้นมาเขาก็เฮ้ยกดม่านนิ่งแล้วแบบก็คือลูกอะมันยังอยู่ข้างในมันก็นิ่งนะฮะเขาก็ เฮ้ปุ่มอ้อนนี่แล้วจิตโยจิตของลูกอะก็แบบว่าคือเหมือนแบบมันยังไม่อยากจะออกมาค่ะอยากจะยังนิ่งอยู่แล้วก็อยากจะบอกว่าเฮ้จิตมันอยากมันบอกว่าคืออยากให้เขาแบบไม่ต้องทักเราอะอยากให้ให้เขาเดินลงไปออฟฟิศข้างล่างเลยอย่างเงี้ยช่วงนี้<ม>ลูกลูกไม่ถูกแล้วแผ่เมตตาให้กับเราแล้วควรจะตอบรับนี่ เอาว่าใส่คถ้าก็ไม่ใส่คุณบอลนิ่งบาทีแล้วเราก็จะเสียใจวันนี้ทําไมก็ไม่ทักเราครับทักเอนแล้วเราก็ต้องทักตอบกลับไปเลยคุณบอลนิ่ทัานเองมันจะเสียมันจะยากเย็นตรงไหนเจ้าค่ะก็คือมันมันคือตอนนั้นหน้าตอนที่พระพารก็ลุกนิ่งแล้วลุกแบบมันเหมือนแบบว่ามันมันยังอยู่ข้างในอ่ะมันยังไม่อยากออกมาข้างนอกอ่ะเจ้าค่โดยมารญาทเราต้องรู้จักมารยาทรู้จักการละเทศนะ กันอยู่ร่วมกันก็ต้องมีแบบมีเมตตาให้กัต่อกันรละกันไม่ใช่อุบเบกขาเหมือนคุณสุภัตตา <laughs> คุณสุภัสตาก็อุบเบกขาจะนั่งแฟนเบืไงไงไ่อเหมือนกันถึงนะเดี๋ยวก็จะเบื่อเราไม่ใช่อะไรเรารู้เปล่าเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะเจค่ะลูกก็ต้องลดลงมาแล้ต้องต้องอยากลองมาอยู่ด้วยกันแล้วอยู่ด้วยกันเราก็ต้องรักษาน้ําใจกันอย่าทําลายน้ําใจกันนะค่ะ เจ้าค่ะจับสาดคือสาดคือจะค่าหลวงพ่อออฮึเจ้าค่ะีกอย่างี้และวันนี้เจ้าค่ะหลวงพ่อแล้วลูกเข็นที่คุยเรื่องผลไม้ถวายพระทหารแลเจ้าค่ะพอดีลูกเข็นพี่ที่เขากลับบางทีทุกวันที่น้องสาวลูกส่งมาก็คือบางทีเห็นส้มเป็นลูกเข็นฝลั่งมะม่วงเป็นคูกอะไรอย่างเงี้ยใชะก็ตัวเองก็คิด คิดอยู่เพราะว่าลูกจะรู้เพราะว่าเราอยู่วัดยานมานานเราจะรู้แต่ว่าบางทีลูกก็ได้ยินหลวงพ่อเทศว่าคือให้คือให้ไม่ไม่ต้องไปนี่มากลูกก็เลยก็มองแล้วก็บางทีอยากจะบอกบางทีก็บอกน้องไปว่าบอกข้อหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ใช่อะไรทั้ท ง, งนี้ที่ทำพาคกลางเราไม่ได้ทำกันนะทำแต่เฉพาะทางภาคอีสา น, น, นก็เลยจ้ะค่ะ เพราะเขาถือว่าส่วนใหญ่ทางภาคกลางก็จะทําแกะให้เสร็จเลยสังเกตในเวลาเขาทําของถวายพาระนี่เขาจะบอกเปิดกเอาเม็ดออกให้หมดแล้วก็ถวายแต่ของที่เป็นเนื้อเนื้ออีบางคนที่เขามาทำบุญเขาไม่รูกเขถวายทั้งลูกเลยก็มีจาค่ะหลวงพ่อเพราะว่าทุกวันที่ลูกให้ให้พี่เขาจับถวายใช่ไหมครับพราะบางวันที่น้องสาวลูกจะเพราะว่าลูกไม่มีลายใช่ไหมใช่คมเพราะว่าก็ พี่เขาจะส่ง ท, ทุกวันให้น้องสาวลูกกับลูกห ล, กลงสาวก็ส่งมาทุกวันแล้วก็เห็นบางวันเห็นฝรั่งเป็นลูกมะม่วงเป็นลูกซ้อมเป็นลูกลูกลก็รู้เพราะว่าที่วัดญาณว่าควรจะต้องทําพิธีนี้ลูกรู้ไงบางทีบอกน้องไปน้องก็บอกว่าก็อบอกเขาแล้วนะ่ะก็เขาไม่ทำแล้วจะยังไงอะ่ะ<ม>รู้ก็เลยไ <ขอ S 1> ม่ไปช่วย<ค>เขาไม่ได้แล้พพพพเพราะพระพราะพระก็ไม่ได้สอนอเขาพระก็ไม่ได้บอกก็าทำทช่น <ขอ S 2> ี่เขาขไม่ทํากัน ก็ไม่เป็นไรไม่ไม่ไม่ต้องระวนไม่ไม่เป็นไรใช่ไหมเจ้าค่ะไม่เป็นไรไม่ได้บ่าปหรื่องอะไรทั้งสิ้นมันเป็นเรื่องประเพณีที่อาจจะเปลี่ยนไปตามเวลาของมันอ่อเจ้าค่ะเจ้าค่ะขับสาธุเจ้าค่ะเพราะว่าลูกก็เอ๊ะเดี๋ยวจะผิดวินัยมันยังบอกน้องสาวว่าว่ามันจะผิดวินัยหรือเปล่าอะไรเนี้ยค่ะเจ้าค่ะกป็นพิธีกรรมนะฮะมันเป็นพิธีกรรมแค่แค่ทำพิธีกรรมว่าแต่ ได้ค่ะส้มเม็ดส้มลูนี้ให้ตายแล้วกินได้แล้วดิ๊เจ้าค่ะเจ้าค่ะลูกลูกทราบอันนี้เจ้า <Okay. S 2> ค่ะอ๋อ ه, หลวงพ่อเจ้าค่ะอ๋อหลวงตาหวันท่านมรณภาพแล้วเลยเจา้าค่ะนานแล้วสักสิบปีแล้วท่านอ๋อเจเหมือนนะเพราะว่ลูกก็จําได้ตอนสมัยเมื่อสามสิบปีที่แล้วท่านอยู่ข้างบนข้างบนเขาใช่ไหมเจ้าค่ะที่ลูกจะลูกจะแบบ ดื้อรั้นที่ชอบเอาน้ำขึ้นไปถวายหลวงพ่อกับหลวงตา mm hmm. นาะเจ้าค่ะตอนนั้นหลวงพ่อจะชอบไครน้ากระบวนมาี่ลูกก็ขอคํามาขอขอมาเจ้าค่ะอ๋อเจ้าค่ะ mm hmm. กราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์เจ้าค่ะเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณของพ่อเจ้าค่ะ mm hmm. ต้องรู้หล mm hmm. งพ่อเจ้าค่ะไม่รู้อาทิตย์หน้าลูกเอาคงจะหน่าจิะยุบแล้วเพราะว่าวันจันทร์นี้ลูกมีโอเปริา แล้วก็เดี๋ยวน่าหลวงพ่อหมอบงอาจจะบวมสองสามวันแล้วก็หน้าจะาวันศุกร์คงจะได้ได้มาบวมบวม่ม้เวลามามาก็ได้นึกปิดต้อมก็ได้ล้วบเปิดแต่เสียงอย่างเดียวก็ได้อ๋อไม่เป็นไรเจร้าค่ะเพราะว่าลูกปล่อยแล้วส่งกลับนดนเจ้ขขาค่ะ ข่าหลวงพ่อดูแลสุขภาพด้วยนะเจ้าค่ะใช่ขอลาคุณแก้วตาคุณ้ตาเฮ้เปลี่ยนลุกใหม่แล้วหน้าตาเปลี่ยนไปเยอะเลยแก้วช่วงที่เครียดมากๆแก้วอธิฐานเออก็ไม่ได้อธิษฐานนะเจ้าค่ะคือตั้งใจว่าจะบริจาค ผมให้คนป่วยที่เขาเป็นมะเร็ง อ, อ่อก็เลยไว้ผมยาวเลยก็เลยไว้ผมยาวลําบากทุลักทุเลมากเลยค่ะนี่ออว่าจะโทรไปถามเขาว่าเปลี่ยนใจให้เป็นเงินแทนได้ไหมออไปซื้อวิตแทนได้ไหมถามว่าค่ะ เ, เพราะว่าดูแล้วมันแย่มากๆเลยอเจ้าค่ะทำไมก็เห็นหน้าตาแบบนีออ้มาก่อนค่ะใครเห็นก็บอกโอ๊ยตายแล้วทําไมแก่อย่างนี้แบบ ดูยับเยินมากแล้วแก้วเป็นคนไม่ดูแลตัวเองด้วยอะค่ะก็ก็ปล่อยกระเซิงกระเซิงไปอย่างเงี้ยอืหลวงพระอาจารย์ว่าถ้าถ้าถ้าเปลี่ยนใจซื้อวิกให้แทนจะเป็นไรไหมเจ้าค่ะไม่เป็นไรก็ทดแทนกันได้ทดแทนกันได้นะเจ้าค่ะได้อ๋อเมื่ออาทิตย์ก่อนนู้นคุณแม่เอถวายสังฆทานพระอาจารย์นะเจ้าค่ะอ่ได้ฝากฝาก คุณติมไปถวาย<ม>แก้วก็เลยอยากขอ<ม>อนุญาตก่าวถวายสังฆทานพระอาจารย์นะเจ้าค่ะเออค่ะแล้วาวแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องแล้วทกแล้วก็คุณแม่พอดีแกซื้อส้มให้คุณแม่ทานแล้วมันอร่อยมากๆเลยค่ะ<ม>คุณแม่รีบให้ส่งไปทาบุญกับไปถวายพระอาจารย์เลยเจ้าค่ะแต่คุณแม่เขาถือว่าเขาจะต้องถวายวันศุกร์แต่แก้ ว, วลืม เพิ่งโทรไปสั่งเมื่อกี้นี่เองกว่าจะถึงคงจะถึงวันศุกร์เที่ยงเที่ยงถ้าได้ใส่บาตก็คงจะได้ใส่เ ช, ช้าวันเสาร์หรื อ, อไม่ก็เช้าวันอาทิตย์แก้วแก้วทําเฉยๆไปเลยได้ไหมเจ้าคะแกถ้าเขาไม่ถามก็มไม่น้องพูดเลยคุณคุณแม่ไม่ถามแล้วคะ่ะถ้าถามแก้วก็จะบอกว่าแก้วก็จะพูดครึ่งเดียวว่า อ๋อ ส, ส่งไปเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ต้องบอกว่าเมื่อไหร่คะแล้วกม่ค่ะแต่ไม่ได้ไจแต่จะไม่บอกว่าถึงเพราะว่าคุณแม่เขาจะไม่รู้เรื่องพวกนี้อยู่แล้วถ้าถ้าบอกว่าส่งไปแล้วก็คือโจบแล้วไม่ได้พูดโกรเนี่ยพูดไปแต่ไม่ได้ไม่ได้พูดทั้งหมดเท่านั้นเองเจ้าเจ้าค่ะเพราะว่าแก้วจะรอส่งอาทิตย์หน้าก็เหมือนกับพอพอจะถวายพระแล้วก็อยากส่งให้เร็วที่สุดอ่ะเจ้าค่ะก็ไม่อยากเลือดผัดวันประกันพุ่งไป ทำบุญได้เมื่อไหร่รีบทานะว่าไม่รู้พวกนี้จะทำได้หรือเปล่าเจ้าค่ะแล้วก็คุณแม่บอกว่าห้ามบอกพระอาจารย์ว่าคุณแม่สบายดีคุณแม่คุณแม่บอกว่าไปพูดอย่างนั้นได้ยังไงให้บอกว่าไม่สบาย <c oughs> เนี่ยเวียนหัวคล <c oughs> ื่นไส้น้ำลายสอ <c oughs> ป้านหมุนนู่นนี่นั่นให้บอกพระอาจารย์ไปว่าไม่ค่อยสบายก็ แกก็ไม่สบายทุกวันนั่นแหะค่ะแต่หมายถึงว่าแกก็ปกติดีแต่แบบมึงว่าคนแก่ก็เลยสรุปว่าแกอยากให้พระอาจารย์ช่วยแผ่เมตตาให้หน่อยอะค่ะอลองแผ่เป็นประจำกันแล้วนะสัมมสตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอบพระคุณเจ้าค่ะไม่ไม่มีอะไรแล้วเจ้าค่ะการมาสการเจ้าค่ะเจ้าค่ะรู้สึกว่าหมดแล้วนะทุกคนได้ถามแล้วที่นี่ทาง ทาง Facebook บางคนจุบเมยไหมวันนี้ทาง a c e b o o k ค่ะวันนี้มีค่ะวันนี้มีสี่คำถามนะคะเชิญเลยคำถามแรกนะคะเป็นคำถามฝากถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะ คำถามที่หนึ่งทำอย่างไรความรู้สึกของคนที่คนอื่นไม่มาที่จิตของเราบางทีมันมาอัตโนมัติแบบไม่ทันตั้งตัวและเราไม่ได้เข้าไปรู้เองค่ะสังเกตหลายทีแล้วหนูมองว่ามันไม่ดีเลยค่ะเพราะเวลาเจอคนโกรธมันจะชัดมากทำอย่างไรให้เรารู้แบบอยู่วงนอกเหมือนเรานั่งดูหนังอยู่ค่ะก็เวลารู้แล้วทำใจเฉยๆถ้ามัไม่ยอมเฉย mm hmm. ก็พูดโทพูดโทไปให้สัตวว่ารู้ไป นันก็ได้ยินเสียงเห็นรูปอะไรนี้ก็ให้ได้ยินไปนะแล้วก็อย่าไปมีปฏิกิริยาเฉยๆไว้ถ้ามันไม่อยอมเฉยก็ต้องใช้พุฏโถพุฏโถ ท, ทำไปคําคำถามต่อไปเป็นข้อความจากคุณคุณโยมวิลาศินีนะคะ กับนมัส ก, การพระอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงค่ะวันนี้โยมไม่ค่อยสบายถูกจับตรวจโควิดอีกครั้งขอนอนฟังอยู่ข้างนอกค่ะขออนุญาตกราบรายงานเรื่องการปฏิบัติสั้นๆนะคะวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโยมลดการนอนลงเหลือวันละสีชั่วโมงเพิ่มการภาวนาเป็น 6-7 ชั่วโมงผลคือจิตละเอียดมากค่ะสุขปราณีตอยู่ที่ไหนก็สุขเย็น เหมือนมีเครื่องปรับประกาศในตัวสมาธิเป็นธรรมชาติมากคือไม่ต้องทำอะไรสมาธิก็เกิดขึ้นเองเลยค่ะแค่วางมือจากงานทำก็รู้สึกตัวจิตจะรวมเป็นสมาธิทันทีแต่ไม่ถึงกับอ ป, ปนาสมาธิตอนนอนจิตตื่นเป็นคลื่นและภาวนาของมันเองตัวโยมก็นอนตามปกติค่ะโยมมีคำถามเดียวสาหรับอาทิตย์นี้ค่ะ การสะสมพลังจิตนั้นจําเป็นหรือไม่ที่ผู้ปฏิบัติต้องเข้าไปถึงอั ป, ปนาสมาธิกราบขอพระคุณอย่างสูงค่ะคุณโยมวิลาสเนีค่ะคือถ้ามันเข้าถึงอั ป, ปนาสมาธิมันก็จะได้ร้อยเปอร์เซ็นถ้ายังเข้าไม่ถึงมันก็ยังได้ไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นห้าสิบหกสิบอะไรทั้งนั้นนั้นต้องพยายามเอาให้มันเข้าไปถึงอั ป, ปนาสมาธิให้ได้ก็ฝึกสติไปเรื่อยๆให้มันสติมันต่อเนื่องไม่มันเผลอ เวลานั่งสมาธิถ้่มันไม่เพ้อมันไม่ไปคิดอะไรอยังมัวก็เข้าไปได้เองแต่ตอนนี้ถ้ายังไม่ได้ก็ไม่ต้องไปวิตกทําตามกําลังของเราไปจเจริญสติไปสติเรายังอาจจะมีกําลังไม่พอที่จะดึงจิตให้เข้าไปถึงอั ป, ปนาสมาธิได้ตอนนี้เพราะเรายัางไม่ได้ปฏิบัติเต็มรูปแบบคนที่จะได้อั ป, ปนา น, นี้ต้องเป็นคนที่ไม่ทํางานเลยไม่ยุ่งเกี่ยวกับคนเลย ว่าถ้ายังทํา ง, งานอยังยุ่งเกี่ยวมันต้องใช้ความคิดแล้วตัวความคิดเนี่มันจะเป็นตัวขวางการเข้าสู่ปัญญาสมาธิเห็นต้องต้องรอไปก่อนทําเท่าที่เราทําได้ไปก่อนอันนี้อาจะได้ห้าสิบหกสิบก็ดีกว่ไม่ได้เลยนะคำถามต่อไปจากคุณอูค่ะก็ต่อค่ะคํำถามต่อไปจากคุณอูค่ะขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะ ลกแยกไม่ออกระหว่างบีดวงตาเห็นธรรมกับการเป็นโรคซึมเศร้าค่ะเออก็เหมือนคนหลับตาคนอื่นตาคนมป็นโรคซึมเศร้าก็เหมือนคนหลับตามองอะไไม่เห็นมีแต่ความเศร้าโศกเสียใจยอยู่ตลอดเวลาส่วนคนบีดวงตาเห็นธรรมนี่เป็นคนเปิดหูเปิดตาเห็นนูน่นเห็นนี่มีจิตเบิกบานเห็นรูปเสียงกลิ่นรอเห็นอะไรตา่างๆเห็น เป็นคนละคนละเรื่องกันคนละมนคนัคนคนดับตาหรือคนเมาคนเสื่อมเศ้านี่ก็เป็นเหมือนคนเมาเมาด้วยความทุกข์กู้กับเรื่องนั้นรู้กับเรื่องนี้แต่คนที่มีดวงตาทำนี่จะเป็นคนที่สดชื่นดอก บ, บ, บานไม่ทุกข์กับเรื่องต่างๆคําถามสุดท้ายนะคะจากคุณยุทธนาค่ะกิเลสมาจากความคิดใช่ไหมครับเธอกิเลสมันใช้ความคิดเป็นเครื่องมือ ใช้ความคิดทำ ม, มากก็เป็นก็ใช้ความคิดเป็นเครื่องมือนี่อยู่ที่ว่าเรามีอะไรถ้าเรามีกิเลสกิเลสมันก็จะให้คิดไปทางกิเลสคิดไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปหาความสไปหาเงินหาทองนี่ไปไปโกหกหลอกลวงไปฆ่าเขาไปฟันเขาอะไรอันนี้เป็นความคิดที่กิเลสใช้พาไปถ้าเป็นทางธรรมก็จะคิดตรงกันข้าม คิดไปทําบุญคิดไปรักษาศีลคิดไปปฏิบัติธรรมความคิดมันเป็นเหมือนรถ ส, ส่วนกิเลสจะทําให้เป็นเหมือนคนขับกิเลสมันก็จะพาไปขับไปทําให้ไปทําบาปทํากรรมส่วนธรรมก็จะให้ไปทําบุญทำบุศลเป็นความ ค, คิดสองด้านหมดแล้วใช่หมหมดแล้วค่ะโอเคเอาตอนนี้เปิดโอกาสให้ท่านใครที่อยากจะถามรอบที่สอง ก็ตอนนี้ก hmm ็ยกมือขึ้นแล้วก็เปิดเปิดไม่แล้วก็พูดได้เลยคุณมาเรตนะที่พูดถึงลรกซืมเต้าเมื่อกี้ครับผมมีเพื่อนเป็นโรคซึมเศราแล้วจะแบบเริ่มยังไงดีในการบอกเขาว่าเขาพลาดใถ้าเขาเขาอยากให้ความื่วยเหลือเาอยากให้บอกเมไหนบอกก็ให้ฝึกสติให้สวดมนต์ไหว้พระสวดมนต์ไปเรื่อยๆสวดอินทีย์เสดไปบ่อยๆจิตมันก็จะคลาย พอแล้วมีสติขึ้นมามันก็จะความซึมเศร้ามันก็จะจา์หายไปได้ถ้าใช้แบบกิเลสแก้ก่อนนะครับเช่นควรไปกินของอร่อยอร่อยให้จิตใจเขาสดชื่นขึ้นอย่างนี้มันสดชื่นเดียเดียวแล้วเดียวมันก็เศร้าเองพอไม่ได้กินมันก็เศร้าเองดนี้ไม่ดีจะเศร้ามากกว่าเดิมอี่ไม่ใช่เป็นวิธีที่แก้ถูกๆต้องวิธีที่แก้ต้องหั่งเริญสติให้มากๆสวดมนต์ไปพุโทโธไป โดยที่พิโสร้อยจบก็ได้บอกเขามอาส่วนที่พิโสร้อยจบถึงจะรับรองไดว่าอาการเส้นเจ้านี่จะหายไปเลยะนะถ้ามีใครไหมมีใครอยากจะถามก็ยกมือแล้วก็เปิดไม้ได้เลยคุณปรางว่าอะไรเชิญพระอาจารย์คะมีบางสำนักนะคะที่ท่านให้กรรมพักสวดมนต์นะคะ ตัวนี้มันจะเป็นตัวที่จะทำให้ให้ผู้วิปทำกรรมฐานหรือว่านั่งสมาธิมีสมาธิเพิ่มขึ้นไหมคะอไม่หรอกไปกรรมภาพทาไมให้ให้กรรมใจเลยอย่าไปกรรมภากรรมใจไม่ให้มันไปเช็ดปูนแต่งอันนี้มันเป็นเพียงแต่อาจจะเป็นเคล็ดของคนสอนไปแเท่านั้นอเองเวลาปฏิบัติจริงๆนี่ไม่เกี่ยวกับวัตถุสิ่งของ เกี่ยวกับสติเป็นหลักต้องจเจริญสติเพื่อควบคุมใจส่วนการใช้ลูกประคำนี้เอาไว้สําหรับเป็นการรับรอบสําหรับการสวดมนต์ใช่ไหยคะก็บางคนมันยังเข้าข้างไหนไม่ได้มันยังติดอยู่ข้างนอา ก, ก็เลยแทนที่จะปล่อยให้ไปทํางานทำอะไรนู่นนี่นี่ก็ให้มันนั บ, น, บนับลูกประคำแทนอ๋ออ๋อคือไม่ไม่ไม่ใช่เอาไว้สําหรับนับว่าวันนี้ โยมหรือเราจะ ต, ต้องสูตรให้ได้ร้อยแปดก็คือใช้รูปประคำนับหใช่ไหมคะก็ได้อาจจะเป็นบางทีเขานับไม่ได้เขาก็ใช้นับใช้อวามนับประคำโ่วย์รอบหนี้ก็เลื่อนไปเม็ดหนึ่งเลื่อนไปเม็ดหนึ่งอย<ม>ู่แบบจะคร บ, บจริงไม่จําเป็นที่จะต้องต้องใช้รูปประคำเท่าไหรก็ได้จนกว่เาเราจิตเราจะอ่าอนั่นดีกว่าแต่บางทีเราจิตเราขี้เกียจล้วก็เลยต้องบังคับต้องตั้งเป้าไว้ อสิบราบยี่สิบลาบถ้าอ่างนั้นเดี๋ยวบางทีมันคี้เกียสวดสองสามาบต้องไปหยุดนะนี่ยังไม่สิบนั่นยมยมได้ยมได้ประคำกับพระมาค่อนข้างเยอะพอตอนหลังยมได้เรียนกับพระอาจารย์ค่ะยมก็เลยรู้สึกว่าพระก็อยู่ในใจแล้วยมก็เลยเอาประคำกับพระค่ะส่งไปเพื่อนต่อเผื่อเพื่อนก็ใช้ประโยชน์แทนอยู่ แต่การปฏิบัติจริงๆนี่ไม่ต้องใช้อะไรภายนอกใช้แต่ภายในคือสติปัญญาศีล ส, สมาธิี่ค่ะขอบพระคุณค่ะมี ใ, ใครอีกไมหมท่านต่อไปถ้ามีก็ยกมือแล้วก็เปิดไม้ได้เลยนี่ก็เกือบจะสามชั่วโมงแล้วน ะ, <c oughs> ะมีไหมคิดว่าไม่มีแล้วนะอันนี้ก็สองชั่วโมงห้าสิบเจ็ดนาที อีกสามนาทีก็กบสามชั่วโมงก็คิดว่าพอได้ได้อะไรก็ไปพอสมควรแล้วนะเอาไว้อาทิตย์หน้าคอยพบ ก, กันอีกครั้งหนึ่งก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิจิตพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอ